จะเริยนรทุกท่านที่ติดตามรายการสนทนาธรรมถามตอบคำถามปัญหาธรรมทุกวันพุธเวลาสองทุ่บหวังว่าทุกท่านทรงสบายดีได้ยินไหมได้ได้ยินครับได้ยินครั บ, บท่านแรกวันนี้คือพระอาจารย์พรมพิไล นไงสบายดีนะสบายดีค่ะกับนวมสการค่ะค่ะยปนไงเพื่อนเสด็จมิกลังออกออกกาลังกายอยู่ค่ะยกน้าหนักค่ะแล้วค่ะดีครับมาค่ะกน้นักอย่างมคมเปอย่าลืมออกกำลังใจด้วยนะออกกำลังใจออกกำลังนอนกำลังใจกลังใจก็คือการจริสติการนั่สมาธิ ใจได้แข็งแรงอืนั่นร่างกายแข็งแรงด้วยเบคคาใจมีเบคคาแล้วไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งนั้นแล้วอย่าออจากอย่าออกจากกําลังกายอย่างเดีย ว, วเวลาออกกําลังกายก็พุโทโธพุโทโธไปด้วยอืได้สองอย่างร่วมกันเดี๋ยจะต้องพดสอบกันนะต้องมีสอบด้วยค่ะพุโทโธเนี่ยคะ่ะต้องมีสอบ ก็รู้ว่าโมเบลขาเกิดขึ้นหรือเปล่ามีอะไรใช่ไหมอันนี้ค่ะเพื่านๆคะเมื่อคืนนี้ได้ฟังนะคะแล้วก็มีคำว่า happiness ที่เป็นคำที่แบบได้ใช้มาตั้งแต่ตั้งแต่เป็นอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยนะคะแล้วมันก็จะติดกับคำนี้แล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็เริ่มเข้าใจมาเรื่อยๆว่าทำไมเราถึงตอบว่าเป้าหมายในชีวิตเราเนี่ยคือ happiness เราไม่เข้าใจแต่แเราเข้าใจว่าเราทาอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขทำให้คนอื่นมีความสุขไม่ได้เป็นเป้าหมายว่าจะต้องเจริญเติบโตก้า ว, วหน้าในหน้าที่การงานไปถึงเป้าสูงอะไรเงี้ยนะคะแต่มันใช้คำว่า happiness เมื่อคืนนี้ก็ได้ยินมีคนกล่าวถึงนะคะก็แบบไอ้ความกระจายของการใช้ชีวิตคนเนี่ยนะคะกับคำว่าภรษทไทยเนี่ยจะบอกว่า สบายมันก็ไม่มันก็ไม่ลึกนะคะแต่คำว่า h a p p i n น s s ถจะเป็นภาษาฝรั่งเนี่ยจะฟังดูลึกในการที่เป็นปทุชนแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วนำมันเข้ามาสู่ชีวิตจริงๆในการปฏิบัตินีะค่ะคือความสุขที่พูดถึงนี่มันมีความสุขสองชนิด<ะ>ความสุขทางโลกและความสุขทางตาจมูกจ<ะ>ิกใจที่คนทั่วไปเสพสัมผัสกันกับความสุขทางธรรม ที่เกิดจาการปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตสงบเนี่ยความสุขทางวัตนี่เป็นความสุขที่เปลี่ยนแปลงไม่ค่อยแน่นอนอยากสุขก็กลายเป็นทุกข์ได้ในความสุขทางธรรมนี่เป็นความสุขที่มั่นคงที่สามารถรักษาไว้ได้ด้วยการจเจริญสติสมาธิอยู่ื่อย มีความสัตพี่พรเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านให้ความสําคัญกันแะเข้าถึงกันโดยสละความสุขทางโลกไปความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเช่นการทื้งสินแปะนี้ก็ให้สละความสุขทางโลกก็จะได้มีเวลามาหาความสุขทางธรรมมาจเจริญสตินั่งสมาธิ พอได้พอทาเป็นแล้วก็สามารถรักษาความสุขทั้งธรรไปได้เนี่ยเพราะมันเป็นของที่เราผลิตขึ้นมาได้อืแต่ความสุขทั้งร่ลกนี้เราต้องอาศัยบุคคลและสิ่งต่างๆต้องอาศัยรูปถึงกินวัตถุธาตุมาให้ความสุขกับเราซึ่งเขาก็ไม่เที่ยงเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ร, รูปที่เคยเห็นเคยให้ความสำคัญจะกลายเป็นรูปที่ให้ความทุกข์กับเร า, าแล้วเนี่ยเเปลี่ยนไปเมื่อคือนี้ก็พูดถึงเนี่ยความสุขสองทางเอ า, เอาความสุขทางธรรมดีกว่าไม่มีทุกข์ตามมาความสุขทางโลกต้องมีความทุกข์ตามมาเพราะมันไมีว่าันเสื่อมวันหมดวันเปลี่ยนแปลง ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าในความสุขทางธรรมเนี่ยนะคะซึ่งเราก็ยังเป็นคลรวาสเนี่ยนะคะก็ต้องนําเอามาใช้ในชีวิตประจําวันมาถ้าเราฝึกทำไว้เยอะเราก็สามารถที่นําเอามาใช้ในในการดํารงอยู่ในชีวิตประจําวันเหมือนก็มีมีปัญญาขึ้นแล้วก็สงบขึ้นเราก็ใช้ชีวิตที่สงบมากกว่าเดิมการมันจะทําให้เรา ลดน้อยความต้องใจความสุขทางโลกไปไปจัดงานปาร์ตี้ก็าอาจจะเลิกจัดนะมานั่งจัดงานนั่งสมาธิมันดีกว่าปาี้สมาธิ <c oughs> จะร้องวันเกิดชวนเพื่อนฝูกมาวันนี้ <c oughs> า ง, งานมันเกิดแล้วนะางานวันเกิดแล้วคราวนี้จะเอาความสุขทางธรรมนะ <c oughs> มานั่งสมาธิกันอย่าเอาเหล้าอย่าเอาเบียร์อย่ า, าวาไวน์มา เอาสิ่งแต่งมาชอบเลยค่ะประเด็นนั้นชอบมากขอให้ได้อย่างนั้นแล้วค่ะถ้าเราเคยทําเป็นเราไปอยากจะทํามากขึ้นทําบ่อยขึ้นแล้วมันก็ความสุขทางโลกที่เคยทําก็จะน้อยลงไปเพราะมันสู้กันไม่ได้สู้กับความสุขทางธรรมไม่ได้ต่อไปกันเริกเลยเลิกควาความสุขทางโลก เราจะคารสุขทางธรรเพีงอย่างเดียวค่ะต้องพยายามกันอยู่ค่ะได้โอเคขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่พระอาจารย์ค่ะอย่าลืมนะออกําลังกายแล้วก็กําลังใจควบคู่ไปเรืยได้นะได้สองเดงเลยขอบคุณโตุโคุณโ ออาไปเป็นคนภาสนาคุณหมอภาสนะเป็นทีเป็นวีโว่แล้ว <c oughs> พอดีมันมันคงหลุดนะคะพระอาจารย์ไม่เป็นไ ร, รเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแก้ไขพอดีอัปเดตมันก็มีคำถามสองคำถามนะคะแ ต, แต่ก่อนอื่นต้องแบบผมต้องขอบคุณพระอาจารย์มากๆเพราะว่ากลับมาคราวนี้มันรู้สึกว่ามันมีความสงบความเย็นออกมาแล้วก็พยายามทำต่อก็คำถามนะคะพระอาจารย์ก็คือว่า คือพ อ, พอพอมันคือมันเริ่มมันเข้าใจแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถูกต้องไหมก็เลยจะถามนิดนึงคือว่าคําถามนะคะคือจากที่อ่านแล้วนูงใจทีบทที่13แล้วก็จากฟังที่ฟังธรรมพระอาจารย์เทศเรื่องของเรื่องของกา ร, รมาศุกที่เป็นทุกเลยเนี่ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะถ้าเราตั้งใจในการที่จะลาเรื่องของรูปรดหรือว่าโลกกดหลบเนี่ยแล้วก็คือใช้สติเนี่ยเวลาเราเราเรากลับมาเนี่ยเราก็ใช้สติในการดําเนินตลอดเสร็จแล้วเนี่ยก็ ทำสมาธิเพื่อจะเอาความสงบเข้ามาความสุขเข้ามาเป็นระยะระยะใ น, ในแต่ละวันนะคะแล้วก็แล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือใช้ปัญญาในการสกัดแล้วเราดูคือคำถามคืออยากจะรู้ว่าเราจะดูจากการที่ว่าเราสกัดเรื่องของความสุขใน cleaning, รูปลกักษณ์สิ่งศิลปความโลภปลดหลงพวกเนี้ยแล้วมันไม่มีความหุดหงิตคือหมายถึง yup. ว่ามันสกัดได้ตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่มีความหุดหงิดทางใจใช่ไหมคะอาจารย์ที่เราจะดูที่เราจะดูตัวเองว่ามันดีขึ้นเป็นระดับเนี้ยใช้ตรงนี้ใช่ใช่ไหมคะคือนี่เป็น นี่คือสรุปประจำที่ฟังรู้สึกว่าใช่ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ใจเราไม่ไม่แสวงหาไม่สอดไม่สายแสหาความสุขจากสิ่งภายนอกว่าเรา ม, มีความสุขภายในก็เพราะฉะนั้นเราก็คือเราเราดูแค่ใจตัวเองมันเหมือนกับเหมือนเขาเริ่มเข้าใจที่ที่อาจารย์บอกโอวันนีโฟ ค, คือดูที่ใจตัวเองเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องของกิเลสเดี๋ยวถ้ามาันมาเราดูว่ามัน ว่ามันมันจะมีมาหรือเปล่าแต่ว่าเราสมัยก่อนเราคิดว่าเราต้องไปโฟกัสไปขุดคุยดูว่ามันจะมาไหมจะมาไหยตอนนี้ก็คือคือเราทําของเราไปอย่างเงี้ยแล้วก็ดูว่าดูว่าในแต่ละตั้งแต่วันนี้ที่เรามาจนกระทั่งถึงวันที่จะไปเขาเชีโอนใหม่เนี่ยมันมันมันสงบเย็นไปอย่างนี้ได้ตลอดหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เราดูเราดูตรงนี้ใช่ไหมคะเออเราก็ต้องยอมรับว่าสถาว่าว่าน้อนที่เราอยู่เนี้มันมันทีมันมันมีหลายสภาพนะ สภาพที่มันสบายกิเลสมันก็จะไม่ค่อยออกมามันมันออกมากลุ่มหนึ่งแต่กลุ่มที่มันไม่ออกมาก็ยังมีถ้าไปอยู่ในสภาพที่มันด้านแคบที่มันว่าเวมันกิเลสกลุ่มนี้มันก็จะออกมาเ oh. น้นบางทีเราไม่สามารถว่าได้จากสภาวพที่เราอยู่ oh. กปกติ เพราะว่ามันมันไม่มีอะไรออกมามันมีแต่ไอ้ส่วนที่มันออกมาที่เรารู้จักเหมือนเช่นมันทํามันปกติมันก็อยากจะหาความสุขจากลูกเสีงองอยงเสกนู่จากนีกทํานู่นทํานี่ไปแต่มันไม่ต้องมาเจอกับสภาวะเช่นความเจ็บไข้แน่ปวดของร่างกายความหมดอยากขาดแคลนควาอะไรต่างๆภายรอบด้านความไม่สะดวกสบายอยู่ที่ที่มัน มันค่อยงจะนั่นแคอยางเงี้ยต้องยึภาพไปฝึกอยู่ในป่าครับเพื่อที่จะเปลี่ยนสภาพเพื่อจะไดะ้จะได้เจอกับทีเรนอีกอีกอกลุ่มหนึงที่มันจะไม่ออกมาถ้ามันอยู่กับสภาพที่มันสุขมันสบายของเขาใจ แต่ประมาณ ก, ก็เราอาจจะไม่มีปัญหากับกิเลสในในสภาวะนี้แต่ถ้าเกิดมันมีการพลิกเปลี่ยนสภาวะไปนี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีกิเลสตัวไหนออกมาหรือไม่องไรต้องไม่ประมาทแล้วก็ต้องทําสมาธิของเราเอาไว้ก่อน <c oughs> แล้วก็จเจริญปัญญาแบบสติวตไว้แล้วก็ดูกายคันตาสติตลอดนะจังตอนนี้ก็คือถ้าออกมาก็จะเริ่มมองแบบตลอดแล้วว่ามองในผลผลเล็บฟันมองมองคนแล้วขนตดที่พ่อาจาย์อกก็ เราต้องต้องเราไปหาสภาวะที่มันมันดแคนมันกดอากาศแคนมันใบแบบเป็นเหมือนอ่อมันไนม่รอนอะไรของเรานี้ยเดี๋ยวโควิดหายสั่งพระอ า, าอาจารย์เข้ามาปรึกษาอาจจะไปอาจจะไปอาจจะไปแบบที่วัดที่พระอาจารย์แนะนําเงี้ยอาจจะลองไปดูทางนู้นนะค ะ, ะที่ไกลที่มันแ <ไป S 2> บ<อ>บน<อ> ไม่หวังอะไรจากที่นั้นๆแล้วแต่ก็จะรับเราหรือไม่รับเราก็จะให้เราอยู่ยังไงกินยังไงเราต้องรับได้ทุกเราต้องรับได้ทุกรูปแบบต้องปฏิบัติเนี่ยต้องต้องอยู่ในสภาพแบบจริงเนี่ยพราดตัวจริงเนี่ยพราดตัวขอทานนั่นแหละเหมึอนก็วัดภูสังโคกับวัดพระอาจารย์ต่างที่หลวงพ่อเคยบอกเอาไว้ตอนนี้เขายังปิดอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะจะไปยังไงเดี๋ยวเราเรียนถามพระอาจารย์ ก็มีหลายวัดสายเนี่ก็อาจารย์คุณมีก็ได้อาจารย์นิพนธ์ตนนี้ที่คุณคิวยอนดองไปอยู่เสริดูหมดแล้วค่ะที่ที่เขาบอกบอกก็เสิร์ดูเพราะว่าจะได้แบบรู้ว่าเออเราจะได้ปฏิบัติไหนเป็นศิลป์ตามมาบัวใช่ก็ใช่ก็จะวัดนให้ก็จวัดแบบเรียบง่ายแบบไม่มีเครื่องอำนวยความสดความสะดวกความสุข มาพออยู่พอกินไปแต่เป็นที่สงบสงัดที่เวกที่เปรี่ยวที่น่ากลัวอย่างนี้แล้วปฏิบัติต้องต้องต้องทดสอบดับสภาพอย่างนี้โหดขึ้นคือแบบเนี่ยไขอทานไปเลยลุยไปข้างหน้าที่กินก็เป็นนั่งแคลนนะพ่อจย์ไม่เคยเปิดวาอะไรเงี้ยรถที่บดที่ยัดไม่หมดแล้ว อยู่อะไรอยู่อย่างไรก็ได้กินอะไรก็ได้เหมือนกันกพิสูจน์การกินใช่เราพูดตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรพะทุกอย่างมีหมดแอร์ก็มีอะไรก็มีอาหารการกินก็มีพร้อมเวลาสิบแปนแล้วพรอาจารย์แล้วตอนนี้ก็ที่บอกก็คือคือแบบทำบ้านเป็นวัดข้างล่างนี้ก็จัไฟนะครับอาจารย์ก็บอกว่าจุดไฟข้างล่าง ล่างกลับไปขอนซโปมันก็มันก็ยังมันยังเป็นมันก็ยังเป็นฉากอยู่จัดฉากไม่ได้เป็นของจริงใส่ใชมันไม่น่ากลัวค่ะแล้าแบบแบบสิ้นเนื้อประดาตัวไม่ไม่มีเงินไม่ได้มีอะไรมีแค่เงินพอที่จะจ่ายค่ารถค่าลาไปหาวันอยู่แล้วก็ขออาศัยวัดเป็นหลักขอทานอยู่แล้วแต่หลวงพ่อจะเมตตาให้อยู่ยังไงก็ได้ จะให้ใช้ทํางานในวัดอะไรก็ทําไปได้มีปัญหาแต่ถ้ า, า, าถ้านี้ได้ก็ไม่ต้องไปหาเงินเตรียมกองไว้สําหรับเวลาจะไปเวลาจะลดแล้วพระอาจารย์คือค่อยลดแล้วคือตอนเนี้ที่ทํามันจะเป็นเรื่องของงานที่แบบเป็ น, <ม> เ, ปนเป็นเหมือนกับการกุศลมากกว่าแล้วเรค่อยๆลดงานลงไปแล้วค่ะอาจารย์คือแบบเพราะว่าเราไม่ได้เพราะมันไม่สันโดษ ม, มันไม่ต้องใช้เงินก็คือดูแล้วมันก็มันคือยังคุยกับแฟนเลยว่าไม่ ไม่ต้องไม่ต้องหาตังค์ไม่ต้องเตอร์นะเพราะว่าตอนนี้ชีวิตเราไม่รู้เหลือเท่าไหร่เพราะเราพิจารณาโนราณรู้สติกนะพระอาจารย์เราไม่รู้ว่เหลือเวลาเท่าไหร่ก็เลยแบบเราพยายามทางนี้ดีกว่าแล้วยี่มีพระอาจารย์ด้วยอย่างคือรู้สึกเลยถ้าอ่านหนังสืออ่ะไม่มีทางเลยพระอาจารย์คือคงหลงมาตั้งแต่แรกแล้วพอมีพระอาจารย์ตรบกลับเข้ามาคือมันถ้าไม่มีอาจารย์ยากเลยพระอาจารย์ไม่มีพระอาจารย์แย่เลยทำแล้วมันอ่านแล้วมันก็จะหลงเพราะมันไม่เข้าใจก็นึกว่าตัวเองได้แล้วได้แล้วตลอดเลย ได้สมัยที่รับปฏิบัติใหม่ล้วว่าที่ว่าเราปฏิบัติอยู่คนเดียวได้ใช่เพราได้แล้วเร<ต>ืพอไปพอไปอยู่กับครูบอาจารย์ถึงว่าโอ้ยนอนยังไม่รู้อะไรเยอะแยะใส่ลงรื่อยหลงอีกมีแผนที่แล้วมีแผนที่ยังมีแต่พออ่านแผนที่ยังอ่านผิดหลงไม่เหมือน GPS จะเปิดขับรถไปก็ยังหลงหลงไปหลงมาหล ง, ลงไปหลงมาอ่านในหัวใจค่ะมันก็มันมันได้วันเด็กก็ต้องทดสอบไปแบบ เป็นแบบอนาถานะ้เป็นคนอนาถาเลยได้ไปอยู่แล้วพระอาจารย์เดียวเขาเดี๋เดินหน้าไปเขาชิโอนก่อนแล้วเดี๋ยวพอเขาเปิดเพราะตอนนี้ก็เสิร์ฟดูตลอดเขายังปิดวัดกันอยู่เลยพระอาจารย์ <c oughs> ก็เลยเดี๋ยวไปเขาชิโอนก่อนนะอาจารย์จองเวลาเรียบร้อยชิโอนนี่ไม่ถือว่าเป็นอนาถาถือว่าเป็นไฮโซนะโอ้แต่ปิดไฟนะพระอาจารย์ <c oughs> ไม่ได้เคยเปิดแอร์นะคะคือปิดไฟไม่เปิดแอร์คือทำทำตัวเองให้แบบไม่ไม่ให้มันแบบเตรียมพร้อมนะะ แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะนั่งในสัญชิกต่อนะคะอาจารย์เพราะว่าคราวที่แล้ ว, วนั่งแล้วมันไม่หลับคืออยากจะเอามั่นใจแน่ๆ แ, แต่จะไม่คาดหวังนะอาจารย์นั่นคือจะทําเหตุก็คือจะทําแค่สมาธิแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ไมไมหนอนก็คือจะท่านั่งเดีด๋ยววัน<ด>นี้จะทําต่อ <จา S 1> แล้วเราจะมารายงานเขาหน้ า, ถาถทําไปเรื่อยๆไม่มีอะไรคะท่านต่อไปคุณแนนจากอุดรเขาไม่มีคําถามเพราะท่านสายเข้ามาไม่เคยถามแนน ค่ะสาธุค่ะวันนี้ไม่มีคำถามค่ะแล้วมีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างไหมสั้นๆปฏิบัติไปยังไงแทนยัยแล้วปฏิบัติดีค่ะเพราะว่าตั้งแต่เข้าสู่มาค่ะก็เคยทําเหมือนพี่คนหนึ่งที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่ว่าทําวันพุธให้เป็นวันพ้าค่ะแล้วก็มาใส่บาตทุกวันพุธเลยค่ะทุกวันที่แต่ก่อนนี้คือจะไม่ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้คือ ตั้งแต่มีซูมก็คือไปใส่บาตรทุกวันพุธเลยค่ะก็ไปใส่ที่วัดไหนต่อตอนก่อนหน้านั้นหนูไปใส่วัดป่ากกสะท้อนค่ะอ๋อใกล้มาไหม่ค่ะไม่ใกล้ค่ะบ้านหนูอยู่ในเมืองค่ะก็กกสะท้อนกับวัดบามรวัดตาก็ใกล้กันใช่ค่ะวัดกกสะท้อนกับวัดบามรวัดตากใกล้กันวัดกกสะท้อนวัดเล็กหน่อยใชมันคนน้อยหน่อใช่ค่ะใช่ค่ะแคนเยอะใช่ค่ะ แล้วพอดีโควิดโควิดเข้าที่วัดกะทนหนูก็เลยได้มาใส่ที่วัดป่าบ้านจิตค่ะวัดของหลวงปู่ทิ้ง<ะ>ใกลสนามบินนิดหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คืออยู่ใกล้บ้านเลยค่ะค่ ะ, ะก็ได้ไปตลอดค่ะก็ะได้ไปด้วยวันพุธทา่ทานก็ทำไปท่านยังมีกำลังมีกง น, นมีทองอยากเาเงินไปซื้อตามความอยากของคิณเลยทํ<ะ>เาเงินไป ไปซื้อบุญดีกว่าไปซื้อรูปสียงจินวัตเศษมันเป็นบรรยาเศษ ไ, ไปทำบุญนี้เป็นบรราอาหารใจอาหารทิพย์ของใจค่ะดีดีดีขึ้นมากๆค่ะนิ่งขึ้นมา ก, มากค่ะเหมือนคุณพี่คนเมื่อกี้เลยคะ่ะว่าแต่ก่อนนี้อ่านก็คือไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะ แต่ว่าพอพอพ อ, พอมีค่ะอาจารย์ก็ทําให้เรามีหลักในการที่ว่าเราจะไม่ทํำบาปอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราจะอยากทําแต่ความดีอย่างเงี้ย ค, ค่ะดีมากค่ะแต่ก่อนก็ค่ะขอบคุณค่ะท่านต่อไปชื่อธีราพัฒนแต่ไม่ทราบว่าเป็นชื่ออนไรลืมเวลาใส่บาตรจำไม่ชื่อาาา อ, อ้อมอ้อมค่ะแล้วราชการค่ะ มาเข้าฟังเฉยๆก็มาจ้าใชอเคค่ะไปที่พุรุดาพุรุดาอยาสัการักกค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะรับอาจารย์จองที่บ้าไม่ได้เลยจองแล้วค่ะได้ยได้แล้วค่ะยี่สิบห้าค่ะถึงสามเ็วันเหมือนเดิมนค่ะครัอาจารย์แล้วคนที่บ้านก็ไม่งเกาเลย เรทิ้งเ่คนเขาเขาอยู่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่เหงาค่ะเขาคือพอเราไม่อยู่เขาก็มีคนอื่นมาอยู่แทนใช่ปะไม่หนุมไม่รู้ค่ะไม่มีอถ้ามีแล้วเป็นยังไงรู้ไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่ไม่ได้คิดเลยค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดมีขึ้นมาจะทำยังไงเราก็ก็ ก็ก็ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนะก็อยากไม่รู้แล้วแต่อันนี้ก็ไป็นข้อสองค่ะถ้าถ้าก็แล้วแต่อะไรจะเกิดก็เกิดอ่เพราะหนูเลือกที่หนูจะไปก็อย่างมันนีจันนะไม่มีอะไรแน่นอนอันนี้ไม่ไม่ได้ไปว่าใครนะเพียงแต่พูดให้ฟังตามหลักธรรมว่าเราต้องคิดให้มันทุกแง่ทุกมุมค่ะอาจารย์เราจะได้ไม่เสียหลักเป็นนั่งมวยต้องปิดทุกช่อง นะเขาต่อยหน้าก็ต้องปิดเขาต่อยท่อก็ต้องปิดต้องปิดเหมือนไม่ใช่ที่เพราะเขาไม่ต่อยหน้าเราเราปิดแต่ท่อเดี๋ยวแต่ต่อยหน้าเราน็อกเลยน็อกเลยก็เคยคิดอยู่เหมือนในแต่ไม่บ่อยอ่ะค่ะก็คิดว่าถ้าก็คิดได้นนี้มันเป็นเป็นเรื่องปัญญาอานิจจังเพี่ไม่ได้คิดเพื่อที่จะไปไปว่าเขาหรือไปคิดร้ายต่อเขาหรือะไร แต่๋วเราต้องคิดว่าธรรมชาติของคนมันก็ยังไม่แน่นอนมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ไเขาเคยเค ย, เคยบอกว่าให้ทำไปก่อนเดี๋ยวเผื่อต่อไปเขาจะทำอย่างนะะาี้ค่ะเขาพูดได้พูดช่า <laughs> งอาจจะทำด้เขา อ, อาจจะบอกออไปบ่อยๆดีแล้ว <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> ไม่ไม่ไม่ไม่เจอเหมือนกันว<ด>่ะอาว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของที่เคยเค ย, เคยกินจะมันขาดไม่ได้พอขาดร้านนึงมันก็ต้องหาร้านใหม่กิน <S <S ข่าพาจ้าเพราะอาจารย์ค ะ, ะถ้าถ้าถ้าเราเราเคยนมิตรเห็นแบบกคงกระดูกแบบเนี้ค่ะแต่ว่าพระอาจารย์เคยบอกว่าเอามาใช้พิจารณาได้ใช่ไหมคะก็ พยายามนึกมันบ่อยๆพิจนารณาล้านึกบ่อยๆให้มันอยู่ในใจเราเพอเราเห็นร่างกายใครก็เห็นโครงกะดูเขาเลยหรือว่าเราไปเมียแต่ว่าอะไรกับใครอย่างเงี้ยเราก็เอาทุกอย่างได้หมดใช่ได้ค่ะ<ช>แต่ทีเนี้ยมันเคยมันเคยเห็นเป็นทั้งทั้งทั้งโครงเลยกับเป็นบางส่วน ก็เราพยายามกำหนดให้มันเห็นทั้งโครงเลยจะได้ครบถ้วนแล้วจะบางทีก็จะแยกครับกลายเป็นกองกระดูกขึ้นมาก็แสดงว่าคนตายเนื้อตอนที่เขมรเนี่ยเวลาตายเนี่ยก็กระดูกมากองกันไปค่ะตอนนี้ตอนนี้เห็นเป็นเป็นแบบนั้นอยู่ค่ะทั้งตัวแล้วมันก็ลงมากองแต่ว่ามันมีบางครั้งอ่ะเคยมันเห็นเป็นแตกเฉพาะกระโหลกบ้างกระดูกสันหลังบ้างก็เลยคิดว่า เออเราคนทําแบบไหนแต่ว่าที่ทําอยู่ให้มันกลายเป็นให้มันกลายเป็นเศษกระดูกไปเลยก็ได้ตอนไหนเวลาไปเผาเผาในเตาเวลาเก็บกระดูกตอนเช้าหลัอจากเผาแล้วลมันก็อืมเจ้าค่ะเ๋ยมันดูได้หลายลักษณะลักษณะว่ามันมันต้องมีวางสิ้นสุดของรนะ่างกายถ้าไปก็การเป็นเศษกระดูกทิ้เท่าเก็ไปลอยอัคารนี่นะ กำลังทางอสุภะกำลัง เ, เงเห็นโค้งกระดูดเดินมาแล้วนะเราคุยกับโคงกระโดดอยู่นะเน ต, ตอนนี้เราลังคุยกับโคงกระโดดอยู่นะอืาวพระอาจารย์โดจะฉพาเวลาเห็นใครดูดหลอ่อน่ารักน่าชื่นชมเนี่มองเห็นว่าเราก็ชื่นชมโค้งกระดูดเขานะอืออะไรทำลอง เ, เนี้ยถ้าตัด สั่ความรักไข่ในร่างกายของผู้ร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้าเราคิดว่าร่างกายเราสวยงามก็นึกถึงโคลนดุกที่มันอยู่ขใ น, นด้วยตอนนี้จะเห็นจะนึกถึงตัวเองได้บ่อยกว่าของกว่าคน <c oughs> อือ่นนะคะก็ต้องดูของคนอื่นด้วยพระเจ้าบอกดูภายในแล้วก็ต้องดูภายนอก <c oughs> แล้วต่อไปก็ต้องดูทั้งกายนอกภายในพร้อมๆกันไปเลยเขาก็เป็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่าง เวลาดูคนอื่นอะ่ะมันจะจะจะมาตอนที่เวลามีมีเหตุการณ์หรือมีมอะไรแต่ถ้าอยู่เฉยๆส่วนีหญ่จะถ้าไม่มีเรื่องก็ไม่ไม่ไม่ไม่ ไ, ม ไ, มไมคิดถึงแแต่เราคิดได้ใช่ไหมค่ะหมายถึงว่าอ๋อค่ะค่ะ่นี่มันเห็นทุกเวลาอะไก็ได้ค่งนข้างเห็นใครนี่ก็เป็นตายเอกเลกับซูเปอร์แมนเนะี่ยซูเปอร์แมนทำ้าเอ็กซ์ยไม่ า, <laughs> มมาเป็นข้งขางคราวอยู่คะ่ะยังไม่ได้เป็นมองทะลเข้าไป สแกนก่อนเลยเป็นซีทีเป็นเครื่องซีทีเห็นกายเพิ่มสแกนเลยตั้งแต่ตศีรษะลงไปถึงพื้นเทาวเลยเห็นกระดูกหนึ่งเพิ่มยืนอยู่มีหนังอุ้มหอมีอวัยวะต่างๆหนึ่งภายในตอนที่เรื่องแฟนะไม่เคยคิดเรื่องเรื่องว่าเขาไม่คนอื่นแต่เคยคิดเรื่องถ้าเขา ตายหรืออะไรค่ะเพราะว่าเขาเคยแบบมันเลือยกำเดาไหลแล้วทีเนี้ยไปไปรักษาแล้วมันก็ยังไหลทะลุทะลุออกมาเลยแล้วต้องคิดให้มันรอบคอบทุกทุกประเด็นมันจะได้เตรียมรับได้เวลาล้าเกิดมันเกิดขึ้นเราก็ไม่ยากมันเกิดขึ้นเราก็ร้องแล้วเราก็เชื่อเขาแต่ทาวิญญาทางวิญญามันมันไม่ไม่เชื่อใครแน่มันเชื่ออันนี้จังมากกว่า แล้วแล้วแล้วก็เห็นเขาเป็นไอเรื่องดาวอะว่าน้ ำ, นำ อ, อะธาตน้ําอย่างนี้ค่ะเราก็เหมือนกันแบบเนี้ยเ้วก็ตั้งสติได้แล้วก็ไปโรงพยาบาลก็ก็ไม่รักษ า, าไปค่ะเ<า>ถ้ายัางดูแลกันแล้วรักษาได้ก็รักษาไปแต่ถ้ามันจะอยู่ท้ายใจก็ก็เป็นเรื่องของมันไปค่ะอ า, าจารย์ก็คิดให้รอบด้านาให้รอบครอบปัญญามัน นอกมปัญญานี่สามารถมองทะลุ ท, ทุกอย่างได้แสงสว่างดวงอาทิตย์ยังไม่สามารถมองทะลุส่วนที่เป็นของทึบของหนาได้แต่ปัญญานี่สามารถมองนอกของทุกอย่างได้หมดอมค่ ะ, ค ะ, คะอาจารย์ทีนี้เรียกว่าปัญญาแต่ยังเห็นเพียงบางส่วนก็ใช่เงยังเห็นไม่ชัดเจนคในความเป็นจริงของสิ่ ง, งต่าง ได้ค่ะทั้งเขาทั้งเราเราเอราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้้อาจจะวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้คิดอย่างนี้ ใ, ให้มันทันให้มันทันสมัยพระเจ้าบอกหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกก็ไม่หายใจเข้าก็ตายมันอยู่ัอยู่ที่ลมหายใจนี่ตามตาย ค่ะอาจารย์คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่ประมาณมันจะได้ปล่อยว่างทุกอย่างได้ค่ะแล้วก็ตอนทําสมาธิเราก็ทําไปแล้วทำสมาธิก็ไม่ผิดใจนะแล้วการดก็สงบได้เวลาทำให้มันสงบนานๆนี่แต่เวลาไม่ได้ทําสมาธิถ้าคิดว่าสติเราดีพอไม่ต้องไปเจริญสติแล้วก็เจริญปัญญาแทน อืมค่ะไม่ไม่ไม่ไม่ฟุ้งไปเรื่องอื่นค่ะเพราะเพราพ อ, อพ อ, พ อ, พ อ, พ อ, พอคิดคิดสักพักมันก็กลับมาบางทีก็กลับมาอยู่กับลมบางทีก็พุทโธเป็นระยะไปสติเราคุมความคิดได้ก็ให้มันไปทางปัญญาได้แถ้าคุมมันไม่ด้ปล่อยมันคิดแล้วเดี๋ยว่าไปคิดแล้วอนอ่นจะต้องหยุดมันอืมค่ะค่ะโอเคนะอาจารย์เข้าใจแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะ คุณไอโฟนสัตะกะเชได้ยินได้ยินได้ยินได้ยินชัดเจนวันนี้มารับฟังค่ะอาจารย์แต่ปฏิบัติสามอย่างก็คือทานสีดแต่ตอนนี้กำลังเริ่มภาวนาค่ะภาวนาก็คือเริ่มเริ่มฝึกคือเช้ากับเย็นตลอดนะคะค่ะแล้ก็ค่ะแล้วก็เริ่มหัด สิงแปดอะคะออ่ะก็ได้ถ้าคิดว่าถ้าเป็นสิงแปดอะค่ะมันเหมือนจใจจะนิ่งขึ้นคือพูดโทได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นสินห้ามันเหมือนว่าอย่างวันนี้ค่ะถือสิงแปดแล้วก็เลยปิดหมดไม่รับอะไรนอกจากดูยู u ูบฟังธรรมบ้าจาร์แล้วก็พอเสร็จล้วก็เดินพูดโทพูดโทจะเข้าได้ง่ายอะคะ่ะแล้วก็เหมือนจิต<อ>นิ่งกว่าปกติ ได้สินแปะนี่มันช่วยควบคุมเกล็ได้ดีขึ้นค่ะไม่ใช่ไจะออกไปทางตาหูจะหมุกเล่นกาก็ได้สินห้ามไม่ห้ามอยากจะดูอะไรก็ดูได้อยากจะกินอะไรอยากจะดื่อะไรก็ได้ค่ะค่ะวันนี้มารับฟังค่ะคือที่ไหนนะนึกนะยูชยใช<ค>่หน้าในชะ่หน้าค่ะค่ะพยายามพยายามปฏิบัติไปศึกษาแล้วต้อต้องนำลงไปปฏิบัตินะ ปฏิบัติทุกวันแล้วจะได้ข้าวหน้าค่ะยินท่านต่อไปคุณยินดีวันนี้ว่าวันตะกุบุนเป็นยังไงจากเซฟแคลา ร, ร์ลายนะ่าฝาดฝาดไหมสิยังไม่เป็นช่วงนี้มิซาเป็นไรค่ะเน็ตบนทีมันก็ตะกุบุกค่ะอ่สัานไ ด, ได้ยินนะเดวิดฝากกับ สวัสดีท่าก็เหมือนเดิมค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนานๆอ า, นนานจารย์ลดภโลนใจให้ลูกและนานเ น, นี่ยอาจารย์ค่ะเออมีคําถามหนึ่งคำถามด้วยความที่ว่าเราคุยกับเพื่อนบ้านนะคะพอดีเพื่อนบ้านเขาถามว่าเออการนั่งสมาธิเนี่ยเวลาเขานั่งเนี่ยเขาบอกเขาไม่สามารถที่จะหลับตาได้แล้วหนูก็เลยบอกว่าก็ลองพยายามเขาบอกว่าเขาเขาหลับไม่ได้ก็บอก เขาบอกเขาหลับไม่ได้แล้วหนูก็พอคุยกับเหมือนเขามีความรู้สึกเหมือนเขาจะเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่าเขามีอยู่วันหนึ่งเขาบอกเนี้ยค่ะเขาบอกเขามีอยู่วันหนึ่งเขาเขาไม่ได้หลับตาเขาลืมตาพอลืมตาแล้วเขาก็มองมองมองไปที่ต้นไม้ค่ะแล้วเขาก็ฟิกอยู่ที่นั่นเขาฟิกอยู่ได้นานเขาบอกเนี้ยเป็นครั้งแรกเขาบอกเนี้ยเขาเป็นครั้งแรกเพราะหนูบอกก็ก็ลองอ่ะหลับไม่ได้ก็ก็ลืมแล้วกัน แล้วก็อย่าไปไหนนะหนะูหนูหนูลบอกเขาอย่างเงี้ยค่ะว่าแล้วอย่าไปไหนให้ให้ให้ให้ให้ตั้งใจแล้วก็เอาใจให้สงบแล้วก็อยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าเขาเขาลองดูแล้วเขาบอกว่าวันนั้นอ่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาสบายอ่ะเขาบอกเขาสแล้วเขาสบายแล้วเขาว่างอันอันนี้มันใช้ได้ก็ได้ก็เป็นสมาธิแต่ยังไม่สติยังไม่ไม่ยังไม่เต็มที่ถ้ามันหลับตาได้มันจะเข้าไปเรด้กว่านั้น และการที่หนูก็มานั่งคิดนะคะว่าเดี๋ยวหนูก็จะลองถามท่านอาจารย์นะคะว่าที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องไหมแล้วหนูก็มานึกในใจว่าถูกต้องก็มีสติมีสติช่องดูต้นไม้ก็ได้แต่เขาบอกว่าเขาว่างเขาบอกว่าเขาสงบแล้วเขาบอกใจว่างใจสงบก็ได้มันมีหลายระดับนระดับที่มันยังสัมผัสกับรูปเสีงกลิ่รสอยู่ครับระดับที่ไม่สัมผัสรูปเสีงกลิ่นรสเลคนลระดับกัน พราหนูบอกเขาว่าจะให้มองให้มองได้แต่ให้ปิดหวบนะคืออะไรอะไรอยูก็ต้องนอนก็ทํานี้ไปก่อนก็ได้แล้วต่อไปพอมีสติมากเขาเขาก็จะหลับตาได้กทั้นต่อไปถ้าว่ายูอยากจะให้สงบให้ว่างอ่ะเนี่ยยูหลับตาแล้วก็ดูลองแทนต้นไม้ค่ะแล้วการที่เขาหลับตาถ้าเกิดเราเขาบอกว่าถ้าเกิดเราบอกให้เขาหลับตานั่นหมายถึงว่าให้เขาให้เขาให้ให้เขาฟิกภาพ ไม้หรื อ, อยังไงคะไม้ก็าาให้เปลี่ยนเป็นดูลมแทนดูลมที่ปาจ ม, มูกหรือถ้าเขาอยากจะฟิกเอาภาพต้นไม้เข้ามาในใจเขาก็ได้ได้สองวิธีแล้วหนูก็มาคิดอีกทีกนะคะว่าถ้าอาจารย์การที่คนเราแบบลืมตาเนี่ยเละมันคนเราเนี่ยค่ะมันมีคำว่าใจลอยใจหมืออันอันนี้มันเหมือนไม่ไหมถ้ามีส<ม>ติมันไม่เหมือน ร่างใจลอยมันมันเมืเม่อร่าใจมันคิดเรื่อยเป่อยไปไม่รู้คิดตั้งอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่กับภาพที่เห็นไม่ได้แต่ั้นมีสติอยู่กับภาพที่เห็นร่ใจไดจม่ลอยอย่างนี้อ๋อค่ะคือความแตกต่างคือหนูจะได้บอกเ้าถูกป่ะคะว่าอย่าง<ค>นน<ม>ี้นก็คือมองไปแต่ใจคิดเรื่อยเปิยคิดถึงอะไรก็ไม่รู้ตาก็เห็นอย่า ง, งแต่ใจอาจจะไปคิดถึงอดีถึงปัจจุบันถึงอะไรร้อยแปดค่ะ แต่ถ้ามีสติเจ้าอยู่กับสิ่งที่เห็นถึงอย่างเดียวไม่ไปคิดอะไรเก็เรียกว่ามีสติค่ะอ๋อค่ะค่ะหนูจะได้บอกเข้าถูกค่ะว่านี่คือความแตกต่างระหว่างใจลอยใจลอยใจมันก็คิดไปเรื่อยๆการกระแสอารมณ์ของมันมองต้นไม้นลอาจจะคิดถึงสมัยก่อนเคยเห็นต้นไม้ชนิดนี้อยู่ที่นั่นที่นี่อะไรนี่ก็เหนือยลอยแบบนี้ค่ะค่ะท่านอาจารย์ค่ะ ขอพอบคุณมากรายการท่านอาจารย์หนูจะได้แบบให้เขากระจ่างได้ค่วะว่าเขาทาถูกหรือไม่ถูกแน่ใจว่าเอ้ตกลงมันไอ้ใจเหม่อเ อ, อ้ยลื่นเราไปบอกเขาผิดหรือเปล่ามันหรือเขาเหม่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบถ้าไม่คิดก็ไม่เหมอถ้าคิดก็ถึ้งกันหมดถ้าใจ อ, อยู่กับภาพที่เห็นเพียงอย่างเดียวก็ไม่เค่ะค่ะท่านอาจารย์ค่ะขอพอบคุณมากรายการท่านอาจาจะได้เผยแพร่ธรรมะพระพุทเจ้าให้กับคน ที่เขาไม่รู้จักคเข้ามาถามมาคุยแล้วเรื่อว่าเขาเขาเคยปฏิบัติต้อยเองไหขาเขาเขาไม่ได้ค่ะเขาแบบเขามหนูไม่ความรู้สึกเหมือนเขาแบบเขาวุ่นวายใจอ่ะค่ะพอเขาวุ่นวายใจแล้วหนูก็เลยบอกว่ายูอยู่รู้จักคําว่าจะมาที่ไหมเขาบอกเขาเคยได้ยินแล้วหนูเลยบอกว่าแล้วยูเคยลองไหมเขาบอกว่าเขาไม่เคยลองหนูก็เลยบอกว่ายูก็ลองดูซิ หนูก็พูดเนี่ยว่าถ้าอยู่อยู่ไม่ลองแล้วอยู่จะรู้ไหมยู่ก็ลองดูแ ล, แล้วกันแล้วก็แล้วก็บอกว่าเขาทําไม่ได้เพราะเขาหลับตาไม่ได้หนูก็เลยแบบอ่ะยูหลับไม่ได้อยู่ก็ลืมตาแล้วกันอยู่ลอง <c oughs> ดูลองดูหนูหนูก็เลยบอกว่าอยู่ลองดูถ้าอยู่ไม่ลองอยู่ก็ไม่รู้อยู่ก็ลืมตาแล้วยูก็มองไปแต่ยูให้ปิดหนูก็เลยบอกว่าแต่อยู่ปิดนะอยู่ปิดหูอยู่ปิดเออ กลิ่นถ้าเกิดกินอะไรมาสัมผัสอยู่ก็ไม่ต้องสนใจแล้วก็อยู่เอ่อเสียงรูปเสียงกลิ่นรสที่ว่าสบสัมผัสทั้งห้าค่ะห้าเซนค่ะหนูบอกว่าให้ปิดแต่ยูปิดตาไม่ได้ในเมื่อยูปิดตาไม่ได้ยูลืมตาแต่ยูเหมือนปิดตาก็คือหมายถึงว่าให้ยูฟิกอย่างนั้นเท่านั้นแล้วก็ยูก็ไม่ไม่ต้องใส่ใจอะไรทั้งนั้นแล้วยูก็มองยูไปเรื่อยยูอยากมองอะไรยูมองไปแล้แต่ยูห้ามขยับตาไปไหนนะยูก็ยูก็อยู่ในรักษณะแบบนั้นแหละ แล้วยูก็ลองดูแล้วเขาก็มาบอกหนูอ่ะค่ะสองวันต่อมาแล้วเขาบอกว่ายูมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยไอ้ปิกต้นไม้เพราะว่าไออยู่ข้างนอกไออยากรู้วที่อยู่พูดมันเป็นยังไงไอก็เลยลองดูเขาก็เลยบอกว่ามันแปลกมากเลยในชีวิตของเขาเขาไม่เคยเจอแบบนี้แบบในลักษณะที่ว่าเขาสามารถแบบอยู่ได้แบบ สงบแล้วมันมันว่างเขาบอกเนี่ยเขาเขามีความรู้สึกดีมากเลยหลังจากเขาทําเสร็จแล้วอะค่ะเขาว่างเขาเขาว่างมันหนูบอกว่าอยู่อยู่อยู่รู้สึกยังไงยู่ฟีเขาบอกว่าหนูเลยบอก empty ไหมเขาบอก empty แบบมันว่างอะค่ะเขาบอกเขาว่างเขาไม่ได้คิดอะไรหนูเลยบอกว่าน่ถ้าถ้าอยู่มีความสบายแล้วอยู่สงบไอคิดว่าน่าจะถูกนะแต่ดังนั้นเดี๋ยว เดี๋ยวไอ้เช็คก่อนนะเดี๋ยวไอ้ต้องเช็คอาจารย์ท่านก่อนนะเพราะหนูกลัวปิดนะครับก็ทําได้ครับวายเขาทำบ่อยๆเดี๋ยไปเดี๋ไปนั่งดูทีวีก็นั่งดูทีวีแล้วใจมันต้องคิดไปกับภาพที่เห็นถ้าดูภาพภาพตรงมาภาพเนี่ยมันไม่ต้องมันไม่ต้องคิดอะไรต้องบอกเขาครอบว่าที่เขาได้ผลเพราะเขาไม่ไปคิดอะไรนะถ้าเขาคิดแล้วดูด้วยกันมันไม่มันจะไม่ไม่ว่า ค่ะหนูจะได้บอกเขาว่าอันนั้นคือคือคือการที่อยู่ใจลอยออถ้าถ้าอยู่ไปในลักษณะนั้นก็คือใจอยู่ลอยออแต่ถ้าเกิดอยู่มาในลักษณะาานี้ก็คืออยู่ถูกต้อง<ต>หนูจะได้บอก<ห>ต้องการให้ใจแน่ก็ไม่จีดอะไรให้จริงอยู่แลัวแล้วให้รู้แต่ั้งต้นไห้อย่างเดียวค่ ะ, ะพอดีห น, น, นูเห็นเขาแล้วแบบคือเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็อยู่คนเดียวแล้วหนูพี่มันรู้สึก มันเจ้าท่าแต่หนูก็ไม่ค่อยกล้าเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาหนูก็อยู่หนูคนเดียวนั่นหนูก็ไม่คล้าคุยกับใครแล้วเขาถ้าก็อยากจะฟังก็คืนมาคายให้ก็เข้ามาในภาษาอังกฤษใช่ไหมปัญหาคือเขาเขาทํางานนะคะอาจารย์ค่ะไม่งั้นหนูก็จะบอาดูย้อนหลังให้เขดูย้อนหลังได้ค่ะค่ะท่านพระอาจารย์ค่ะให้เขาเข้าไปในเพจภาษาอังกฤษรู้จักใช่ไหมหน้าภาษาอังกฤษค่ะให้เขาเข้าไปด ว่าคน้องคูยก็ยังสมาธิเป็นยังไงครับแาเพค่ะค่ะลูกขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์ขอบอาจารย์สุขภาพแข็งค่ะใช่ใช่เดียวกันคุณอ้อมจะบอวินคุณอ้อมการนัดมาสการ์ค่ะพระอาจารย์ไม่มีค่ะ ให้มีคำถามจะไปดูอีกไหมไปซื้อความคุยไหมไม่ต้องนะไปคุยนะไปค่ะเดี๋ยวมีพี่ที่ทํางานไปด้วยเนี่ยค่ะเขาก็สนใจค่ะแต่ต้องแยกกันอยดีนะใช่ค่ะคนละหลังค่ะคนละหลังแล้วก็ไม่ติดต่อกันนะค่ะใช่ค่ะจะอยู่คนละหลังมาเดินมาเยี่ยมกันบ้อ๋อไม่ค่ะก็ก็ทราบกดที่นั่นดีค่ะว่ะต้องการให้ไปปีกนี่เวให้ไปอยู่คนเดียว ค่ะโอเคไม่มีอะไรนะค่ะคุณวิรัยพรจากที่ไหนเลยจำไม่ได้นะเก่าเนื้อมาตการค่ะพระอาจารย์จากกรุงเทพค่ะพุทธมณฑลสายสองค่ะพระอาจารย์อ่ามีอะไรไหมก็จากจะสอบถามพระอาจารย์จากครั้งที่แล้วอะค่ะที่บอกว่าถ้ามีคนงานแล้วเราขอบอกว่า ให้เขาอยู่ที่ให้ช่วยที่เราแต่ว่าห้ามห้ามมาค่าสัตว์ในในที่เราอ่ะค่ะแต่ปรากฏว่าเขาไปขออนุญาตแฟนแฟนแล้วก็แฟนเขาก็เลยกลับมาหาหาลูกอะค่ะแฟนเขบอกว่ามันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านยังไงเราเราไม่สามารถไปห้ามเขาได้ถ้าเขาอยากจะเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็เพื่อค่าเพื่อดำรงชีวิตเขาเราก็ต้องปล่อยให้ให้เขาทำแต่โยมบอกกแฟนบอกโผเกิดมาโยม แทบไม่เคยค่าสัตว์เลยแล้วให้เขามาค่าอยู่ในที่เรายมรู <c oughs> ้รู้สึกว่าโยมไม่ไม่มีความสบายใจยอย่างนี้โยมควรจะโทรศัพท์กลับไปหาลูกน้องอีกไหมคะว่าขอว่าหรือว่าเราควรจะบอกเขาว่าถ้าถ้าคุณจะทําคุณก็ให้ไปทํานอกเขตที่อย่างที่พระอาจารย์แนะนําอะค่ะคือต้องคุยกับสามีเกันก่อนเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีปัญหากับกสามีคุณเองอสามีเขอนุญาตแล้วแล้วเราอย่างไป เปลนคำสั่ขงของสามีเข า, าไม่ได้ใช่ไหมคะยอมกลับวบาปนะคะพระอาจารย์ถ้าบอกว่าความจริงมันเที่ยวเราเราเราเราสามารถที่จะห้ามได้วัดก็ยังห้ามได้แต่เราห้ามให้เขาไปทำที่อื่นไม่ได้ว่าไม่ใช่เป็นสิทธิ์ที่ของเราที่ของเรานี้เราห้ามได้เวลาห้ามให้คนเข้ามาขรอบครองเราได้ไม่ได้ ค่ะเขามาเข้ามาฆ่าสัตว์ในบ้านของเราได้อืมค่ะพระอาจารย์แต่ถ้าถ้าสามีเขาไม่ยินยอมเขาจะปล่อยเข้ามาแต่แล้วไปอย่ากไปมีเรื่องกับสามีก็แล้วกันแล้วเราจะบาปไหมคะเราไม่บาปหรือเปล่าแต่ว่าเราเปิดโอกาสให้คนทาบาปทาบาปได้ง่ายขึ้นแล้วอย่างนี้ถ้าเรายมก็คิดในใจว่าถ้าโยมไปไล่สมมติว่าเขาเขาจะฆ่าไก่ตัวนี้โยมไปบอกเอ้ยเอยมขอซื้อชีวิตไก่ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ย ก็ก็เราก็ไม่สามารถทําได้อะคะ่ะใช่ไหมคะพระอาจารย์มันจะเสียใส่ลูกน้องเขาก็จะจะค่าแล้วเขาก็จะบอกเราว่าเท่าไหร่อะไรนี้ปะคะเราเร า, เราไม่ก็คงอย่างงั้นนะเราตอบก็ไป้ต้องซื้อไก่มาอะ <laughs> ไรย่างเงี้ยใช่ต้องไม่ ท, ำทำมํายังไงะอะค่ะพระอาจารย์ <c oughs> เดี๋ยวโยมค่อยๆหาวิธีคะ่ะใชอย่างว่า ปัญหาตนนี้ไม่ใช่อยู่ที่คนนอกอยู่ที่คนไนที่ใช่ค่ะพระอาจารย์ใช่ตรงนี้ไม่ตรงกันนี่ก็พูดกันลาบากนะค่ะพระอาจารย์ั้นเราเรต้องยึดหลักสามย้อนยอมหยุดยอมหยุดเย็นค่ะค่ะพระอาจารย์การมเกิดมันไม่ใช่เลยแต่กรรมไม่เกิดกับเรากรรมมันเกิดกับผู้ที่กระทํำใครทำใครทำกรรมมันใดไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั่นได้ค่ะพระอาจารย์เราพยายามที่จะช่วยเขาแม่ทําบา แตเมื่อเขาอยางฝืนเขาอยากจะทำํำเราสามีเราไม่ยินดีที่จะสนงสนรก็ช่วยไม่ได้ <c oughs> ได้ค่ะพระสนมีเขาบอกว่ามันเป็นวิถีชีวิตของของชาวบ้านเขาเขาต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยโยมถ้าถ้าถ้าถึงวันนั้นจริงๆโยมจะพยายามค่อยๆตกล้มลูกน้องค่ะพระอาจารย์ยแต่ว่าจะไม่มีปัญหาไขขึ้นแล้วนะค่ะพระอาจารย์ <c oughs> เพราะว่ากว่าเ ข, า, ขาจะมาทําที่ก็น่าจะประมาณตีหน้าค่ะ จะค่อยๆค่ะพอาจารย์ค่ะกลับนมัสการถ้ามันทำอะไรไม่ได้ก็เฉยไปก็้ค่ะพะอาจารย์นี่มันไปกลับองกล้องขั์ไปค่ะค่ะพอาจารย์จะจะพยายามค่ะโอเคนะกลับสาธุค่ะคุณมากาเชอยู่ที่ไหนโอเคอะคุณได้เลยครับนมัสการค่ะพอาจารย์อยู่ที่ไหน อยู่นาฬาที่ว่าเจ้าค่ะอยู่นาฬาที่บ้าก็การปฏิบัติก็ปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเวลาทาํ า, า, านื่งค่ะพระอาจารย์เวลาเดินทํางานทํางานบ้านอะไรลักษณะอย่างนี้ก็พยายามที่จะกําหนดสติเพราะว่าพระอาจารย์บอก ว, ว่าสติของเรายัางไม่เข็งพอดังนั้นก็พยายามค่ะพระอาจารย์ตอนนี้พยายามอยู่พยายามฝึกสติไปให้มป า, ปากกว่าก่อนนะ แล้วจะนำสมาธิได้ไง่ายหนูใช้เวลาเดินคอะเวลาออกกำลังกายหนึ่งชั่วโมงก็จะจะกำหนดลมที่ลมหายใจแล้วก็นับนับไปด้วยพูดโทหนึ่งพุดโทโสองอะไรลักษณะนี้ก็คือหมายถึงว่าอย่าให้หมายถึงว่านับเก้าสามสิบเก้าอา 39, อจารย์แล้วก็กลับสามสิบไปสามสิบอะไรลักษณะ น, นี้ก็นับแต่ แต่ก็ยังหลงค่ะพระอาจารย์ก็สติพอพอยสติปัานปั่นหลงบางทีก็พยายามฝึกไปถูกต้องแล้วอย่าปล่อยให้ใจคิดเรืลิกไปนะหลงคข้าให้มันอยู่กับพูดโทนอยู่กับการนับไปแล้วต่อไปสติก็จะมีกํำลังมากขึ้นมากขึ้นเลยแต่มันมีลักษณะอย่างหนึ่งมันแทรกเข้ามาค่ะพอาจารย์บางครั้งอ่ะมันพอไม่ได้หลังใจนั้นรู้สึกว่า มันร้อนอุ๊บๆนะปุ๊บมากขึ้นไปออยากแต่ไปองอย่ากทำไปอ๋อเกิดจากกิเรสหรือข้าอจันทร์อยากได้ผลแล้วมันไม่ได้ผลนั่นเขาเอกนอนอย่าไปอยากได้ผลอยากอยากได้ทำเขาขอขอให้เราได้พุทโธขอให้เราได้ทำไปส่วนผลจะได้น้อยก็ไม่เป็นไรตามตามเหตุตามไปวันนี้ได้ทำนี้ก็ทำนี้ขอให้เราได้ับทำแล้วกัน แต่ผลมันจะออกมาอย่างไรนี่มันซื้อว่าตถุอย่างจะให้มันถูกทุกครั้งมันอาจจะไม่ถูกไม่ถูกมันก็เสียใจใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ได้ไปหวังอะไรถูกก็ดีไม่ถูกก็ดีมันก็ไ ม, ม, ไม่มันก็ไม่เป็นปนัญหานะอย่าไปอย่าไปหวังผลหวังเหตุได้หวังเหตุก็คือขอให้เรามีสติอยู่กับอะไรที่เรากำลังทําพุโทพโธวุทโธนับแปลอะไ ก็คื อ, ก, คอก็คือต้องทำให้ใจของเราเย็นเยน็ยนสงบเยน็นใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ่าสมมติว่าเราไปพุ่งสร้างแล้วก็เราก็อารมณ์ก็จะพุ่งขึ้นมาก็ือเกิดการของของขอ ง, ของความพุ่งสร้างก็เกิดจากความอยากของเราอยากได้ผลอยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทำเหตุนก็ไม่ได้นะมาเราทำเหตุไปแล้วแล้วผลมันก็จะตามไปม เั้าใจนะค่ะสาธุค่ะที่ที่จนะังหวัดที่ว่านนี่อักษรย่อเป็นอะไรของจังหวัดนอทอค่บนอทอโอเ ค, อเคสาคท่านต่อไปอ่าอยู่ยไหนเ อ, อ่ยคุณอมคุณวัยพอน ะ, นะนอคุณประพันธ์คุณประพันธ์นะเชคุณประพันธ์คะมกรครับอาจา์ครับ ช่ดูได้หรือชัดเจนวันนี้จะสอบคำถามเรื่องกันทำทานนะครับอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะไปใส่บาตรทุกวันนี้ครับแต่ถ้าเราใช้วิธีเอ่จิตสติสวดมนต์แล้วก็เรว่าจิตสติแล้วก็นาแมงร้อยมาสวดไปเรื่อยๆแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆแล้วพอเรามีโอกาสเ น, นี้เราไม่ว่าจะทำทานรูปแบบไหนแล้วก็เงินที่เรากองเอาไว้สะสมไปจากการสวดมนต์เราไปทมทีเดียวไม่ว่าจะใส่บาตรหรือว่าไปงานศพ ใช่อะไรเงี้ยครับอย่างนี้ได้ไหมครับได้แต่ ว, ว่าต้องมันไปแตะมันพอเราถือว่าเป็นเงินทำบุญนะไม่ใช่ว่าขอวันไหนข่ายเงินในหะ้คอยยืมมันทำบุญไปใช้ก่อนนี้ไม่ได้เลยอ๋อไปเอาไปซื้อของนี่ก็ไม่ได้ถูกไหมครับคือเป็นเงินทำบุญแล้วถือว่าทำไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ให้เป็นของเราแล้วเอาไปทําบุญได้อย่างเดียวแค่นี้ครับก็ไม่อ<ๆ>เดี๋ยวมันจะมันเดี๋ยวมันจะลอกตัวเองนะ มันนี้ได้ทําบุญแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ขอยืยมเงินทําบุญมาแต่ใช้เรื่องต่องหน่อยซื้อบุหรีซื้อกขนมอะไรก่อนถ้าเราอยากจะทําบุญก็เราถือว่าทําให้มันขาดเป็นจากใจของเราไปเลยครับไม่ยึดไม่ถือว่าเป็นเงินของเราเนีก็แยกกอไว้ทำหากดีครับใส่กระปุกไว้ใส่กระป๋องอะไรไว้ได้อย่งัง อ, อันนี้ก็เหมือนกับ ก็เหมือนว่าเราทําทานบ่อยๆใช่ไหมครับแม่<ค>รเราได้ทำใหมันเป็นนิสัยไงได้ทำได้ทําทุกวันครับหรือถ้าเราจะให้ทําบุญไม่ได้ก็ทําทานก็ได้ทานเบื่อนอนก็ให้เข้าไปอันนี้ก็มีโอกาสาอยู่คุณแม่นี้เราก็นะครับเราก็ทําทำบุญคุณแม่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นการทําบุญอย่างทําทานกับคุณแม่อให้ผลไม้ให้ขึ้นดื่มแม่อะไรไปอย่างเงี้นะครับ ได้ง่ายอันนี้ก็เป็นการท ำ, ทำทรบุญการทำทานครับในแง่การทำทานครับระหว่างที่เขาว่าบุญกระถิ่นเป็นบุญใหญ่ครับหรือว่าการที่แบบว่าเราไปให้ความรู้หรือว่าเราเอาไปเอาธรรมะมาพิมแจกอย่างเงี้ยครับที่ว่าเป็นธรรมทานหรือว่าบางทีคนทำเราแล้วเร า, เราทำให้เราไม่ชอบเกลียดเขาแต่เราให้อภัยเขาเป็นแบบอภิญฐานพวกเนี้ยครับ ต่างเหล่านี้ครับมีมีความมากน้อยแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับคือทานมันมีอสี่ชนิดนะครับวัตถุทานคือการให้เท่าของเหมือนเท่าเนี่ยต่างเช่นให้ผ้ากรถิ่นี่ก็ถึงว่าเป็นวัตถุทานส่วนให้อภัยก็คือเวลาใครเขาทาให้เราโกดทําให้เราเสียหายเราก็ให้อภัยไม่ไปถือโทษก่อนเกินไม่ไปฟ้องร้องขึ้นล ง, งขึ้นสาลอะไรนี้แล้วก็ มีการก็คือวิทยาฐานเราให้ความรู้กับผู้โดยไม่คิดสัมเขาบางคนมาปรึกษาหรือมาเรียนวิชาอะไรบางอย่างจากเราเนี่ยาจะมีเด็กมาขอกดวิชาทางคณ <c oughs> ิตศาสตร์อะไรก็ให้เขาไปสอนเขาไปโดยที่ไม่เก็บตามเขาก็เรียกวิทยาฐาน <c oughs> แล้วประการสุดท้ายก็ธรรมฐานคือการให้ธรรมะ ทานทั้งหมดนี้รู้เจ้ากล่าวว่าการให้ธรรมะนี้เป็นเป็นทานที่มีประโยชน์ที่สูงสุดเพราะว่าให้ธรรมะที่สามารถดับควาทุกข์ใจได้ทานชนิดอื่นนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ดับได้ก็คือความทุกข์ทางร่างกายเป็นเงินทองและเชื่อมันเท่ากับบรรยากาศแคร์ได้วิชาความรู้ก็เอาไปใช้เพื่อเพื่อจะได้ธรรมะหากินได้รรมันก็ทางร่างกาย ส่วนอะไราทานนี่ก็ป้องกันไม่ให้เราไปทำร้ายผู้ร่างกายของผู้อื่นและก็จะได้ไม่มีโทษกลับมาที่ร่างกายของเราครับนี่กเ็เป็นเรื่องของทานในต่างๆ้สอบถามเรื่องการเจริญสติครับเอบางทีเราสวดมนต์อย่างนี้ครับอย่างบางทีเราพบปัญหาภาษาหรือรู้สึกเรากำลัง เ, เจอวิบากกรรม เรารู้สึกอ่าสิ่งเหล่าเนี้ยครับแล้วเราก็ไปสวดมนต์ด้วยความรู้สึก ว, ว่าถ้าเราสวดมนต์แบบบทพาหุงมหาการเงี้ยครับจะทําให้เรารู้สึกผ่านปัญหาวุตสาห์ไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าบดพูดชมคัปปะลิศอย่างเงี้ยครับที่เราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราสวดแล้วสมมติเราเจ็บไข้ได้ป่วยเรู้สึกดีขึ้นอย่างเงี้ยครับมันจริงไม่จริงครับอาจารย์ครับหรือเรื่องข้อกรรมนี่เราไปไปห้ามมันไม่ได้ที่เราสวดนี่เพื่อห้ามใจเราไม่ให้ทุกข์กับมัน เนื้อเือให้ทุกน้อยลงพอใจรู้สึกทุกน้อยลงมันก็เลยคิดว่าร่างกายดีขึ้นเพราะเราเห็นแต่ร่างกายความจริงที่มันดีขึ้นไม่ใช่ร่างกายคือใจของเราดีขึ้นความจริงความเจ็บของร่างกายนี้อาจจะเป็นแค่สิบเปอร์เซ็นตความเจ็บทางกายทางใจนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นตพอเราสวดมนทํทำใจให้สงบมันก็ลดความเจ็บทางใจลงไป ห้าสิบหกสิบเอร์เซนตมันก็ทําให้คิดว่าร่างกายความเจ็บทางร่า ง, งกายหายลงลดน้อยลงไปคืองความเจ็บทางร่า ง, ง, ง, งกายา จ, จะเท่าเดิมแต่ความรู้สึกในใจของเรารู้สึกว่าสบายขึ้นเนยอะอย่นั้นอาจจะเป็นเพราะสบายใจนั่นคลเข้าใจว่าการสวดมนต์นี้เพื่อบรรเทาความทุกข์ทางใจไม่ได้เป็นบรรเทาความทุกข์ทางร่างกาย กำาั ง, า, งายนี้จะมาสายเวลาสายหมอสายยารักษาไปก็เหมือนเคยได้ยินหรือเคยได้อ่านนี่ครับว่าอย่างสมเด็จพระนเรศวรมาลาชก่อนที่จะออกศึกเนี่นะมีการสรวจปวดเอาหูมากรอย่างนี้ครับในการลบทับกับศึกครับเก็เป็นการให้กําลังใจก็ได้กําลังใจให้มีสติให้มีสมาธิมันจะได้ตัดเตาความกลัวความอะไรออกไปจากใจได้ชัวช่วคราว ก็ณีการสวดครับอาจารย์ครับถ้าเราสวดในใจนี่ดีกว่าเราสวดออกเสียงไหมครับดีกว่าถ้าเราสวดได้เพราะว่าเพราะใจของเราจะได้ไม่ต้องออกมาทางร่างกายเราสวดง่ายใจสงบแต่ถ้าเรายังต้องใช้ร่างกายอยู่ใจยังต้องทํางานทํางานสองเท่าสวดในใจสวดสวดแล้วยังต้องใช้ปากด้วยทำสองส่วนแต่ถ้าเราสวดภายในใจแล้วก็ทําส่วนเดียว มันทางร่างกายแล้วก็ไม่ต้องทำใจก็ทำงานน้อยลงใจก็จะสงบมากขึ้นสว่วนตอก่อสิ่งครับมดคำถามแล้วครับอาจารย์ครับขอพระอาจารย์สุภาคแข็งแรงครับโอเคสารทุต่อไปคุณนันนะครับจากกรุงเทพนะคุณนันนะคับข่ากลาบนมัธยการจะฝากอ า, าจารย์ ค่ะตอนนี้อยู่เขาชีโอนเจ้าขาพระอาจารย์ค่ะเป็นย<า>ังไงบ้างดีไหมดีมากเลยเจ้าขาสงบสงบขึ้นเยอะเลยเจ้าขาพระอาจารย์แล้วก็ได้ลองออกไปเดินจงกรมนอกข้างนอกตอนที่มันมืดแล้วเจ้าค่ะก็ก็ทําพอทําได้เจ้าขาพระอาจารย์ลองเด็กเดิกดหน่อก็ได้ต่อไปได้ก็ได้ลองเด็กเด็กมันต้องอาจจเดินรอบเบียงหน่อยก็ได้ค่ะพื่อลงลงไปเดินที่ทางเดิน ค่ ะ, ะก็เห็นน้องกวางมาเยี่ยมด้วยเจ้าค่ะพ <laughs> <laughs> าจะมีน้องอย่ยมกันด้วยก <laughs> ็ได้เจค่ะ <laughs> วันนี้ลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะเข้ามากราบพระอาจารย์ขอกาลังใจเจ้าค่ ะ, <laughs> ะสติคือกำลังใจของเรานะาะค่ะพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆแล้วใจจะเข้มแข็งดจจะเป็นอุเบกขามากขึ้นเจ้าค่ะโอเคคุณฟางวไลเชนคุณฟางวไล อยู่ที่ยาชาตอนนี้ได้อยู่ที่งแรมอยู่ที่บ้านเจ้าค่ะตอนนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะมีแต่แม่แม่เขาเมื่อเมื่อปีที่แล้วที่เคยถามคำถามพระอาจารย์ผ่านทางหน้ากกติไปเรื่องของการที่ให้แม่เข้ามาน้อำำมนำธรรมอาคา่ะแล้วยัง ต้องอยู่ในหัวว่าพระอาจารย์บอกไม่ต้องไปเสือกตอนนั้นก็ตกใจแต่ว่าพอผ่านไปคือใช้วิธีการปฏิบัติให้แม่ดูแล้วก็แชร์ลิงก์ให้ให้แม่เขาฟังเรื่อยๆค่ะจนตอนนี้แม่เขาติดแล้วค่ะตอนนี้ก็ฟังอยู่จ้ะค่ะกลาวขอบคุณจ้ะค่ะอย่าไปยั่เยีดให้เขาได้าเ่ายังไม่พร้อมล้วก็าพร้อมนะเขาก็จะเข้ามาขอบคุณจ้ะค่ะ ที่คุณจรูนต่าคุณจรูนอยู่ที่ไหนอยู่ปนัดนห้คมนะครับเป็นคำถามอะไรไหมครับคำถ า, ามกาเกี่ยวกับการปฏิบัตินะครับเวลาที่ผมพิจารณาลมหายใจนะครับบางครั้งมันมันชัดอยู่ที่ดูจมูกแค่ข้างเดียวอะ่ะมันไม่ไม่ อ, ไไมอยู่ตรง<ม> ข้างเดียวก็ได้แล้วแต่ครับครับผมก็พยายามเอามันข้างเดียวก็ข้างเดีย ว, ยวไป อ, อะไรเงี้ยครับครับอีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเวลาที่อ่อเวลาที่กําหนดรู้สัมผัสลมหายใจครับแล้วก็หลับตาเวลาที่เวลาที่หลับตาเนี่ยก็มันมักคิดว่าน่าจะเป็นภาพภาพจากความคิดหรือว่าภาพติดตาตอนเราลืมตามนะครับอ่า ในขณะที่เร า, าพิจารณาลมหายใจควบคู่กันไปด้วยแต่ผมก็พยายามที่จะทํ า, ทาความรู้สึกให้ชัดกับลมหายใจไม่ไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ไปสนใจภาพมากนะครับยังไม่สนใจอะไรไม่นสนใจเลยมันเป็นภาพลวงภาพมายาไม่มีประโยชน์ลยไรมันจะมาะทำให้เราเสียสมาธิถ้าเราไปสนใจ ให้อยู่กับลมใบเพลงอยู่เวลานั่งสมาธิอะไรจะปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจเดี๋ยมันก็หายห่อไปเองครับถ้าเราไม่สนใจสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเราก็จะอยู่ชั่งนักตรงนั้นเพราะเราจะไม่ได้ภาวนาเราไม่ได้ดูมันแสดงว่าเราอยภาวนาแลนะครับอแล้วก็ตอนที่อนั่งทำสมาธิ พิซซ่าลมหายใจอ่ะครับบางทีก็น้าลายออกเยอะกข้าไปมันไม่เป็นไร <c oughs> มันจะไหลเข้าไปมันไหลไปไอย่าไปสนใจพอปพอเรานั่งเราไม่นัง่ไนงไปสนใจเรื่องง่างกายมันจะเองจะคันจะอะไรน้ําลายจะไหลเข้าไปมันไปให้อยู่กับลมใปเพียงอย่างเดียวครับขอบมากครับนะคนวันวันดีอยู่ที่ไหน ใช่คุณวันนัดีเปิดใหม่ได้ได้ยินไหมเปิดใหม่เห็นเนอร์ต่างอันนี้อ่าพูดได้นะเจค่ะยมมานั่งฟังเฉยเฉยเพิ่งเคยเข้ามาค่ะไม่มีอยู่ที่ไหนจ้าอยู่บางกล่อง น, น้อยเจ้าค่ะบางกล่อ น, น้อยโอเคบางเข้าใจไหมบางเข้าใจเจ้าค่ะโอเคงั้นก็ฟังไปเรื่อยๆถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้นะอ้า โอเคไปที่กุลแมนตาคุลอยู่ที่ไหนุแมนครับตอี้ครับอาจารย์ครับการคุณได้เยอยู่ที่ไหนอ่ออยู่ส ม, มุทรปราการครับอาจารย์ครับอ่อก็เพิ่งจะเริ่มปฏิบัตินะครับทีนี้อาจจะสงสัยนิดนึ่ง น, นะครับว่าเวลาที่เราอ่ากำหนดท่องพุโทโธเนี่ยครับ กับตอนที่ไปควบคุมลมหายใจเนี่ยครับไอตัวที่มันท่องพุโทโธเนี่ยมันคือจิตใช่ไหมครับแล้วไอตัวที่ควบคมหายอ๋อ <c oughs> แล้วตัวสติที่ไปจับลมหายใจนี้มันก็คือมันก็เป็นสติมันก็มาจาักใจทั้งคู่มันออกมาจาับใจอืมแล้วสุดท้ายแล้วไอที่เราเรียกว่าตัวเราเนี่ยมันคืออะไรอะครับก็คือตัวสังขารมันคิดมันสมมุติขึ้นมา มันรวมมันรวมทุกอย่างขึ้นมาอย่างนี้เหรอครับอาจา ร, รย์ว่าเราไปนั้น<ร>อย่างนั้นเราไปคิดมันเองเหมือนคนสมัยก่อนที่ว่าโลกนี้แบนก็เลยเชื่อมันก็เลยเชื่อโลกแบนไปครับแล้วแล้ววิธีที่จะทําให้มันมันไม่ไม่ยึดในในสิ่งที่สังขารที่เราปรุงแต่งมันคือคือก็ต้องต้องต้องอดโต้ต้นต้องควบคุมกับสังขารให้มันหยุดคิดปงแต่งให้ได้ ก็ก็ขอบพระคุณครับอาจารย์คือเรื่องเรื่องปฏิบัติแล้วก็ไม่ไม่ได้มีไม่มีไม่ได้ไปกราบอาจารย์ที่ไหนนะครับก็ก็ฟังธรรมะเอาครับครับปกสติก็ปรุงความสความคิดปรุงแต่งให้ได้แล้วมันก็มันจะควบปรุมอัตตาตัวตนได้ครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ก็น่าจะมีเบื้องต้นนะครับครับตัวตนมันมามันมาออกมาจากความคิดปรุงแต่งพะเราหยุดความคิดปรงแต่ตัวตนได้ายไปโอเคนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ กลืนบริษัทจากระยะเกินก่อนนัต ก, กรรมนะคะพระอาจารย์ค่ะมียคำถามหนึ่งคำถามค่ะพระอาจารย์ค่ะถามาาาถาว่าเ อ, อจิตส่งนอกมันมันเอแค่ไหนถึงเป็นเป็นจิตส่งนอ่ะค่ะระอาจารย์ก็มันไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนอกนอกนะทํามันไม่คิดก็อยู่ข้าไหน ถ้ามันคิดบมันก็ออกไปนนอกจากมันคิดอยู่กับพุโทโธคิดอยู่กับลมนี่ัถือว่ามันยังไม่ไปข้างนอกแต่พอไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วจิตออกนอกเริ่มปรุงแต่งมันก็ส่งนอกเลยใช่ไหมคะอาจารย์แลแต่ว่าปรุงแต่งกลับอะไรไะถ้ากราปรุงแต่งกับการดูลมหายใจปรุงแต่งกับพุโทโธ ปูแต่งกับการสวนมนต์นี้ก็ยังถือว่าอยู่อยู่ข้างในลแล้วดึงใจว่าอยู่ข้างในเ อ, อไปคิดถึงคนนันนนน่นคนนี้แล้วนั้นแล้วนี้เลยว่าส่งออกไปข้างนอกครับอาจารย์คือผมนี่ครับถ้าเราอยู่กับพุธพุทโธนี่เราพยายามดึงให้มันไว้อยู่ข้างในไม่ให้มันออกข้างนอกนะพอใจนะ เออีนี้ได้ไหมคะแพท <น uent, S 2> ย์เกี่ยวกับสมาธิอะค่ะคือถ้าเกิดระหว่างสมาธิแล้วก็สภาวะอะไรก็ไม่ต้องสนใจถ้ามันสงบได้ก็คือไม่ไม่ต้องไปสงสัยอะไรมันใช่ไหมคะแพทย์ก็มไม่มีอะไรต้องสงสัยนั่งสมาธิเพื่อให้มันเนื่องให้มันสงบนด้ถ้ามันสงบไปก็จะไม่สงสัยนะมันก็ไม่คิดปรุงแต่งตอนที่มันสงบมันก็สัตว์แต่เรา ถ้าสงบได้ก็คือก็ก็แค่นั้นพอแล้วใช่ไหยอ่านั่งสมาธิเมื่อมันสงบแม่มันสงบนานๆไม่ใช่สงบปุบก็เริ่มหน้าพอมันสงบแล้วก็ต้องปล่อให้มันสงบเป็นนานๆจนกว่ามันจะถอนออกอยากความสงบเองหรือถ้าอยากให้มันอยู่ต่อก็ใช้พุทโธใช้สติกก่อนมันกลับเข้าใหม่อยากมันกลับเข้าไปใหม่แม่มันอยู่นานๆ หลือได้เป็นช่วโลงได้ยินดีขอบพระคุณค่ะอาจารย์เชิญคุณเกาคนนคุณเกาคณนาจากภูเก็ตใช่ไหมเปิดไมค์ก่อน น, นอะการข้าพระอาจารย์ได้ยินหรือเปล่าคะได้ยินจากภูเก็ตใช่ไห ม, ไ, มได้เลย คืออยากจะกราบขอคําแนะนําจากผู้จารหาเพราะว่าเวลาปฏิบัติเจริญสติเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเลยค่ะนั่งแล้วก็หลับลุกขึ้นมาเดินก็เมื่อยแล้วก็นั่งใหม่ก็อาจจะแบบว่าท่องพุโทโธอยู่ได้สักแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็เบลอเบแล้วก็ห ล, ลับไปก็จะหมดค้าเลยคินดน้อยนกินมื้อเดียวตรง น, น ก็กินเฉพาะอทุกวันเนี่ยก็กินเฉพาะกลางวันนะค่ะอบางวันก็กลางวันให้มันน้อยหน่อยอันนี้กินสองจานก็เอาแค่จานเดียวเป็นคนกินจุค่ะกินให้มันน้อยหน่อยให้มันรู้สึกมันไม่รู้สึกมันไม่อิ่มแต่มันไม่หิวว่ากินแบบนั้นกินเพดับความหิวอย่าไปกินเพื่อให้เพื่อให้มันอิ่มพอกินไปสักเท่ารู้สึกว่าไม่หิวแล้วก็หยุดกินนะ อ <c oughs> ยากไปรอให้มันอี่มก่าค่อยุค่ะทีนี้คําว่าพุทโธนะคะพระอาจารยเ์เวลาที่เอ็นตัวคือใช้คําว่าพุทโธเนี่ยตลอดตลอดเวลาหมายความว่ า, ว า, วาเกิดเวลาจิตใจเนี่ยคิดไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยจะรีบท่องคือพุทโธพุทโธพุทโธพุทโ ธ, โธจะได้หยุดความคิดอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็เวลาจะนอนก็โอเคนอนไม่พอเวลานอนไม่หลับขึ้นมาก็ท่องพุทโธพุทโธ แล้วก็จะหลับไปอย่างเนี้ยค่ะคือเหมือนกับแบบคําพุโทโธเนี่ยจะอยู่กับตัวเองได้มันก็ช่วยลดความคิดต่างๆได้แต่ว่า<ช>พอไม่มีสติมันก็เลยเลยัถ<ช>้า ม, มีสติมันก็จะเป็นสมาธิมันก็จะสงบกลัว <c oughs> ว่ากางีก็กลัวแบบเวลาที่แบบนึกถึงเรื่องความตายขึ้นมาอะไรอย่างนี้ยฮะก็เลยอยากจะแบบให้คําพุโทโธเนี่ยชินเอาไว้ดีก็ฝึกไป อาจาตอนนี้ขาดสติทําได้ไม่มากต้องพยายามหาวิธีเสริมสติพยายามเดินมากๆดูนะพี่นั่งเดินทักชั่วโมงสองชั่วโมงก่อยก็ได้อันนี้เป็นวิธีเจริญสติเมื่อยค่ะชั่วโมงหนึ่งก็กนต้องนั่งแล้ว่ค่ะพระอาจารย์เดินถ้าที่จะจะเดินไหวก็แล้วก็มาเดินไม่ไหวก็กลับมานั่งนั่งนั่งไปไหวก็ลุกไปเดินไหม่สลับทําไปสองอย่างนี้สลับไปสลับมา ค่ะค่ ะ, ะ, ะ, ะ, ะอาจารย์มีคำถามอีกคำถามหนึง่งคือว่าถ้าสมมุติว่าเวลาเราอยากจะแบบผู้โยมจะถือสินแปดนะคบตอนเช้าสวดมนต์เนี่ยบางทีมังเล่มเห็นมีหลายบทอย่างเช่นอาราธนาศินแปดหรือแบบอุโบสถศินอันนี้ค่ะมันคือดูแล้วก็ไม่ได้ต่างกันยังไงแไม่ต่างกันเหมือนกันอุโบสถคือผู้ที่ไปรักษา ในโบสถ์เนี่ยรียกวุ่ษชินศิลแปดเหมือนกันถ้าชาวบ้านเขาวันธรรมธรรมเนียมเขาจะไปรักษาศีลที่วัดกันวัดไม่มีที่ให้ชาวบ้านอยู่ก็เลยไปปล่อยให้ไปนอนในบสถปฏิบัติในโบสถ์ฟางเทศในบสถก็มีคําที่ต่างกันนิดหน่อยใช่ไหมคะนิดน่อยตอนตอนท้ายศีลเนี่นยใน แล้วไตราสารนาคมนะคะเหมือนกันก็พว้พูดก็ทำทั้งสองเป็นสารนาเป็นที่เปื่อยใจแล้วควรที่จะแบบตื่นนอนขึ้นมาสมมุติวันนี้ตั้งใจว่าจะทำสิ่งแปดเนี่ยเอควรจะใช้เวลาไหนคะตื่นนอนก็กำหนดได้นะตัวอย่างก็จะมากว่าตั้งแต่วันนี้ไปจะมากถึงวันน้อขึ้นหนึ่งคืนมานหนึ่งวันหนึ่งวั น, น, วนกับหนึ่งคืนถ้าสามวันติดติดกันเนี่ยก็นับไปสามวัน สวันสามคืนสามวันคือทางศาสนาที่เราจะนับจุดเริ่มต้นของวันที่ตอนสว่านเป็นวันนี้วันมันอะไรวันพุธใช่ไมมูจะรักษาไม่จะให้ครบก็ต้องรอให้เช้าวันพฤหัสก่อนถึงจะครบคร่ะแล้วคือต้องกล่าวไปว่าโอเคอยากจะขอกล่าวก็ได้แต่กําหนดขึ้นมาในใจเราก็ได้บอกว่าต่อไปนี้จะรักษาสิบบ่งแต่สักสามวัน จะเอาเชา้าวันเสาร์อะไรก็ว่าไปสมมติว่าเราเดี๋ยมจะทําแบบสมมติว่าเช้า ว, วันพฤหัสเส็แล้วก็อาราธนาสินแปพอเช้า ว, วันศุกร์ก็ก็อาราธนาอีกอย่างนี้ได้มไหมป่ะแล้วแต่มันมันอาราธนานี่มันเป็นพิธีกับซึ่งมันไม่ได้เป็นตัวที่เกี่ยวกับการรักษาศีลโดยตรง จะสวยก็ได้ไม่สวยก็ไา้ข้อสำคัญอยู่ที่รักษาหรือไม่รักษามากกว่าแต่พอจะออกก็คือก็ออกก็รู้ว่าเราต่อวันนี้เราไม่เราจะกินข้าวเย็นนั่นนะเราจะกินเหล้าแล้วนะออกกินเหล้าไม่ได้ถ้าถือสี่ห้าถ้าออกจากสิงหแปดก็กลับมาถือสี่ห้าอย่างนี้ก็รักษาแค่ห้าข้อแทนที่จะรักษาแปดข้อการสวยการอะนี่มันเป็นพิธีกรร แต่ความจริงการรักษาสิ่งนี้อยู่ที่การรักษาเป็นแบบแล้วก็อยู่ที่เจตนาคือความตั้งใจว่าเราจะมีความตั้งใจรักษากี่วันอีกข้อเพราะว่าเป็นในใจเราไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องไปถามใครกนะ็ได้ค่ะอีกคําถามหนึ่งค่ะ เ, เวลาถือสิ่งแปดนี่ออกกําลังกายได้ไหมคะได้ได้ในแบบนั้น หมดคำถามแล้วค่ะอาจารย์ขอขอบคุณมากค่ะคุณหมอสือาจศนจากรุงเทพฯติดถุกใจนวัถุกจากกรรการอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคำถามค่ะไม่มีลูกษาก็ไม่อยู่นะขึ้นมาแป๊บียไปแลเจ้าค่ะไปที่ท่านต่อไปนะคุณเชื่อนคุณเชื่อโซทนนะสัต่อยู่ นะครับกลับนักสการว่าอาจารย์รสชาติครับทางนี้นี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้ามาครับขออนุญ า, าตสอบถามคามถามต่ออาจารย์นะครับถ้าเป็นคําถามที่ไม่ไม่ควรต้องกลับขอโทษด้วยนะครับครับก็อาจจะรบกวนอาจารย์แนะนําความเป็นท่าสี่ของร่างกายเรานะครับก็ร่ า, างกายเราก็เหมือนบ้านนะบ้านที่เราสาร้างบ้านเราก็มีอะไรบ้าง วัตถุสิ่งของที่จะสร้างบ้านก็ต้องมีมีปูนมีไม้มีทรายมีเหล็กอะไรใช่ไหมเป็นอุปรกรณ์เป็นส่วนประกอบของการสร้างบ้านร่างกายเราก็ต้องมีก็มีส่วนส่วนที่จะสร้างร่างกายขึ้นมาส่วนที่ร่างกายขึ้นมาก็คือธาตุสี่คือดินดินก็คือข้าวเนี้ของที่มาจากดินเนี่ยที่เป็นของแข็งนี่เราก็เรียกว่าธาตุดินข้าวมันก็มาจากดินนะ น้ำก็คือน้ำที่เราเดื่มเนี่ยถ่านน้ำลมก็คือลมหายใจที่หละหายใจเข้าหายใจออกธาตุไฟก็คือความร้อนที่เราได้จากแสงอาทิตย์เมื่อมันมีสุขสัตว์ส่วนมันก็สร้างร่างกายขึ้นมาสร้างวายวะสามจุสองขึ้นมาตายสาจุดสองขึ้นแล้วพอมันตายมันก็อาการสามจสองนี้มันก็จะกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไป ครับเอา้ามีอีกคำถามหนึ่งครับพรอาจารย์ครับข อ, อนพระอาจารย์แนะนำะรูปน้มเกิดดับในชีวิตประจำวันนะครับเออคือรูปน้มเกิดดับนี่มันเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างที่จ ะ, ะเข้าใจยากขอให้เราเข้าใจว่ารูปคือร่างกายครับมันเกิดแล้วมันต้องดับนนวันใดวันหลยนี่คือรูป รมูปของทุกคนคือร่างกายของทุกคนมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับก่อนจะดับอาจจะแก่ก่อนอาจจะเจ็บก่อนแล้วก็ค่อยดับคือตายนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาสอนใจให้ใ ห, ให้ให้รับรู้เราเตรีมยมใจรับกับสภาพของการดับของรูปส่วนนามก็คือนามรู้สึกนึกคิด เป็นความรู้สึกสุดทุกไม่สุ ด, ไ ม, สดไม่ทุกข์นี่มันก็เป็นนามใช่ไหมมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดดับเกิดดับสุดเกิดขึ้นแสุดก็หายไปพอหายไปทุกก็บางทีก็ทุกเข้ามาแทนที่ก็เรียกว่าทุกเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวทุกก็หายไปแล้ว เ, เดี๋ยวไม่สุดไม่ทุกก็เข้ามาแทนที่นี่คือนามเป็นนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาความที่ชงเราก็คิดไปเรื่อยไป คิดเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นต่อคิดเรื่องนั้นแล้วก็ไปคิดเรื่องนู่นต่ออันนี้ก็เรื่องการเกิดดับของหนาหนามมาทำเกิดบางบางรู้สึกนึกคิดถึงเราตัวนร่างกายของเราก็เกิดแล้วก็ต้องดับมันเกิดดับทุกวันเนี่ยเพราะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจากจากเด็กเป็นผู้ใหญ่เนี่ก็เรียกว่าตายเด็กตายไปแล้วเนอ มาเกิดเป็นผู้ใหญ่ต่อจากผู้ใหญ่นี่กมันเกิดเป็นคนแก่ต่ออนัมันก็มีเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนไปเปลีนน่ยนมาของมันตามสภาพธรรมชาติของมันให้เราเข้าใจแล้วรับยอมรับสภาพตามเป็นจริงของมันอยา่าไปทุกข์กับมันเข้าใจไหมครับกราขอบคุณพระอาจารย์นะครับโอเคท่านต่อไปคุณทนศนพ <c oughs> ขบคุณปาไม่เป็รอาจารย์ชมนิทรรศการเจ้าค่ะวันนี้มาติดตามฟังธรรมพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคาถามรลค่ะาพลเมื่อกี้เห็นอยู่นะเออแบบไปมานพลมาถามรอาจารย์แล้วดีมรการะาารมีอะไรไหไม่มีครับวันนี้ไม่มีามนะเราฝไปแล้วกันนะธรรรอาจารย์เจ้าค่ะขอเจ้าค่ะคุณไอฟน ก็สารเดิมง่ายสารดวงจากสวัเกรัช ก, การครับอาจารย์มีอะไรไหมไม่มีครอาจารย์เป็นยังไงบ้างที่สวรเกศอือก็ยังมีโควิดอยูเ่เป็นเป็นเมืองใหญ่ไหมขนาดไหนขนาดก็ไม่ใหญ่ครอาจารย์ขนาดแผ่น ขนาดอุบลขนาดอุดรอนม้มุกดาหารนะคเป็นเ็นเป็นจังเป็นจังหวัดของเราใช่ไมก็เหมือนเหมือนกันนะเหมือนกับมุกดาหารเน่ยที่ได้อยู่คนละภาคของแม่น้ำโขงนะแล้วมีวัดมีว่ามีวัดป่าไมถวนี่ค่ะมีนะมีมีวัดมีพระสายหลวงปู่วานไปอยู่ก็มี อะไรนะคะมมีผ้าสายลุงปู่มัน่นไม่รู้จักอาจารย์มไม่อยู่ค่ะอาจารย์ไม่มีนะไม่มีคําถามเลยนะเออไม่มีค่ะอาจารย์โอเคถ้าไม่มีก็ไดไปที่ท่านต่อไปนะโอเคคุณสาววิทยากร อ, อ่ะโอเคครับ อครับขออนุญาตขอความรู้อ่าพระอาจารย์จิตใปัจจุบันตอนนี้นะครับไม่ว่าการระลึกถึงหรือว่าเห็นภาพในจิตเวทนานเนี่ยมันจะตามมาทันทีพอตามมาเสร็จปุ๊บมันก็จะรู้เลยว่ามันเป็นมันเป็นยินดีหรือเล่นร้าครับทีนี้ผมก็จะรู้ทันมันก็จะดับพอมันดับแล้วมันก็จะแย่อย่างนี้ครับทั้งวันทั้งคืนฮะแต่บางครั้งเนี่ยมันหมุนออกไปหลายรอบแล้วมันถึงจะรู้ทันแต่มันก็ดับ แต่บางครั้งมันรู้สึกว่ามันมันไม่ไหวอะครับอาจารย์มันมันรู้สึกมันเหนื่อยจังอะครับเพราะว่าไอชุดความหมายแต่ละความหมายเนี่ยจากบางๆอะครับจากความไม่เข้มข้นมันก็จะเข้มข้นไปเรื่อยๆครับแต่ถามว่ารู้ทันมันดับไหมดับถึงมันจะหมุนออกไปหลายรอบมันก็ดับอะครับแต่มันรู้สึกว่ามันมันเหมือนมันไม่มีกําลังครับมันเหนื่อยมันเป็นทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วต้องฝึกสมาธิก่อนถึงพลาดมาดูจิตได้มันจะไม่เหนื่อยถ้ามีสมาธิจิตจะดูเฉย รู้ว่ามันเกิดดแบบับเกิดดแบบับไปตามเนื่องมันถา้าเราไม่ดี ก, ก็ก็หยุดมันได้ถ้ามันใ<ะ>นอากาศสมาธิเลยทำให้เราเหนื่อยไปฝึกสมาธิก่อนกดสติจันทรสมาธินั่งสมาธิให้จิตสงบนิ่งเป็ น, นูเบกดขาแล้วทีนี้เวลาดูจิตต่อไปมันจะดูอย่างสบายไม่เหนื่อยดูแบบคนดูแต่ไม่มีอารอมณ์กับสิ่งที่เราดู อืมถ้าไอชุดความหมายที่มันไม่เข้มข้นอ่ะมันดูมันก็จะไม่เหนื่อยครับแต่ที่นี้พอบางทีมันเผลอไปครับพอาจารย์พอมันเผลอไปมันก็ไปค้างอยู่อารมณ์หนึ่งอารมณ์หนึ่งถ้ามีถ้ามีสมาธิก็หยุดมันได้หยุดมันได้ครับผมทีนี้ถ้าไม่มีสมาธิมันก็เหมันก็มันก็คิดปูนแตกลงไปเรื่อยอย่างกรณีสมาธิไอที่วูบวูบว่าว่ที่เราเห็นข้างหน้าแล้วเราไปคาอยู่อารมณ์หนึ่งอันนี้คือจิตส่งออกเหมือนกันใช่ไหมครับ ใช่อย่าไปเิ็ดอยู่กับรูปเลยอย่าไปสนใจให้อยู่กับอรมณ์ยิ้อยู่กับทุกข์โธ่ไปให้มันเข้าไปสู่ความว่างสื่อความสงบตอนนี้ผมพา ย, ยายามมาดูไอ้ไอ้คนที่นึกกุโธครับเพราะแต่ก่อนมันก็จะไปค้างอยู่อารมณ์แบบสบายเบาอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็พา ย, ยายามที่จะเข้ามาค้างเข้ามาดูไอ้คนที่ดริตคนที่นึกกุโธพุโธพุโธอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ควรจะดูให้อยู่กับพุโธไปอย่างเดีย ตอนวเดี้ยวมันจะเห็นเองเวลาจิตสงบเวลาจิตสงบแล้วก็จะเห็นตัวนี้เห็นตัวรวยก็คือให้อยู่กับพุทโธไอ้ตัวอยู่กับพุทโธไม่ต้องไปดูไอตัวที่มันผลิตพุทโธอ๋อไม่ต้องไปดูไอตัวที่นึกพุทโธใอยู่กับพุทโธใหอยู่คำว่าพุทโธอย่างเดียวครับครับครับมีคําถามเท่านี้ครับพระอาจารย์ครับนะพยายามฝึกสติพยายามนั่งสมาธิให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาน ไปดูอะไรต่างๆดูเพื่อเพื่อปล่อยวางดูให้รู้ว่ามันเป็นไม่อันนี้จังไม่เที่ยนเป็นอนัตตาเราไปควบคุมมาครับมันไม่ได้นะโอเคออไปที่ท่านต่อไปคุณปุ้ยคุณปุ้ยจะนัสบสำรวจ่อเคยัง ไ, ไ, ไงตอนนี้หนาวไหมน้มัสการนค่ะเริ่มเจ เย็นแล้วค่ะพระอาจารย<บ>์นักการคุณ ป, ปุ้ยจากลัสเซเบอร์ค่ะอตอนนี้ อ, อากาศเริ่มจะเย็นแต่มีแดดค่ะวันนี้ลาเพราะว่าอยากจะมาฟังพระอาจารย์ด้วยแล้วก็อยากจะนั่งสมาธิอยากจะสึ่อสายเต็มที่มีคําถามก็คือว่าเ อ, อ่อเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วโยมคือโยมรู้สึกว่าโยมจะใช้ วิธีที่พระอาจารย์บอกว่าในการพิจารณาชาติว่าเวลาเราเห็นคนเนี่ยเราจะมองเขาลึกเข้าไปถึงธาตถึงน้ำถึงเนื้อถึงกระดูกถึงน้ำดีน้าอะไรถึงแต่ทีนี้ยมยังไปไม่ถึงตรงจุดที่พระอาจารย์พูดแต่ว่าพอโยมมองไปยมสามารถพิจารณาถึงกระดูกได้แล้วเมื่อสองสาวันที่แล้วที่เขามีพิธีประชุมเพลิง ของของพระอาจารย์ของหลวงพุ่ยหลวงปู่หลวงปู่สวัสด์อะยมดูเอ่อวิดีโอยมดูถ่ายทอดสดไลฟ์สดอะยมมองลึกเข้าไปแล้วยมเห็นกระดูกดยมเห็นเป็นกระดูกโครงกระดูกเลยออมไม่ทราบว่าเอ่อเป็นการเพิ่อเจอหรือว่าเป็นเพราะว่าอะไรนะฮะก็ไม่ละก็เป็นการรลูกแตงของเราคือการนึกถึงกระดโครงกระดูกแต่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมาก คนยามาใช้ตอนที่เราเกิดมีอารมณ์เช่นมีคลามไข้กับใครสักคนหนึ่งแล้วเห็นโครกระดูกเขาไม่กครจะได้รงับทานนั้นไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ่ไม่แน่เดี๋ยวเกิดไปเจอ ก็ไปเจอฝรั่งรอมาจิบขึ้นมาว้าให้ได้ให้เห็นคนให้ได้เห็นคงกระดูกเขาบ้างโนสาธุค่ะหรือว่าหรือตัวเราที่คิดว่าเราสวยเรางานก็ให้นึกถึงโคกระดูกของเราบ้างก็ได้โอ้ไม่เคยคิดเลยจะนั้นจะนั้นไม่หลงไหลความสวยงามของร่างกายของเราถูกต้องค่ะโยมก็คิดเหมือนกับพระอาจารย์เคว่าที่อย่างที่พระอาจารย์สอนว่า อร่างกายเราเป็นเกงแค่บ้านเอ่อเราอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมเพราะเราจากร่างกายนี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปหาร่างกายใหม่ใช่ uh huh. ค่ะอ ย, ยอย่าไปยึดอย่าไปยึดมันอย่าไปยึดว่ามันสว ย, ยง่ามใช่ค่ะโยมใช่ไปด้านนิ้วนางนี้ไม่มีอะไรสวยงามเลยโยมไม่ไม่ไ ม, มียึดติดกับตรงจุดนี้แล้วเพราะโยมมีจุดมุ่งหมายไปทางของโยมก็คือว่าไม่อยากเกิดแล้วเอือใช่ค่ะ หลวงพระอาจารย์คะวันเนี้ยยมจะขอพรแต่จะขอพรพร้อมลูกชายพอดีลูกชายมาจะเจอมัน uh. แล้วก็ลูกชายเรียนเดี๋ยวจะขอให้ลูกชายเข้ามากับพระอาจารย์หน่อยได้ไหมได้ได้เข้ okay. ามาจนนี้ค่ะ uh, You can speak English with พระอาจารย์ YesHi how are youFineWhat's huh? your name j o h n n y h o w are you Uh, I'm fine. Thank oh, you. How? How many uh, 25. years? t w e n y f i n f i Okay. Yeah. You finish. You will be birthday. You will what be birthday. You. Ask the best w i s from him. What, what kind of blessing you want? Sorry. What do, what kind of blessing you want? You uh, want to be rich. You want to be famous. You want to be happy. Uh, you want to yeah, have girlfriend. <laughs> Happy is good. Happy <laughs> is good. Again. Okay. May you be well and happy. Okay. All right. Thank you. Alright. Thank you. t h a n k you, thank you, thank you, t a k thank you, t h a thank you, t h a o k a y o o o u t u t k you, t a k y o a n k thank you, thank you, t h a you, a t t t o you, a t t t o a u you, a n a t t t o เขาเรียนมหาลัยเรียนทางเอไอทีเขากลับมากลับมาเอารถค่ะอฮให้ให้เราเอารถไปผ่านคอนโทนเขาก็กลับมาเอารถทีนี้รถมันเสร็จตั้งนานแล้วทีนี้เขาเพิ่งสอบเสร็จเขาก็กลับมาและโยมก็อยากจะให้เขาสอบผ่านโยมก็เลยบอกว่าอ๋อยู่โชคดีมากเลยโยมาตอนพ่อจันโยู่เลยให้ขอพรพ่อาจานันโยมก็จะขอพรพร่อาจารย์ด้วย <laughs> ให้สุขให้เจริญให้น้ำให้รวยถูกไ <laughs> ว้ทุกทว เไม่สาวไม่ดูเลยสาดูวงาเห็นธรรมเห็นกงกระดูกตลอดเวลาอืมลีบรับเลยอันเนี้ยสาดูครับเห็นใครก็เห็นองกระดูกเาก่อนเลยนะอย่าไปเห็นกระเป๋าอย่าไปเหเงินทอโอ้ไม่เอาแล้วมาจานเกตแล้วอยู่ในธรรมเนี่ยดีที่สุดเห็นกงกระดูกมดีที่สุดจะนั้ไม่ไปยึดไปติดกับใคร ใช่ค่ะขอให้พระอาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสละร่มโพล่ใจให้ลูกหลานตลอดไปค่ะาขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านต่อไปคุณสารินทอนอยากแม้เวลาคุณสารินทอนกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะทำงานอยู่เลยทำงานทำงานอยู่ค่ะพระอาจารย์ ก็มัเกี่ยวกับอไรไทีเรืออะไม่ใช่ค่ะยมยมทําเกี่ยวกับทางด้านอาหารนะคะพระอาจารย์อยากว่าบริษัทเขาจะอินพ็อตอาหารมาจากทั่วโลกอ่ะค่ะแล้วเขาก็อาทุกทุกอย่างเลยค่ะทั้งอาหารทุกอย่างเลยค่ะทั้งทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็ทั้งเนยทั้งชีสทั้งเนื้อทั้งของเครื่องกระป๋องทั้งอาหารของไทยก็แล้วเขาก็มาขายให้กับพวก ร้านอาหารา ท, ที่เป็นหลายๆอย่างค่ะมีหลายๆแบบทั้งทั้งครุสไลน์พวกคาสิโนพวกแอร์พอร์ตออย่างนี้คะ่ะ น, นะคะระับเดี๋ยวอาหารก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีค่ะตัวเองก็จะได้ลองบางเป็นสมาชิกเป็นจับซื้อจัดซื้อทางด้านอาหารนะคะก็ประมาณนี้ค่ะพระจัจาร์ก็ช่วงนี้ยงปฏิบัติแล้วก็ <ítulo> เหมือนกับฝันนะคะพระอาจารย์เห็นอะไรก็เละไปหมดเลยอ่ะค่ะพระอาจารย์เห็นคนก็ไม่มีหน้าไม่มีผิวไม่มีผิวไม่มีอะไรแล้วให้ดูให้ดูว่ามันเปความฝันเนความคิองจิตนะเพากลัวเพราะกลัวเสร็จพอรู้สึกว่ากลัวพอใช้คําว่ารู้สึกตัวว่ากลัวแม้ว่าจะในฝันก็คือมีสติเกิดขึ้น โยมก็จ mm ับ hmm. so, yeah อยู่ที่ความกลัวไม่ได้จับอยู่ที่รูปที่เห็นก็พอจับอยู่ที่ความกลัวความกลัวมันก็หายไปแล้วก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นว่าเออทําไมหลังๆฝันแต่เรื่องน่ากลัวหมายถึงว่าภาพที่น่ากลัวน่ากลัวน่าจะเป็นว่าเรากําลังเจะเล่นศึกพระโยมก็มองนะคะพระอาจารย์หมายถึงว่าเวลาเจอผู้คนไม่ว่าจะเจอใครอยงี้โยมก็จะมองว่านี่เป็นรักใช่ใช่ค่ะ นี <Es> <an> <client> <S <S <half> ่ก็เนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวพอแห้งเดี๋ยวก็ต้องแห้งเหี่ยวแล้วก็ตายไปแล้วมันก็เป็นกองๆองก็ช่วงนแสดงว่าจิตกลางนขาดสมาธิขาดไปเลยค่ะค่ะพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์บอกให้โยมไปเจริญสติมันก็ทําให้โยมก็ก็คือโยมไม่ได้เดินตรงกลมไปช่วงหนึ่งอะค่ะก็กลับมาเดินตรงกลมก่อนแล้วถึงจะนั่งสมาธิก็รู้สึกว่าดีขึ้น แล้วก็โยมก็นึกไปถึงตอนที่สมัยโยมอยู่เมืองไทยแล้วตอนนั้นปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิอะคะ่ะก็เข้าคอร์สที่เดินเดินด น, นั่งเดินนั่งทั้งวันอย่างนี้นะคะแล้วมันถึงจุดหนึ่งที่ตัวโยมขยับไม่ได้อะคะ่ะพระอาจารย์หมายถึงว่าถ้าจิตไม่บังคับหรือสั่งให้ตัวขยับตัวก็จะไม่ขยับลักษณะอย่างนั้นโยมก็เพิ่งมานึกขึ้นได้ว่าเออมันเกิดเคยเกิดขึ้นกับเรามาก่อน ว่าโยมพยายามจะเหมือนกับวันสุดท้ายเขาต้องการให้เราเขียนใบคอมเมนต์ว่าเ อ, อปฏิบัติเราเป็นยังไงแต่โยมไม่สามารถเขียนได้เพราะว่าตัวไม่ยอมขยับจิตไม่สั่งให้ตัวขยับตัวไม่ยอมขยับคราวนี้เนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยมันคือสติหรือเปล่าคะอาจารย์มันอาจจะเป็นจิตมันเิงมันไม่อยากจะทําอะไรก็ได <c oughs> ้แต่ถ้าเรามีสติเราก็จะรู้ว่ามันมันเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่ไปเต้นเต้นตกใจกัมันก็แล้ ยิ่ันิยมต้องค่ะยิงต้องปฏิบัติไปถึงระดับตรงนั้นอีกไหมคะเอ่อมันไม่จาเป็นหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่สมาธิแ็่ภาวะของจิตที่มันอาจจะขี้เกียจขึ้นมาไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากค่ะมันจะมันจะสว่างมันนิ่งมันปบามันอะแต็ว่ามันค่ะถ้าเป็นคาสงบจริงนี่มันจิตมันจะโดดเน จะนิ่งสงบแต่แล้วมันก็พร้มที่จะทําอะไรได้มันจะไม่มันจะไม่นแข็งตัวอะไรอ๋อแต่เราจะสมาแ่เราจะสมาธิมามันก็สามารถทําอะไรได้อะตอนน้าเลยที่ว่าจิตเรายังไม่อยู่ออกมาไม่หมดนั้นออกจากสมาธิมาไม่หมดมันก็เลยแต่ตอนนั้นยมไม้ว่ามันคืออะไรอจ่าเขายมยังเด็กมากแล้วก็ แล้วก็คือเขาสั่งให้เราทําอะไรเราก็ทําตามโดยที่ไม่เข้าใจความหมายว่าการเอาสมาธิกับสติมาใช้ประโยชน์แล้วมาเจริญปัญญาเป็นยังไงคือไม่เข้าใจเลยรู้แต่ว่าเขาบอกว่าให้ทําอันนี้เราก็ทําตา ม, มจนเกิดอะไรก็รู้ว่ามันเป็นสภาวะทุกอย่างของจิงตในระดับที่มันอาจจะเกิดอาการที่มันไม่อยากจะทําอะไรไ ม, ม, มันก็เลยชี้เียมันไปก็ได้แต่มันไม่ได้เป็นแบบตลอดเวลาไม่ไม่มีหน้าจะมีปัญหาอะไร การที่ว่ามันเป็นอนิจรย์ทุกขังหน้าตาไปครับอาจารย์มันจากไม่เทียงเป็นสภาวะธรรมจะอ่านเป็นหน้าตาเราไม่ได้อไปบังคับมันไม่ได้แต่มันไม่ใช่สติใช่ไหมคะอาจารย์มันเป็นสภาวะธรรมอย่างนี้ปรากฏการอย่างไี้ทางจิตใจค่ะพระอาจารย์รู้ว่ามันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วรู้ว่ามันไม่เทียงมันดับไปแล้ว น้ามันจะเกิดเองก็ห้ามมันไม่ได้ก็ให้มันหน้าที่ของเราคือให้รู้ให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปตื่นต้นตกใจท้าไม่รู้มันเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปรู้ไม่ต้องถ้าไม่รู้จักชื่อมันไม่เป็นไรรู้จักตัวมันก็พอตอนไม่รู้ครับอาจารย์ตอนก็ตัวมันก็เป็นอย่างที่เรารู้นี่ก็มันแค่นั้นที่เราเพื่อไปชื่อเหรอก็เอยากจะไปหาชื่อมันทำไมไม่ต้องไปถามมันเป็นอะไรมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นนั่นแหล ค่ะค่ะแล้วตอนนั้นคือยมต้องหยิบปากกาแล้วใจก็สั่งว่าทําไมไม่เราเราไม่ไปหยิบสักทีเราจะต้องหยิบปากกามาเขียนใบคอมเมนต์แล้วแต่ตัวมันไม่ขยับเลยไม่ขยับยังไงก็ไม่ยอมขยับอนั่นเจ็บยังยังไม่อยากจะทําำมันมันไม่สานไปที่ร่างกายให้ครับให้ขยับยังงั้นถือเป็นอุเบกขาไหมคะพระอาจารยไม่ใช่หรอไม่ใช่เอะไอมันก็เป็นอาการที่จิตมันไม่อยากจะทํางาน อืถ้าอเดกามันจะเป็นอีกอย่างมันจะไม่มีความรู้สึกคีอาเมณ์กับ อ, อะไรอืปมนอะไรก็เฉยแต่ไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปสนใจมันเป็นอะไรมั <c oughs> นทำไรก็คือก็อให้เรารักษาสภาพจิตของเราไม่ให้ไปตื่นเต้นตกใจไม่ให้เป็นบ้าไปกับมันนะครับไม่ยุ่นึกว่ายุ่งต้องปฏิบัติไปถึงระดับนั้นเลยแล้วก็แบบไม่หรอกไม่ใช่ไม่นั่ไม่ใช่ระดับที่เราจะไปมันเป็นเรื่องของ เป็เรื่องของภาวะจิตที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับบางคนบางครั้งบางเวลาอเท่านี้แล้วการที่เราเห็นเห็นการเกิดดับห่คะอย่างสมมติว่าเราเราเดินแล้วเราก็เห็นมือเราพลิกพลกพลิกพลิกพิกพก พ, กพกอันนี้มันไม่สําคัญแนคะ่เห็นกนารดับกับสิ่งที่เราละทิ้งหมดสิ่งที่เราไม่ละไม่ต้อไปสนใจนะคเป็นสนใจกับสิ่งที่เรารักก็เชื่ว่า เดี๋ยมันเกิดแล้ ว, ม, ลล ว, ลวมันต้องดับเช่นรา่างกายของเราเนี่ยเดี๋ยมันต้องดับอืล<ะ>ูกเราร่างกายของลูกเราเดี๋ยมันต้องดับถ้าดูอย่างนี้ดีกว่าแล้วสอนสอนใจให้รับข่าวสารจริงให้ได้คทุกอย่างมันมีเกิดแล้วมันต้องมีดับแต่ไอ้ขาที่เราไม่รับไม่ก็ไปกังวลเพราะมันจะเกิดจะดับเราก็ไม่เราก็ไม่วุ่นวายไรกังวลแต่เงินทอง่เงินทองที่ิจานาว่ามันจะมันต้องหวนนัอะไร่าค่ะ เราก็มตำรจกด้ทำใจนะว่ามันเกิดมันด <Compl> ับนะของนี้ฆ้ามันไม่ได้พยายามพยายาอยู่ค่ะว่านะพิจาร้ส่วนที่มันจะมากระทบกับใจเราไอ้ส่วนที่มันมากระทบกับใจเราอย่าไปเสียเวลาเนี่ยนิ้วมันขยับซ้ายขยับขวาเนี่ยอย่าไปแล้ยากำลังเกิดดับเกิดดับไม่ใช่หค่ะค่ะก็ให้มันรู้ผคอนผ่านไปเท่านั้นเองแล้วมันเคลื่อนไหวทุกอย่างมันมีการเคลื่อนไหวมันไม่นิ่งมันมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะรู้ว่าเอาตอนนี้นิ้วชาแล้วนิ้วอาจจะเสียแล้วก็ได้นี่แค น, นี้ก็ได้ก็เป็นอนิจจังก็เอาในเที่ยงมันเอย่าง <laughs> อยู่ดีวันดีขึ้นนิ้วมันอาจจะล็อกขึ้นมาก็ได้ <laughs> <laughs> อืมก็ต้องรู้ว่านี่ยเป็นอนิจจังอยากเป็นตื่นเต้นตกใจไปกับมันปรับใจยอมรับกับสภาพความเปจริงไปเรื่อย เราใจยังไม่ทุกข์ค่ะพอาจารย์เป<ต>้าหมายของการปฏิบัตินี้เพื่อไม่ให้ใจเราไปทุกข์กับอะไรที่เราให้ดูเกิดดับกิดดับเพ่อจะใ้รู้ต่อไปมันต้องดับนะออืต่อไปแล้วิ้วมันอาจจะขาดก็ได้นิ้วมันอาจจะเสียก็ได้นะตามันอาจจะบอดก็ได้ของพวกนี้มันจะดับได้เต็มตัวเต็มใจแล้วคิดว่าแล้วทำมันดับจะทำยังไงทำยังไงก็ต้องทำใจนะั่นอย่าไปทุกข์ตรงนัน ทุกก็ไม่ทุก็ไม่ได้ไปเปลีป่ยนแปลงอะไรใช่ค่ะอาจารย์อห้คิดอย่างนี้ดีกว่าเราเตรียมตัวต่อไปจะได้ไม่ไปหวังพึ่งของพวกนี้ของที่มันเกิดแล้วมันดับออกไปก็ไม่มาเกิดดีกว่าก็ด <c oughs> แล้วมาต้องตายยังก็ <c oughs> ปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่าค่ ะ, ะ <c oughs> จนกว่าจะถึงเวลาของโยมค่ะอาจารย์สนใจนะ ค่สาธุนะคะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณมากเลยค่ะพระอาจารย์จิ๊บเมื่อว่นได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะมาแล้วค่ะโอเคหมายถึงกพัฒนาต่อแบวอร์มพัฒนากล่าวรมาส então, ักการพระอาจารย์แล้วค่ะอาจารย์คะถ้าไม่ได้ใช้ไมค์ถ้าไม่ใช้หูฟังได้ยินดีไหดีค่ะดีชัดดีชัดใช่คะอดีว่า โยมเกิดสภาวะที่ที่ปกติเราจะพอใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่พอพอมีวันสองสองวันวันนี้ยมันไม่มันมีความรู้สึกว่าไม่พอใจกับกับสถานการณ์นั้นกับบุคคลนั้นเนี่ย mm. ก็มีคิดพระอาจารย์ที่บอกว่าความพอใจมันไม่ได้เกิดได้ตลอดเวลาเจ้าค่ะอาจารย์ตอนนี้มามาเข้าใจตัวเองว่ามันเกิดการยึดก็เราเราเอ่อ ก็เข้าใจมากขึ้นว่าพอเรายึดมันมันก็ทําให้ใจเราทุกข์ก็พยายามปล่อยปล่อยวางอยู่เจ้าอาจาสสัอย่าไปดีอย่าอย่าไปอย่าไปพอใจอย่าไปแม่พอใจเฉยเฉยดีที่สุดอันนี้คือคือสติเราไม่ทันใช่ไหมเจ้าอาพัสสัสติเราไม่ทันอุเบกขาเราน้อยฝึกสมาธิให้เยอะแล้วมันจะเฉยขนะพอพอพอมันก็จริงๆเรา เราก็ยังทูดกับมันตอนแรกคิดว่ามันจะไม่เกิดอะไร <S <S เราจะไม่พอใ จ, จากจารจะมีความเฉยเฉยแต่พอเกิดกับเราแล้วมันไม่ทันจะมาที่เราจะมาที่เราน้อยอุเบกขาเราน้อยถ้าอุเบกขามากนี่มันจะไม่รับไม่ฉันไม่เฉยเฉยเอะไรก็เฉยความความพอใจความไม่พอใจเกิดเพราะเกิดความรักความทังใช่ไหมเมจ้าค่ะนั่นแหละตัวเดียวกันนะ่ะพอใจก็รักไม่พอใจก็ชงัง แล้วค่ะ <ừ> ก็ท่องท่องคําว่ารักชาญกลัวหลงก็ท่องท่องของภีาจาอยู่เ<ม><ะ>อาไปรักเป็นรักชางกลัหวหลงปล่อยไปเอาแก้ไม่ได้ค่ะอาจารย์ก็ไม่ก็ฝึกสมาธิมันจะแก้ได้ทำท่านให้มันเข้าฌานให้ได้ออเจา้าคขาอาจารย์ทําไม่เข้าฌานมันก็มันแค่ทำใจเฉยๆทำใจให้ใใหดูเบียดขาไม่พราะ ถ้าสมมติเรามีถ้าสมมติเราเข้าฌานได้พอเราเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บจิตมันจะเข้าไปเองใช่ไ้มเจ้าคะจิตมันจะใช่แต่ฌานนี่เราต้องคอยบางคั้งใน้มันเข้าไปบ่อยๆจนกระทั้งเราชำนานเราสามารถเข้าได้อย่างง่ายดายนั็นเลยถ้าเราฝึกบ่ว่ามันก็จะชานาญอย่างีจักรยานเวลาหักขี่ใหม่มันตับล้มบ้างอะไรบ้างเหต่เพราะขี่ไปเรื่อยๆแล้วม่นเข้าชำนาญ แล้วค่ะสมาธิก็เหมือนการชานก็เหมือนกันพอนนเราฝึกไปเรื่อยเเนี่ยมันก็เข้าได้ง่ายมันเข้าได้ทุกเวลาที่เราต้องการเพราะว่าชานที่เราได้อุเมกาที่เราได้มันเวลาออกมามันมันงหมดได้ ม, มันเสื่อมได้พอมันเสื่อมก็ต้องกลับเข้าไปสร้างขึ้นมาชาติเป็นใหม่ชาติแบบเหมือนชาติแบบแล้วค่ะอย่างนี้ต้องเพียรได้สมาธิให้ได้ถึงฌานเยอะฝึกสติเยอะๆน่าสมาธิไปก่อน เรื่องทางาเรื่ององอือ่นยังไม่ต้องไปกังวลมากแล้วค่ะโอเคอ่าสาอาจารย์แล้วค่ะโอเคสาธุ ค, ค, คุณมาลีตาคุณมาลีเชหลวพอได้ได้ยินหนูคะได้ยินแต่ค่อยไม่นานคุณดังหได้ได้ยินหรือยังคะได้ยินนะอ่าชคุณได้หลวงพ่อคะช่วงสองสามวันนี้หนูปฏิบัติ ก็คือนั่งนั่งปฏิบัติแล้วมันมันสะดุดแล้วก็มันก็วุอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ร่างกายมันก็นิ่งสงบไปเลยค่ะแล้วก็มันเหมือนตัดตัดไปอยู่สภาวะหน yeah. <t ied. <t ied ึ่งที่มันมันเหมือนมันไปอยู่อีกอีกมิตินึงเงี้ยค่ะหลวงพ่ออยู่กับธรรมทนค่ะแล้วก็อยู่กับทุตโธไปเรื่อยๆจนมันเงียบค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็รู้แค่ว่า ตอนนี้มีแค่ลมเข้ากับออกนานนานแล้วมันก็สลับมีกลับมาพุทโธบ้างอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วช่วงที่ปฏิบัติเนี่ยมันมันรู้สึกว่าใจอ่ะมันมันไปดูไปดูที่ใจตัวเองอ่ะค่ะหลวงพ่อว่าเออมเหมือ น, นบางครัาวว่าไม่ให้ออกไปคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วมันก็สงบอยู่โดยที่แบบว่าเราไม่ได้ ทุลนทุลายหรือว่าเจ็บปวดกับเอ็กความรู้สึกที่ที่ร่างกายเราเงี้ยค่ะหลวงพ่อจนมันจนมันออกมาแล้วก็หลังจากออกมาก็รู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้เจ็บอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันนานเกือบประมาณสองชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะช่วงสองสาวันเนี้ยค่ะหลวงพ่อคํถาถามหนูก็คือว่าอย่างพูดที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขาเขาเขา เ, เดินมาแบบเนี้ยใช่หรือเปล่าคะหลวงพ่อ แต่ถ้าจิตสงแล้วมันจะไม่ไม่รู้สึกว่าร่างกาเกยเจ็บปวดอย่างใดเวลาออกจากสมาธิก็ลุกขึ้นเดินได้อย่างสบายแต่ถ้ามันไม่สงบนี้มันจะรู้สึกเจ็บมากใช่ค่ะหลวงพ่อมันเหมือนเหมือนเรานั่งไปทําอะไรเสร็จแล้วเราก็ลุกขึ้นมาแต่ว่าระยะเวลากว่าจะเราจะออกมาเนี้ยมันอย่างรู้เราเข้า ไปตอนบ่ายโมงครึ้งเราออกมากับสามบ่ายสามโมงคึ่งเนี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาเหมือนเราไม่ได้ไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรเลยเนี้ยค่ะหลวงพ่อเวลาสงบแล้วมันจะไม่ค่อยกระทบกับน้ำใจถ้าเวลาไม่เจ็บนี่มันจะกระทบค่ะเมื่เวลาไม่สงบมันจะรู้สึกเจ็บร่างกายจะรู้สึกเจ็บมากไม่เป็นไรก็รู้ตามกวามเป็นจริค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วอย่างอย่างเนี้ยหนูต้องคือทําแบบเนี้ย คนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขาต้องทําทั้งวันเลยหรือเปล่าคะ<ต>การสมาธิเขาทาทั้งวันเดินเดินจงกองสลับกันนั่งสมาธิไ้สอกบ่อยๆสงบานานๆออกมาก็เย็นใจก็เย็นใจเป็นอุเบกขาไม่วุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆค่ะแล้วแล้วทีเนี่ยเออถ้าถ้าสมมติอย่างอย่า ง, งหนูเนี่ยต้องทํางานด้วยแต่ว่า อย่างอย่างตอนเนี้ยวิร์กฟอร์มโฮมหนูก็ช่วงรอ ง, งานเนี้ยหนูมีเวลาหนูก็จะขึ้นไปห้องพระหนูก็จะไปนั่งปฏิบัติของหนูแบบนานๆอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดเออเราปฏิบัติแบบเนี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันมันจะมีผลอะไรไหมคะมีอ น, นิสงส์งอะไรไหมคะหลวงพ่อจริงเราจะสงบ ม, มากขึ้นอยุเบกขาจะมีมากขึ้นแต่เราก็สามารถใช้ปัญญาพิจารณา สิ่งตัวอย่างว่าเป็นตายละแล้วก็ปล่อยวางได้ไม่ไปยึดปิดไม่ไปอยากได้อะไรจากสิ่งที่เป็นตายละทั้งหมดอย่างอย่างอย่างเช่นสมมติเรามีเรื่องที่แบบว่ามันทุกข์ร้อนกระวนกระวายใจเราก็จะตัดได้เลยใช่ไหมใช่เลยเราจะไม่เป็นเอาประมาณนเป็นของไรสาระทั้นั้นแล้วความของเราไปเห็นว่ามันเป็นสาระเปนขอมีคุณค่าแต่เราพิจารณาให้น้องเป็นตายละเพราะมันก็เลยไม่มีความหมาย ทางหลวงพ่อหลวพ่อคะแล้วช่วงเนี้ยหนูปฏิบัติแล้วมันเป็นแบบเนี้ยมันหนูรู้สึกว่ามันดีแล้วพอพอตอนหนูปฏิบัติเสร็จหนูก็นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใจอ่ะมันสั่งว่าให้ลุกขึ้นมาให้ลุกขึ้นมาปฏิบัติอีกให้ลุกมานั่งสี่อะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วหนูก็ลุกมานั่งก็ปฏิบัติอีกไปจนถึงแบบห้าทุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยดึกดึเงี้ยค่ะหนูก็ลุกขึ้นมาทํา ทำเสร็จแล้วใจใจมันมันก็เหมือนเหมือนที่ใจมันบอกว่าเ ว, าวลาจะหมดแล้วนะเวลาคือความหมายอ่ะคือเวลาในการปฏิบัติเราอ่ะมันมันจะหมดแล้วนะต้องรีบอะไรเงี้ยหลวงพ่อมันมันแจ็จิตแต่มันคิดแบบนี้ค่ะหลวงพ่อก็ดีแสดงว่าจิตมีควมามไม่ระบากอ๋อหลวงพ่องั้นไม่เป็นไรถ้าไม่นอนคัะยินนอนน้อยนี่ไม่เป็นปัญหาสถหรับการปฏิบัติ นอนมากเป็นปัญหาถ้ามันถ้ามันไม่ต้องการนอนก็ไม่เป็นไรในสัปชิกไปบ้างก็ได้คเอาการปฏิบัติเอาใจให้สงบอย่เรื่อยๆดีกว่าแต่ก็ต้องมีแต่ต้องรู้จักพักผ่อนบ้างนะมันกั่งกันก็ต้องมีการพักผ่อนบ้างแต่บางช่วงบางเวลาถ้ามันไม่อยากจะภาพบรรยากาศปฏิบัติก็เอาเลยแต่อย่าให้มันสุดโตกไปก็แล้วกันมันต้องมีเวลาให้กับการพักผ่อนด้วย เนี่ยเดี๋ยวร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ลําบากขอถามหลวงพ่อได้ไหมคะหลบลวงพ่อตอนหลวงพ่อปฏิบัติหลวงพ่อปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเลยหรือเปล่าคะก็ต้องเดินตื่นย่อหลับต้องสุขสติตลอดเดวลาไปควบคุมใจก็บคุมความคิดให้อยู่ในปัจจุบันให้ใจอยู่ในปัจจุบันไม่ให้ลอยไปอดีตนานาคนให้อยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทํำต่าง น, น, น่นาจับ มีเวลามีเวลาก็นั่งสมาธิหรือเดินโยกงบเลยแต่หนูไม่ได้หนูไม่ได้เดินเลยค่ะหนูชอบนั่งอนะคะก็เป็นเวลาขอให้ปฏิบัติในท่าใดท่าหนึ่งก็ได้อขอปฏิบัติด้วยการมีสติถ้าไม่มีสติก็ไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติหรือแม้จะนั่งสมาธิแต่ท่าใจไม่มีสติก็ไม่ไม่ไม่ถือว่าปฏิบัติถ้าทําอะไรไม่มีสติก็ไม่ก็ ถ, ถือว่าไม่ไม่ได้ปฏิบัติ ว่าตัวปฏิบัติที่แท้จริงก็คือตัวสติกนี่ค่ะหลวงพ่อหลงพ่อคะแล้วหนูสงสัยอะค่ะหลวงพ่อ ค, คือกายอ่ะกายอะมันเป็นธาตุของใจแล้วไม่ได้เป็นธาตุของจมันเป็นคนรับใช้ใช่ธาตุ่ะแล้ ว, แ ล, วแล้วทีเนี้ยแต่ว่าแต่ว่าคนที่จะทำให้ใจมัน มันไม่ทุกข์มันไม่มีกิเลสเนี่ยมันก็คือใจเองอ่ะหลวงพ่ อ, อมันก็ใจมันเป็นง้อไงต้องใช้ปัญญาพระพุทธเจ้ า, จามาสอนอ๋อหนู ก, ก็ตอนแรก ใ, <จ>ใจเป็นหลงคีดว่าใจตัวเองเป็นรนน่างกายพระเจ้าบอกร่างกายไม่ใช่เราเราเป็นใจแล้วเป็นเพลังสามให้ร่างกายทำอะไรต่างร่างกายมันจะตายเราก็ไม่ได้ตายไปกับมันเข้าใจไหมอ๋อหนูหนูมันงงตรงที่ว่าอ้า ตอนนี้มันเหมือนก็เราก็ต่อสู้กับใจตัวเองก็เลยเลยงงอะค่ะหลวงพ่อก็สดงว่าความงงอะแสดงว่าที่เราที่มันมันหลอกเราทําให้เรามาทุกข์กับหน้ากายคราเสอนความจริงว่าเไม่ต้องไปทุกขกับมันหน้ากายไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นตัวเรามันจะตายมันจะเป็นอะไรมันไม่มันไม่ได้มาทําให้เราเดือดร้อนที่เราเดือดร้อนเราไป็นหลงคิดและเราเป็นมันช่ไหมเขใจนะ มันคือปัญญาอนัตตานั่งตาก็อนัตตาเป็นอย่างนี้หลวงพ่อค่ะเดี๋ยววันวันเสาร์เสาร์ที่นี้หนูก็จะไปอยู่วัดอีกแล้วค่ะไปได้ทลาย ไ, ไปเลยเนยะแต่ต้องไปก็ปฏิบัตินะไม่ใช่ไปไปอยู่เฉยๆนะค่ะหนูหนูก็ปฏิบัติค่ะหนูก็ <Okay. S 2> ไปไป เแล้วก็ไปปฏิบัติคือแต่ว่าระยะเวลาที่จะไปได้มันน้อยวันนะคะห oh, ลวงพ่อไม่เป็นไรทำทำั้งที่เราทําได้ค่ะหลวงพ่อวัน <Okay. S 1> วันนี้หนูมีคําถามแค่นี้ค่ะหลวงพ่อเาธุ okay. สาธุขอบพ <Okay. S 1> อบคุณหลวงพ่อค่ะสาธุคุณชนะดาเช่นญาติดาได้ยินไหมอ่านใบไม้กระโปรงตานะอ่านน ะ, อ, ะ, อ, ยนะ อ, ะอยู่ที่ไหนหายไปแล้ว อยู่สมุดปราการค่ะผ่าจันที่เซ็นซายฐานทุกวันพูธใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะผ่าจย์ใช่ค่ะอันนี้มาอยู่ศรีราชาเหรอเนีตอนนี้วันนี้อยู่สมุดปราการค่ะจะไปศรีราชาก็คือไปทํางานเป็นบางวันค่ะแล้วก็ยังยังยังไม่ได้ไปไปอยู่ถือสินอะไรอีกยังไม่ได้ไปค่ะอืแต่อยู่บ้านอยู่บ้านก็ ก็แผลเออเขาเรียกว่าอะไรก็ก็ก็ปฏิบัติบ้างอ่ะค่ะตอนก่อนจะนอนตอนนี้ก็นั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์นั่งสมาธิตอนง่วงตอนหลับใช่ยังไม่นั่งตอนที่มันง่วงกันเดินสมาธิแทนคือคืออยากรู้ว่าค่ะว่าถ้าถ้าตอนง่วงแล้วเราจะนั่งให้ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะนั่งอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์จะเป็นยังไงก็มันมัเห็นความมันเห็นความง่วงนะคะพระอาจารย์ แล้วก็ความเมื่อนะเมื่อเวาที่เ<ม>อ่อกล้ามเนื้อบนใบหน้าอะไรยเงี้ย ม, มันมองมันเห็น ม, มันเห็นแล้วคือมันก็ไปได้ค่ะอาจารย์แล้วพวกนี้มันก็หายไปเองความง่วงอะไรมันก็หายไปเองค่ะอาจารย์เรพยายามก็ช่วยมันได้ครับใช้ได้ค่ ะ, คะก็เลยรู้สึกว่าก็เลยลองทําดูบ่อยๆพอาง่วงเพราะเริ่มรู้สึก ง, ง่วงง่งง่วงอะไรเงี้ยก็เลยไปนั่งสมาธิอะไรเงี้ยค่ะ คืออยางไม่ควไม่ควจะรอให้มันทุกไมนั่งคนจะนั่งตลอแล้วแล้วมันง่วงกับเหน่อยสู้กับัไตคือ้ามัมีเวลานั่งพอถึงเวลานั่งมันจะง่วง่วก็บต้องนั่งไม่ใช่ว่าเดี๋ยวรอให้ง่วงก่อนแล้วค่อยมานั่งไม่ใช่เดี๋ยวถ้ามันไม่ง่วงถ้ามันไม่ง่วงก็มายอมนั่งไม่ได้นต้องนั่งนั่งบ่อยๆนั่งมากๆค่ะ ง่วงให้ง่วงกันตั้งนั่งจะมารอให้ง่วงก่อนแล้วค่อยนั่งนอกจากการพิสูจน์ว่าเวลาง่วงเราสู้กันได้ก็ต่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่แบบทับตลอดเวลาไม่ะั้นอย่าง น, นี้มันก็จะต้องรอให้ง่วงก่อนถึงนั่งค่ะอาจารย์แล้วตอนตอนพอตอนจะนอนจริงอ่ะก็ก็นอนสมาธิพระอาจารย์ค่ะนอนสมาธิแล้วก็ก็ก็ เขาเรียกว่าก็สงบดีค่ะพระอาจารย์เห็นคือคือจนเขาเรียกว่ามองมองเห็นว่ากายกับจิตมันคนละส่วนอะไรประมาณเนี้ยค่ะก่อนตรวจจะหลับทุกวันอะไรเงี้ยค่ะจะนิ่งจะได้ประมาณเนี้ยค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนั้นวันนั้นก็มีเรื่องมาทดสอบจิตนิดนึงอะค่ะพระอาจารย์คือโดนด่าค่ะพระอาจารย์ โดนผู้ใหญ่ที่บ้านด่าแบบโอ้โหมากค่ะพระจ่าไม่ไม่เคยโดนด่าแบบนี้มานานมากแล้วค่ะพระจ่าดีถือว่าเป็นข้อสอบถ้าแม่ปฏิบัตถือว่าเป็นข้อสอบตอนนั้นก็แบบก็เอาลมในศัพท์เาลมค่ะหนูก็ท่องนะคะดินน้ําลมไฟดินน้ําลมไฟคือตัวเราอ่ะเป็นแค่ดินน้ําลมไฟอะไรเงี้ยค่ะพระจใช่เขาก็เป็นดินน้ําลมไฟค่ะเสียงเสียงมันเสียงมันก็เป็นลมค่ะ แล้วที่สําคัญ น, นะปกติถ้าโดนด่าก่อนหน้าคนอื่นเนี่ยจะอายนะเมื่อก่อนนี้จะอายมากเลยก็คือแล้ววันนั้นคนก็อยู่เยอะด้วยค่ะพาร์ทารย์นคนอยู่หน้ามัดมีชนมีสติก็แม่มีสติก็ไม่อายสู้นะ <c oughs> ทำ<ต>มุทโตไปสั้นดินน้ำลมไฟไปก็ไ ด, ดนนไ้ดินน้ำลมไฟดินน้ํามลมไฟพอไปสักพักหนึ่งมันก็คิดได้แบบก็เรื่องของคนอื่นอะไรเงี้ยใครมีใครมีปัญญาคิดยังไงก็แล้วแต่เขาอะไรเงี้ยเรื่องของเขากันอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยไม่แม่ แล้วตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่อายไม่ไม่อะไรแล้วก็รู้สึกว่าถ้าโดนด่าอีกต่อหน้าคนอื่นเยอะๆก็คงไม่รู้สึกอะไรคิดว่านะคะคิดว่านะคะคิดว่าทำคิดว่าทำได้ครั้งนึงมันก็ทําได้ด้วยแน่ๆค่ะพระอาจารย์แล้วแล้วก็อาการกลัวความมืดกลัวอะไรเงี้ยมันก็น้อยลงเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าคือเราจะถามว่าเราถ้าเราไม่ถ้าเราตั้งใจว่าเราไม่ไม่ไม่กลัวตาย ไม่กลัวตายแล้วเราจะกลัวสิ่งเหล่านี้ไปทําไมอะไรเง<ช>ี้ยค่ะอาการกลัวผีมันก็เลยเริ่มลดลง<ช>ลดลง<ช>ลดลงไปเยอะเลยค่ะพาอาจารย์<ช>แต่แต่ให้ไปอยู่คนเดียวยังไม่แน่ใจนะคะในในในในกุฏในป่าอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยยังไม่มั่นใจว่าทําได้หรือยังอะไรเงี้ยค่ะเราอยู่กับผีมาตั้งแต่วันเกิดไม่ไม่กลัว ม, <c oughs> มันตั้งใจมันเป็นผีวรือล่ า, า ม, มันตายเออใช่ค่ะาอาจารย์ ใช่ค่ะโค้งกระดูกมัอนอยู่ที่ไหนมันไม่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยอยู่<ะ>โค้งกระดูกมาตั้งแต่วันเกิดไม่กลัวไม่กลัวโค้งกระดูกที่เข้าห อ, อกองไว้ข้างนอก ท, ทํ<ะ>าไมค่ะค่ะแล้วปัญญาพิจารณาอะเสร็จแล้วมันจะเล่าว่าเราอยู่กับผีตั้งแต่เกิดแล้วอยู่ตอนนี้ก็อยู่กับผีอยู่เนี่ยโค้งกระดูกก็อยู่ที่เราค่ ะ, ะถ้าถูกก็คือร่างกายเรานี่ ค่ะพ อ, พอไม่หายใจต้องมันก็เป็นชาติสลบมันน่ากลัวตรงไงนอะต่อไปมันก็ไม่กลัวไอ้ไอ้กลัวผีที่มันไม่มีรูปมีหน้ามันเป็นกลัวกลัวผีหลอกมันไม่ใช่ผีจริงผีที่ใจเราไปปรุงแต่งขึ้นมาเองโอ้ยเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาจะ <c oughs> ยินเสียงลมพัดตามผีมาแล้วอย่างเงี้ยพราะพรพรแบบมีอะไรลักษณะแบบนั้นก็พยายามจะดูอ่ค่ะอ า, าจารย์ ไปดูเลยว่าแบบไปดูแล้วก็ดูใจตัวเองอะไรเงี้ยค่ะพาจารย์ เ, เหมือนแบบค่อยค่อยพิสูจน์ไปอะไรเงี้ยค่ะพิสูจน์ใจตัวเองไปเรื่อยๆอออสอนใจไปเรื่อยๆออถ้าไม่กลัวตายเราไม่กลัวอะไรผีมันอย า, ากมาทําะไรมันจะทําอะไรมันก็ทําได้ให้ร่างตายตายเท่านั้นเองค่ะอืม เ, เหมือนกับว่าถ้าอืมเหมือนเหมือนต้องแบบถ้าตัดจะให้จิต คือตัดกิเลสออกไปได้มากมากที่สุดเหมือนจะต้องมีจะต้องดํารงสติให้แบบร้อยเปอร์เ็นเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้ามันไม่มีก็ใช้ก็เหมือนตอนที่เราถวก็ดา่าก็เหมือนกันเราทํางดินน้ําลงไปไปท่างดินน้ําลงไปไป<า>อะไรไปอย่างนั้นค่ะหรือ<า>พุทโธพุทโธไปก็ได้พุทโธธรรมสังโฆพุทโธธรรมสังโฆไปเวลาไก่ความกลัวขึ้นค่ะ แต่ในคํามกัวก็จะดับเพราะความกลัวก็จาก จ, จิตเป็นรุงแต่งคิดถึงเรื่องที่น่ากลัวเองค่ะพระอาจารย์ค่ะเอ่อตอนนี้พรุ่งนี้เช้านะคะพระอาจารย์จะมีข้าวกล้องแล้วก็ไก่ผัดขิงแล้วก็อะไรนะสับปะรดอะค่ะที่จะถวายตอนนี้ตอนนี้มีเพื่อนมาร่วมใส่บาตรด้วยแปดคนแล้วนะคะพระอาจารย์ เอ๋เอ๋นี่บอกจะไม่ไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยววันที่ยี่แปดนี่ไม่พอมีคนจองมันเยอะแยะเปนหมดตอนดี้ยี่แปดปีนี้เขาไม่ได้ตัดบาทเทโวะไงพแล้วก็เลยออกมาเป็นดับบาทตามปกติมันก็มีจองมันก็เป็นวันตัดบาทเทโวเอย่างนี้ทเป็นวันตัดบาทเทโวะกันค่ะอืมก็ของนิโมุทนานะก็ ต่อไปก็อาจจะไปทําที่ให้กับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากคนที่อดข้าวอามันก็ได้ค่ะมีอาหารไปรวมกันจัดข้าวสารอาหารให้ไปแจกคนที่คนที่ตาทุกข์ยากเนยบาาง้ามันเหนึ่อแต่ก็ไม่เป็นไรอาหารที่เเดี๋ยวนี้มีคนมารอรับอาหารที่ที่รถบินจักรยานี่เป็นหลายสิบคนค่ะหนูก็แบบตอนแรกก็คิดตอนแรกเลยอ่ะค่ะ ที่ที่เริ่มใส่บาททุกวันพื่อหาอะไรเงี้ยก็มองว่าเป็นวันที่แบบของใส่บาทน้อยอะไรงนี้แล้วก็เป็นช่วงโควิดนะคะพระอาจารย์<ม>ก็มองว่าอาหารน่าจะมีไม่มากพอไหมอะไรเงี้ยคะ่ะพรอาจารย์<ม>แล้วอ่าอืมพอพอไปพอมาระยะหลังๆเพื่อนๆก็เลยมาร่วมร่ว ม, ร, วมร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เยอะขึ้นไปเองอะไรเงี้ยค่ะไม่ไดี อันนี้ไม่ไม่ไต้องกั<ฆ>นนะงวลน่เพราถ้ามีเหลือเท่าไรก็ไปแจกต่ออีกทีนึงไม่ได้เก็บเอาค่ะ<ฆ><ฮ>แล้วก็มีมีอีกมีเรื่องหนึ่งอะคะ่ะพระอาจารย์เออมันเอ่อ ม, ออ ม, มีมีวัดวัดหนึ่งที่ยังไม่ได้เป็นวัดนะคะเป็นที่พักสงฆ์อะคะ่ะทีนี้เอ่อในตัวพื้นที่อะคะ่ะพื้นที่ที่จะเขาเรียกว่าที่ดินวัดอะคะ่ะยังไม่มากพอที่จะจะ ตั้งเป็นวัดได้หรืออะไรเนี้ยค่ะยังติดปัญติดตีดปัญหารเรื่องเรื่องเรื่องที่ดินอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยตั้งใจว่าจะช่วยจะช่วยเขาอะไรเงี้ยค่ะนายเคยซที่ดินมาเพิ่ใช่จริงเกินกําลังหนูแล้วค่ะแต่ว่าหนูตั้งใจว่าหนูจะใช้ความสามารถเรื่องเรื่องการทํางานเรื่องอะไรเงี้ยค่ะหาเงินมาช่วยคือไม่ได้เรียอะไรใครเลยไม่ได้ขอใครเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเก่งใจอะค่ะไม่ไม่แน่ใจว่าอย่าไปรบกวนคนอื่แต่ถก็อยากจะร่วมก็ได้ ค่ะอย่าไปรบกวนเขาพลาดค่ะอันนี้นี่ไม่ถือว่าไม่ถือว่าหนูแบบบ้าบุญอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพระอาจารพราะหนูก็ไม่ได้คิดเรื่องบุญนะคะแต่หนูอยากช่วยวัดแค่นั้นเลยใจก็รบกวนคิดว่าถ้าจะได้นอาไปหาเงินมาทําบุญนี่เขาเรียกว่าบ้าบุญค่ะค่ะวามนรินถ้าไม่บ้าเราต้องทําแต่จะก็กำลังตามกํำลังของเราเรามีทำเท่าไหร่เราก็ทำเท่นั้นเอาเวลามาทําบุญอย่างเงินที่มามาล้างสาสินมาปฏิบัติดี่มา หรือว่าถ้าคือเรารู้สึกรู้สึกอยากช่วยอยากให้บรรลุอยากให้สําเร็จไปซะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เปนกิเลสได้ถ้าเป็นกิเลสเป็นกิเลสได้ความอยากถ้ามันเกินกําลังของเรามันก็เป็นกิเลส้องทําตามกําลังของเรามีเท่าไหร่ก็ทาเท่านั้นอถ้าอยากจะทํามากกว่านั้นไปหาเงินหาทางเงินี่เป็นกิเลสแล้วนะคะเราคิดว่าเป็นโปรติกหนึงไม่ได้เหรอคะอาจารย์ เป็นโปรมไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นโปรเจกต์ของเราโปรเจกต์ของเราคือรักษาเสาียอ๋อโอเคค่ะค่ะมันจะเสียเวลามันจะเสียเวลาการภาวนาของเราค่ะ <c oughs> พระอาจารย์เขาจะอย่างมันจะมีโปรเจกต์ติดตามมา <c oughs> เพราะได้ที่ดินแล้วก็ต้องปลู ก, กติแล้วสิแลปู ก, กติก็ต้องสร้างกำแพงแล้สิมันก็จะ <c oughs> ไปเรื่อยๆตามมาอยู่เรื่อยๆน่าทารุณเต็มบ้านบุญเมงและก็ไว้กันอยู่ไม่ได้ ก็อยู่แล้วมันรู้สึกนะทําให้สมบูรณ์ทําให้ครบเนี่อือฮึได้ค่ะพอาจารย์เห็นว<ด>่าบ <ทำ S 2> ุญตาม ก, กําลังของเรามีเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นพอหมดแล้วก็จบไม่ต้องไปหาเงินมาทําบุญเนี่ยจบแล้วเร า, าจะได้เอาเวลาไปปฏิบัติธรรมดีกว่าค่ะอ า, าจารย์ได้ค่ะค่ะน้อมค่ะพอาจารย์น้อมรับค่ะพอาจารย์ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะอาจารย์ค่ะคุณเบลลี่จากกรุงเกตเช่ หายไปที่หนึ่งแล้วไม่ไม่เจอหน้าวันนี้ไม่มีอะไรเจ้าค่ะมารับฟังค่ะหายไปาขา ป, าป้ามากราบหลวงพ่อเร็วอ่าเป็นยังไงสบายดีนะาอาจสบายดีครับต อ, <laughs> อนนี้อยู่ที่ภูเก็ต น, นะใช่เจ้าค่ะอยู่ที่ภูเก็ตเจ้าค่ะ เป็นโรงแรมที่มีอยู่นีทงงนออ่ทําโรงแรมทํารงแรเอ่อทําโรงแรมเจ้าค่ะอันนี้ล่ามีแขกมาพักก็นยังของหนูมีค่ะเพราะตลาดไทยแต่ของสามียังไม่เปิดกําลังจะเปิดค่ะโ อ, โอเคแล้วขอมีแขกมาพักเอยอะๆนะค่ะขอบพระคุณแม่เจ้าค่ะค่ะขอบพรคุณใจเน้นก็อย่างเชิญท่านต่อไปหนูพ่อเลยหนูพ่อผ้าเลย พระเพิ่มศักดิ์เ่อไได้ยินมไหมเชิญแบบได้หน่อยอยู่ที่ไหนอ่าเสียงค่อยไปหน่อยได้ยินนะครับหลวงพนอครับผมพระเพิ่มศักดอ่าสมาหิตโตนะครับอยู่วัดเขาพงสกิจพุทธจารย์ครับหลวงพ่ออยู่จังหวัดอะไรยุชนบุรีเนี่ยครับครับผมอยู่ ตำบลอตะเคียนเตี้ยครับอ่าตะเคียนเตี้ยครับผมอำเภอบางละมุง ท, ที่เป็นเงินจำนี่นตะเคียนเตี้ยครับที่นั่นของเงินจำนะครับผมมีอะไรไหมก็วันนี้ก็เพิ่งมาเข้าอ่ามารับฟังครับครับผมในการปฏิบัติของผมก็อ่าตอนแรกๆ ก, ก็จะเป็นพุโทโธครับตอนนี้ผม อ่จำบรรษาที่วัดนี้ได้สองพรรษาแล้วครับหลวงพ่อครับบวชนานไหมยังก็บวชตอนที่อ่ในหลวงราชการที่สีนะครับอานที่บรรษาแล้วตอนนี้ตอนนี้สองพรรษาแล้วครับจะเข้าบรรษาสามแล้วครับจะเข้าพรรษาสามครับก็ดีขอให้บวชไปนานๆปฏิบัติไปเรื่อยๆนะครับผมไม่มีคำถามเลยนะ ไม่มีคำถามครับโอเคยังไปที่คนนุ่งที่ว่าต่อคนที่ว่ามามาวัดเมื่อไหร่เมื่อวานนี้ใช่ไหมเมื่อวานนี้จะค่ะอาจารย์อ ต, อตอนจําไม่ได้แต่พอพูดบ้างก็จำเสียงได้ไดีใจที่ได้ไปกล่าวพระอาจารย์เมื่อวานค่ ะ, ะวันนี้ไม่มีคําถามกันเดยมค่ะ ม, มีคําถาม เ, เดิมนะครับทไปแล้วปฏิบัติอยูนะ่ใช่ไหมค่ะครับ อย่ฟังเฉยๆนะฟังแล้วาเราไปปฏิบัตินะค่ะปฏิบัติทุกวันคุณอาจารยเออคุณกาพิษคุณกาพิษเนี่ยใช่คุณกายพิษเราได้ไปกาพิษเชียต้าอยู่นะเอ่ออยู่เพราะแล่นครับอาจารย์นที่หนึ่งที่กาเจกับไทยครับมาเยี่ยมคือทาร้านอาหารแล้วก็ลูกมาเรียนที่นี่ครับก็เอ่อ ผมผมเพิ่งจะกลับจากชิคาโกไปวิ่งมาราธอนมาครับอาจารย์ก็มีบทบทต่ อ, อ, อตามที่ได้เรียนจากอาจารย์มาคือตอนขากลับเนี่ยฝนมันตกครับเครื่องบินก็จะ โ, โหตันโยกระลออย่างเงี้ยนะครับก็ก็นึกถึงว่าเออเรากลัวตายไหมเนี่ยนะครับก็ก็ก็ไม่ไม่ได้กลัวตายครับแล้วก็ พยายามบริการพ ER ุดโธพุดโธพุดโธไปแล้วส <so ักพักเครื่องก็หยุดหรือสักพักก็มาใหม่อย่างเงี้ยครับก็ก็เลยอยากจะขอคําที่แนะจากพระอาจารย์หน่อครับว่าเออตรงตรงนี้นี่เราเออยังไงต่อดีครับพระอาจารย์ครับก็ถ้าตอนนั้นตรงได้ดีตายก็ตายว่านั่งตายไม่ใช่ตัวเราของเราห้ามมันไม่ได้เวลามันจะตายให้มันตาย ถ้าปลงได้ามันก็ไม่ต้องพูดโธใจมันก็จะนิ่งใจเย็นจะเฉยครแต่ถ้าพูดโธอยู่แสดงมันยังปองไม่ได้ครับโธช่วยช่วยช่วยลดความทุกข์ความกลัวให้มันน้อยลงช่วคขาวได้ครับก็ดีครับจะได้มีโอกาสภาวนาจริงๆเพราะเราถ้าไม่กลัวตายมันไม่มันมันจะไม่มันจะไม่ภาวนาครับครับรู้สึกเหมือนกันครับแล้วศีกสงบขึ้นไม่เวลา พูดโทพูดโทเพราะมั น, ม, นมันพูดโทอย่างจริงๆเลยทีนี้มันหวังพิ่มพูดโทรจริงๆเลยใช่ครับใช่แล้วก็นั่งเหมือนกับเวลานั่งสมาธิต่อเอบินกลับมาสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยก็นั่งได้นาน ย, ยาวๆไปนะครับอารย์ครับแล้วก็อีกอีกอันหนึ่งครับก็คือที่พระอาจารย์เคยเคยบอกว่าความสุขจากการ นั่งประมาีิความสุขและความสงบเนี่ยมันมันเราสามารถทําได้เองสามารถไม่ต้องไปยืมเงินเนาะก็ก็กมาเที่ยวนี้ก็จะเห็นเห็นความเห็นความไม่เที่ยงเนาะของความสุขเวลายอยู่กั บ, บครอบครัวเอเวลาเราไปเที่ยวอนะไรเงี้ยนะครับก็มีสุขสุขทุกๆกเราเราเราควบคุมไม่ได้เรามันมันมันมันไม่เที่ยงอะไรเงี้ยครับอาจารย์ <c> ต่อไปก็จะมาความสุขจากความสงบดีกว่าเหมือนที้แท้แน่นอนมันมากกว่าใช่ครับใช่ครับก็เป็นแบบที่อาจารย์สอนครับก็เวลาเหมือนเจอบททดสอบเหมือนเหมือนเจอข้อสอบนะครับว่าอาเวลาตกอยู่ดีๆสักพักหนึ่งก็อับกับประทุกข์อีกแล้วอย่างเงี้ยครับก็เราควบคุมไม่ได้จริงเลยเนะี้ยครับก็ก็แล้วสักพักนึงแล้วก็ ก็ต้องไม่อยู่ด้วยกันเดะ๋ยวน้อใช่พ่อเปลี่ยน<ช>เป็นไม่ดีหา ค, ความสุขแบบใหม่ดีกว่าหาความสุขจากความสั้งหมดีกว่าครับซึ่งมันก็เป็นแค่เอ่อจุดเริ่มต้นเป็นเบื้องต้นของการเรียนใช่ไหมครับอาจารย์ใช่มัเริ่มเห็นเห็นเถอเห็นเถอยของความสุขที่เราเคยหาอยู่เพราะมันต้องให้ความสูขกับเราไม่ช้าก็ เ, เนนริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนหาความสุขแบบพ่อพุทธเจ้านีกว่ะ โอเคนะมีอะไรมไม่ครับกลับกลับขอบคุณครับแล้วกลับมานนี่ก็จะให้กลับตัวเองกับวันที่ไหนเอ่อก็ยังตามข่าวอยู่ครับเหมือนกับไม่ต้องกัดแล้วนะไมต้องกักแล้วฉีดสองเข็มแล้วใช่ไหมผมฉีดที่โรแรมมาสองเข็มแล้วก็ฉีดเอ่อมาฉีดไฟเตอร์หนึ่งเข็มแล้วก็กลับว่าจะฉีดไฟเตอร์อีกหนึ่งเข็มครับก็จะได้เวลาเวลาไปไหนมาไหนที่เขาไม่ ไม่รับชิโนโแวร ก, ก็จะมีไฟเตอร์อย่างเงี้ยครับเพราะ<ช>ว่าเดี๋ยวพาต้องไปต้องไปที่ยุโรไปที่อะไรเงี้ยครับก็จะได้ไม่เป็นปัญหาครับได้ดีโอเคใารจะเชินใหม่นะครับกราบครับท่านต่อไปคุณวลินคุณวอลินเชิญเอาละมัน่นใจครับ่ารับ จะสอบถามหลวงพ่อเรื่องหนึง่งเช่นวันนี้ผมเดินอย่างเช่นเดินตกหลุมปั๊บแต่ตก็ตอนตกหลุมนั้นประมาณหนึ่งวินาทีจิตมันคิดพุทโธในช่วงตกหลุมเพราใจมันหล่นแป้วแล้วก็พุทโธนึดถึงพระเจ้าพระเจ้าก็อยู่นิพพานพระเจ้าไม่มีร่างกายคือแบบแค่หนึ่งวิมันคิดได้ถึงขนาดนี้เลยแบบไม่ได้กําหนดคิดนะครับแต่ว่าพอตกหลุมปั๊บใจกรตกุม c, ต่มไปคิดพุทโธเลยใช่ความคินมันเร็วมากเร็วนิบ่าวสายฟ้าวแรกครับคือแบบมันเกิดจากการที่เรา ฝึกบริกรรมบ่อยๆหรือเปล่าครับแบบใจหล่นตุ๊บแทนที่จะหล่นไปกับเท้ามันหล่นไปหาพุโทโธอย่างนั้นนะครับหลวงพ่อก็ไม่รู้นะมันจะเป็นเจาใจอะไรก็ไม่ต้องไปก้าวลอย่างนั้นให้รู้ว่าเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันอ้แล้ามันดีหรือไม่ดีเนี่ยให้รู้ตรงนี้ดีกว่ามันดีหรือไม่ดีดีครับมันทําให้ใจเราไม่ตื่นเต้นตกใจหรืึเปล่างันดีกว่าใช่ครับตบางคนนี่อาจบางทีอาจจะโกรธขึ้นมาก็ได้ใครมาทำหนูไม่ปลุกตกก็ได้ ไ่โทษคนอื่นเมันไมได้โทไม่ไ ด, โ ท, มดโทษที่ตัวเองไม่มีสติครับมันก็มาคิดว่าหล่นตุ๊บไปเอออย่างน้อยเราก็คิดในใจว่ า, าบริกรรมพุโทโธแบบถ้าตายตอนนึกถึงพระเจ้าอย่างน้อยก็ไปสวรรค์แล้วแบบมันคิดเร็วขนาดนั้นนะหลวงข้อแบบหนึ่งไม่น่ดีอะไรอย่างนี้นดีจรจิตเรารวันนี้ปัญญาเราเร่มเร็วขึ้นนะ วันนี้มีคําถามจะฝากถามหลวงพ่อครับที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายชอบสอนเวลามีคนสําคัญตายหรือผู้ที่มีอย่างหลวงปู่ตายท่านจะไปเทศว่าถึงแม้ร่างกายของท่านจะตายแต่คุณงามความดีของท่านจะคงอยู่ตลอดไปก็เลยอยากรู้ว่าที่คงอยู่ตลอดไปมันคือ ย, อยังไงครับหลวงพ่อก็อยู่ในความทรงจําของเรานิดหนึ่งแล้วก็คุณงามความดีถ้าเป็นธรรมะก็ยังไม่มีวันตาย ธรรมะที่ท่านสอนนี้ก็ยังทําคุณประโยชน์ต่อให้กับผู้อนต่อได้นะครับธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านพุทธเจ้าตายมาตัางง้บบตงสองห้า้อยกว่าปีแล้วแต่ธรรมะคําสอนพระทเจ้าก็ยังทำํำคุณทําประโยชน์ต่อไปได้ครับอืมแล้วก็คุณงามความดีที่จะอยู่ต่อไปได้แต่ว่าอย่างเช่นของพุทธเจ้าเราก็อยู่แค่ห้าพันปีแล้วก็จะหายไปอย่างนี้ใช่ไหมครับหลวงพ่อมันก็จะมีช่วงเวลา ใช่ในชวนั้นเราจะไม่มีใครทราบซึ้งในคุณของความดีของของของพระพุทธเจ้าไม่มีใครศึกษาไม่มีการปฏิบัติครับก็อีกคําถามหนึ่งครับที่หลวงพ่อสอนว่าบุญคือความสุขใจแล้วเวลาเรานึกถึงคนดีๆแล้วเรามีความสุขใจมันถือว่าเป็นบุญด้วยไหมครับเป็นกุศล น, นี่เลยถ้าเป็นความคิดนี่นเลยเป็นกุศล ยังไม่เป็นบุญเป็นบุญนี้ต้องมีการกระทำทางกายทางวาจาถ้าคิดว่าถ้าคิดเปทำร้ายผู้อื่นกเป็นอกุศลใจยังไม่เป็นบาปการที่ทรรมะนี่คือต้องเป็นสิ่งที่ เรียบร้อยใช่ไหมครับหลวงพ่อเรียบร้อยนี่คือแบบใจเราเรียบร้อยการกิริย า, าต่างๆก็จะออกมาจากใจมันจะเรียบร้อยตามอย่างนี้ใช่หมครับหลวงพ่อธรรมคือความสงบนะมันสงบใจที่สงบมัจะทาอะไรก็จะทาแบบสงบไม่ทำแบบวุ่นวายครับอใ จ, จนะฮะโอเคครับผมคุณคต่อไปนะโอเคควรวางได้จึงเบาตอนทีน่วา<ห>งอยู่ก็เบา าาการแร่งาสกาแ้วค่ะพระอาจารย์วางอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์เ้าค่ะก็ช่ยมก็ปฏิบัติเรื่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติเรื่อยๆเมื่อสออาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์บอกว่าอ่าพอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันคือมันเหมือนกับว่าเราต้องเห็นทุกข์ก่อนพอเรามานั่งปฏิบัติมันถึงจะเห็นความแตกต่างถึงความสุข แล้วก็ทุกที่เราเจอเนี้ยเจ้าค่ะแต่ยอมว่ามันคือที่จริงแล้วการมีขันท่าการมีอะไรพวกเนี้ยมันคือมันมีแต่ทุกน้อยกับทุกมากใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คือแบบเหมือนควบคุมอะไรก็ไม่ได้เจ้าค่ะจิตก็ควบคุมไม่ได้ร่างกายก็ไม่ได้ควบคุมอะไรไม่ได้เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ ต, ต้องปล่อยอย่างเดียวก็้ค่ะก็ถ้ามันก็มีอยู่สองพวกผุ้ทุชริตก็ยังแบบอยู่พ ว, พวกพวกพระอรหันได้ก็ท่านก็ไม่แบกท่านปล่อยอแต่ท่านก็ยังเป็นภาร ะ, ะขอมันอยู่เพราะมันต้องเลี้ยงดูมันอยูแต่เราจะไม่มเลี้ยงดูแบบดึงความวิตกกังวลเข้ามาเาเลี้ยงดูแบบตามนะเป็นตามมีตามเกิดอยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็ไป เจ้าค่ะดีเจ้าค่ะโยมก็ปฏิบัติเรื่องเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมจะขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายเรื่องอวิชชาเจ้าค่ะพระอาจารย์คือมันคือความไม่รู้ไม่รู้วิญญาณศีลไม่รู้ใจ้าค่ะไม่รู้จักจิตไม่รู้จักตัวของมันเองไปหลงคิดว่าร่างกายของโยมนีอวิชชาใค่ะความของ วิศกรรมใช่ก่อน <c oughs> ไม่รู้ว่าโลกนี้กงหอว่าไปคิดว่าโลกเหมือนกันใช่ไหมคะาดวิชาวิชาความรูอ <c oughs> ออ้อัะต้องแปลว่าไม่มีอ่ะ <c oughs> มไม่มี <c oughs> มไม่มีความรู้ใช่ไหมคะ ย, ยมจะมองว่าจิตนี่มันเป็นตัวสร้างเรื่องสุดยอดเลยนะ่ไหมคะอาจารย์มันคืออย่างโยมลองสังเกตดูเนี้ยนะคะแป๊บเดียวก็ไปนู่นละ เดี๋ยวก็ไปนี่แล้วคือมันสติแราไม่มีกังพอเราไม่คงอแล้วค่ะแมันีนไปเจ้าค่ะยมลองดูว่าเอ้ยมันจะไปยาวขนาดไหนพอเราเหมือนกับว่าเราลึกรู้มันก็หนับเจ้าค่ะก็ยอมก็ดูว่ามันมีสติปั้มันก็หยุดเรเพิ่มสติันเขไปเจ้าค่ะเรเร็วค่ะองฝึกสติให้มันมากขึ้นถ้ามันเป็นชั้นปัะคั ไม่ให้มันขานม่ใ้าันเเจ้าค่ะเจ้าค่ะมีอะไรไหมวันนี้หมดแล้วเหรอหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคนะก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะคุมจิตให้ไคุมจิตให้ไดอ้อย่าให้มันโล่มันกนมันหลงในเรื่อการดูจิตให้มันดูอย่างนี้เจ้าค่ะมันสร้างครับทุกให้กับเราเจ้าค่ะโอเคนะเจ้าค่ะกราบสาธุเจ้าค่ะ ท่านต่อไปคุณปริศาเลยปรามิสาปราิสาใช่ไหมอยู่ที่ไหนเปิดไมค์ก่อนนะเปิดไมค์อันวิวโอเคพูดได้ลนะค่ะอยู่ที่รามินทาเจ้าค่ ะ, ะข้างหน้าเลยไม่เข้ามานี่อะไรนะคะ เขามาครั้งแรกเขาบอกเขามาครังแรกค่ะพอดีว่าเปิดเปิดกล่าวเฟซนะคะเปิดเฟซบุ๊กแล้วก็มีพี่เขาบอกว่าลองเข้าไปกลาวดูเพระอาจารย์เหมือนซี่ว่าวันนี้เห็นเ้าถ่ายทอดสดก็เลยเข้ามากล่าวตัวค่ะแล้วก็แล้วก็ดีใจที่ได้ได้เจอครั้งแรกค่ะคถามอะไรไหมก็จริงๆก็คืออยากคือหนูว่าโสนเยอะไปหน่อยอ่าไม่ใช่สดมันเยอะหรอ สวดมนต์ก็ประมาณวันวันละชั่วโมงครึ่งค่ะแล้วพอจะมา น, นั่งสมาธิก็เหมือนเริ่มง่วงแล้วก็จะนั่งได้แค่ห้านาทีสิบนาทีก็เลยตกง่วงแล้วค่ะพระอาจารย์นอกเปลี่ยนสวดมนแค่หนาทีแล้วนั่งสมาธิต่อไะไรไม่ดีกว่าพอรหรอคะเอ่ค่ะการสวดมนนี้เพื่อกอบใจให้นั่งสมาธิให้ได้ค่ะว<า>ันทีเราไม่ต้องสวดถึงชั่วโมงคงไไรึ่งก็ได้สวดสักสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วก็ลองต่อด้วยสมาธิเลยคจะได้ไม่ง่วงได้ค่ะ สาธนะุค่ะท่านนี่เหรอค่ะตอนนี้ยังไม่มีคำถามอะไรค่ะแค่บอกว่าทุกวันนี้ปฏิบัติทุกวันแต่ว่านั่งสมาธิน้อยไปหน่อยเจ้าค่ะอ่เป็นเปลี่นาการเฉลิมมวให้มันน้อยลงและนั่าสมาธิให้มากขึ้นอย่างดีค่ะอ่าสาธุค่ะโอเคท่านต่อไปคนนี้เหลอคนนี้เชิญนี่ อยู่ที่ไหนคุณมินีทำนัสการ์ค่ะพระอาจารย์อ่าอออยู่ที่พัทยานี่ไหมอยู่พัทยาค่ะที่เป็นแฟนเป็นชาวมาซิเรไหมใช่ค่ะดาดาดาดาก็อยู่ค่ะฟังอยู่ด้วยเช่นกันค่ะค่ะมีอะไรมีคำถามไหมมีหนึ่งมีหนึ่งคำถามค่ะ ก็คือคือหนูก็พยายามที่จะนั่งสมาธิทุกวันแต่ว่าหนูอาจจะนั่งไปแล้วง่วงค่ะเพราะว่าตื่นเช้าแล้วก็ทำงานทั้งวันพอเรานั่งสมาธิปุ๊บหนูก็รู้สึกว่าง่วงง่วงมากเลยบางวันก็สู้ไม่ไหวก็นอนค่ะบางวันสู้ไหวก็นั่งได้ประมาณยี่สิบนาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะคะหนูไม่แน่ใจว่า ต้องปฏิบัติยังไงต่อก็หนูนั่งนั่งตอนไหน อ, อ่ะเอ่อกลับมาจากทํางานเสร็จแล้วก็เ อ, อ่อทำงานบ้านทํางานบ้านเสร็จแล้วก็อาบน้ําแล้วก็นั่งสมาธิก่อนนอนค่ะโอเคไม่ได้ดูอะไรก่อนไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ทําอะไรหลังจากนั้นก่อนส่วนมากไม่ดูเลยค่ะดีส่วนมากมากะ ก, ก็ต้องพยายามฝึกสติให้ก่อนที่จะมานั่งเวลาทํางานเนี่ยให้มีสติทํา ง, งานที่เราทํา ไปอยากให้ใจไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็ถ้ากินอาหารให้น้อยลงได้ก็ยินดีนอนงดอาหารเย็นได้ไหมเดี๋ยวอาแต่เครื่องดื่มอะไรเบาๆแล้วท่ามันงว่ามันก็จะไม่ง่วงถ้าเรากินอาหารเย็นแล้วมาหน้นสาสมายๆมันก็จะง่วงนู่นเราจะปฏิบัติค่ะจะกินไม่กินอาหารเย็นค่ ะ, ะจริงๆค่ะ กินแค่ช่วงเที่ยงวันก็พอแล้วตอนเย็นๆก็กินพวกน้ผนำผลไม้หรืออะไรเครื่องดื่มไปก็ให้มันมีน้ําตาลมีอะไรหน่อยก็อยู่ได้แล้วมันจะไม่ง่วงถ้ามันกินอาหารเย็นถ้ามันจะ ง, วง่วงเวลาจะนั่งสบายที่มันจะหลับค่ะอันนี้คือแบบหนูพยายามไปเรืเร่อยๆก็จะทําได้ใช่ไหมค่พยายามฝึกสติไ ป, ไปเรื่อยๆนะ คือตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยก็ให้มีสติคอยเฝ้าดูว่าร่างกายเรากำลังทำอะไรอยู่อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ให้อยู่กับร่างกายกำลังแปลงฟันก็ให้มันอยู่กับการแปลงฟันกําลังล้างหน้าก็ให้ล้างหน้าอาบน้าก็ให้อยู่กับอาบน้ำไหว้เนื้อแต่งตัวก็ให้อยู่กับการแต่งเนื้อแต่งตัวทุกขั้นตอนทุกทุกกิริยาบทของร่างกายให้ใจเราเฝ้าดูมันตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่ามีสติ ฝึกสติแล้วพอมานั่งเราก็จะได้ดูสมายใจได้ดไดแล้วพุทโธได้เราจะไม่ง่งวงเราจะไม่หลับแล้วก็ต้องอยากกิเข้าเย็นด้วยถ้าอยากจะนั่งสมาธิให้ได้ผลดีรอบคารู้หนนัมงไปปฏิบัติคะ่ะโอเคแล้วก็อีกหนึ่งคำถามคะ่ะพระอาจารย์คือวันที่21อะคะหนูอยากทาบนญหนูจะ ไปใส่บาตรได้ที่ตรงไหนบ้างคะก็ที่บ้านเพรว่าปีนี้ทํางวัดเขาเขาไม่จัดงานตักบาตรเทวที่วัดธรรมดาวันออกพรรษาเขาจะการจัดงานปีนี้ข้จะคิดว่าป่วยเดี๋ยวจะติดเชื้อกันเนาะว่ามันติดเชื่อกันแมารวมกันเยอะๆก็ ท, าทาําทํางภาคก็เลยไปเป็ น, นบัตรตามปกติมันก็เป็นทบัตรที่บ้านอำเภอตามปกติใช่ไหมคะใช่ตามบ้านค่ะ เราก็าาทาบุญตักบาทเอ่อข้าวเป็นอาหารข้าวหวานได้ปกติใช่ไหมคะได้ข้าวหวานก็ได้ไห้ก็ได้แต่แล้วแต่แตสะดกไม่มีข้อจดกัดสุดท้ายหนูขอขอพรพระอาจารย์ค่ะขอให้ปฏิบัติได้เจริญข้าวหน้าลูกเรียงได้สำเร็จตามคามปรารถนาินทุก ป, ประดับษณ์สาธุค่ะโอเคนะค่ะ เพ่เข้ามาครั้งแรกวันนี้ซึ่งเข้ามาครั้งแร ก, นนาา แ, รกแต่ว่าฟังเทศของผู้อาวุโสแล้วก็ฟังซูมมีโอกาสก็เข้าไปในเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็ศึกษาทำที่พู้อาวาุโสได้สอนไว้ค่ะ <Okay. S 2> ก็นําไปปฏิบัตินําไปปฏิบัติจริงก็ทําให้รู้สึกว่าจิตใจสงบขึ้น uh huh. แล้วก็มีสมาธิมีสติในการทํางานมากขึ้นมีก็รู้สึกดีมีความรู้สึกที่ดีมากขึ้นนะคะ ดีมากขทำไปเรื่อยๆนะทให้มากขึ้นตามลำดับด้วยนะค่ะหนูจะทาให้มากขึ้นตามลดับค่ะโอเคสาธุราสุขราเชิญจากสเปนนี่มาไกลมาจากเกาะอิตสาจค่ะงศออโอสบายดีนะอ่าอันนี้กลับมาจานี้่นเลย มีคำถามไหมไม่มีครับไม่มีลูกมีเจ้าค่าหลวงพ่อเจ้าขาหลวงพ่อเจ้าขาช่วงนี้อ่มีกิเลสนะคะเรื่องเรื่องอาหารนะคะคือสินห้าของลูกคือเป็นปกติก็คือสินแปดก็คือก็คือมันเรื่องอาหารหน่เจ้าค่าหลวงพ่อข้ออื่นลูกได้หมดเหลือข้อเรื่องอาหารเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะยากที่ จะไม่ร่วมโต๊ะดินเนอร์อะไเจ้ากันเยอไอหนอเยอะไอ่้ไงเป็นอะไรก็ร่วมได้เป็นกันเลยรกินของเราเราก็เก็ให้มันน้อยๆกันแล้วกันถ้าหลวงพ่อแล้วก็อมันมันรู้สึกมันอึดอัดมันเหมือนแบบว่าเราไม่อยากนั่งมันก็อึดอัดนี่เราก็ต้องเราต้องพิจารณาปรับจริงว่าเรามันไม่สามารถที่จะแยากได้แล้วก็ต้องเราก็ต้องอดทน สอนใจให้ให้ทําในสิ่งที่เราอยากต้องต้องต้องทําอยู่อยากยึดไม่อยากทำเพราไม่อยากแล้วมันจะหยุดนะเจา้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็แล้วบางทีอย่างเราอยากปฏิบัติแล้วมันมีเมื่อเราไปยุ่งกับคนสัตว์สิ่งของแล้วเรารู้สึกว่ามันมันทําให้เราไม่สงบอะค่ะมันมีนู่นนี่มากระทบมา<อ>จากคาะหลวงพ่อเจา้าค้าก็อย่าไป อย่าไปเกิดคาอยากไม่ไม่ไม่ไปทำสิ่งที่เรายังต้องทำอยู่มันว่ามันยังต้องทำอะไรอยู่ว่าต้องทำาดเนี่ต้องเกี่ยวข้องกับคนก็ต้องเกี่ยวข้องไปต้องเกี่ยวข้องกับสัยก็ต้องเกี่ยวข้องไปเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วข้อนี้ลูกก็ยังอุเบกขาไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ได้อะเจ้าค่ะหลวงพ่อเรื่องเรื่องสัตว์เลยค่ะเรื่องแมวอย่างเงี้ยสาค่ะบางที บางทีความเมตตากับอุเบกขาหลวงพ่อเจ้าขามันมีความรู้สึกว่าเอ้าตัวนี้เราให้อาหารแล้ ว, แ ล, วแล้วมันก็มีมาอีกแล้วสามี ก, ก็บอกก็คือยิ่งอยู่ยิ่งให้มันก็ยิ่งมาเยอะก็ไม่หยุดสติิงแล้วแบบลู้ก็บอกอเราจะทํำยังไงอ่ะฉันหวดหัวใจจังเลยอ่ะไม่รู้ฉดแล้วเราต้องคิดสิว่าถ้าเกิดเราตายไปแล้วพมจะอยู่ไหมสาธุสาธุเจ้าคหลวงพ่อคิว่าเอาตายไปแล้ว ก้เราหากินหาอยู่ของตนเองมเมื่อมันเป็นน<ช>้เป็นกายเป็นปัญหาให้กับเราเราก็ต้องตัดมันไป ไ, ไม่ถือว่าเราถ่ายความเมตตาเพราะว่าเราต้องเมตตาตัวเราเองก่อนมันจะเป็นเมตตาคนอื่นกรนทั่งตัวเองตัวเองเดือดร้อนอะไรก็ไม่ถูกเจ้าค่ะกล่าวขอบพระคุณชุภาพของพ่อจ้ะครับที่ต้อง ค, คิดถึงความตายแล้าว่าถ้าเกิดเราตายไปพวกเขาจะทำยังไง เขาก็ต้องไปหากินหลงพ่าเองอยู่เนี่ยไปหาที่กินต่อไปแล้วสมมติว่าเราตอนที่เราตายล้วก็ภูมินี้มันทาให้อาหารอะดี๋ยวมันก็ไปสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะขอพระคุณมากเจ้าค่ะเจ้าค่ะต้องมีโยบายท้าน้อทุกคนมันมีกรรมเป็นของตัตตเองเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเราจะไปอุ่งเท้าตลอดอไม่ได้ เรามันยังต้องมีภาระของเราอยู่แล้วต้องมีอะไรที่เราต้องทําของเราอยู่เราก็ต้องเราก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของบ้านเจ้าค่ะขอบขอบขอบคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ ะ, คคะท่นที่ไหนเดียวมีอะไรไหอืมเวลาเวลาเราฝันนี่เราไม่สามารถไปควบคุมฝันได้ใช่เพราะว่าท่านนั้นไม่มีสติไจิตนั่นก็เลย ตัวที่มันคอยคุปปความฝันของเราก็คือบุญกับบาป ท, ที่เราทำถ้าเราทําบุญมันก็จะฝันดีถ้าทําบาปมันก็จะฝันร้ายในพยายามทําบุญนี้จะได้ฝันดีแล้วถ้าเกิดจําไม่ได้ว่าฝันอะไรแต่อยู่ดีเราอย่างมเมื่อคืนนะครับเหมือนลี้ ย, ยไม่รู้ว่าฝันอะไรจําไม่ได้ครับแต่ว่าได้เพราะมันมั น, มนละเน อ, อ, อมันก็ลืมเลยพอเต้นไปซ่อนมันก็ลืมไม่เป็นไรครับ มันละเมอเสียงดังขึ้นมาจะจําไม่ได้ว่าฝันอะไรเป็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ไม่เสียหายอะไรครับเพกติไม่เคยละเมอเสียงดังแล้วก็คุณพ่อคุณพ่อบอกว่าเมื่อคืนได้ยินเหมือนเสียงเลียวแต่โกนแล้วก็เหมือนรู้ตัวอะไรว่าเมื่อคืนเหมือนละเมอฝันอะไรไม่รู้จาไม่ได้ใช่เรควบคุมมันเข้าไปไม่ได้มันจะระเมอจะฝันจะอะไรก็เป็นเรื่องของของจิตมันครับ บางคนทังวัอ่ะจรีบวิ่ไปก็มีใช่ไหมลุกขึ้นมเดินทานู่นทนี่โดยม ไ, ไม่รู้ว่าตั ว, อต ว, วเองกำลังทำาะกำลฝันอยู่พอตื่นขึ้นมาเขาถามุรู้ป่าวุมาเกิดทรู้ขึ้นมาทําูทนไม่รู้แสดงว่าไม่มีสติมากๆคนไม่ฝันแบบนี้ะนะก็ฝึกสติไว้เยอะๆแล้วมมตจะฝันน้อยลง พ่อติดพอติดไม่เคยฝันอยู่แล้วพอติดไม่เคยฝันครับเราจะไปรู้เราไม่เคยฝันเราบอกที่พ่เราจําไม่ได้เราตื่นเราตื่นรป้็ลืมนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องความฝันก็เป็นเรื่องของความฝันครับไม่ใช่ก็คนแม่จะพูดตลอดว่าฝันไม่ดีจะไม่ดีอันนั้นไม่ดีแน่เลยอลไรเราก็ความฝันมันเกิดฝันไม่ดีมันเกิดจากบาปที่เราทําไว้ป ฝันดก็จากบุนที่เราทำไแต่ไม่ได้มาบอกว่าอนาคตของเราจะเป็นอะไรตามความฝันหรอกไม่ต้องไปกังวนโอเคนะมีเท่านี้แล้วขอบคุณเจ้าแฝดก็ข่าวลูกบอกเขาว่าเานั่งสมาธิน้อยเขาก็เลยฝันร้ายเจ้าค่ะถ้านั่งสมาธิเยอะก็จะไม่ฝันเลย แต่ถ้าไม่ได้นั่สมาธิก็จะฝันฝันดีและฝันไม่ดีก็อยู่ที่ทำบุญหรือทำบาปมากน้อยต่างกันไปนั่นก็พยายามทำบุญเยอะๆทำความดีเยอะๆงานทำบุญไม่จาเป็นจะต้ทำด้วยเงินทำความดีช่วยเหลือคนอื่นทำให้คนอื่นก็มีความสุขก็ถือว่าเป็นการทำบาปดีได้ทำบุญได้เหมีอนกันทำให้แน่ในามสุขนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญได้โอเค สาธุเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อให้หลวงพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นร่มโพร่มสายให้ลูกให้หลานเป็นนานๆ น, นะเจ้าค่ะโอเคสาธุคุณสุภาพรตอบคุณสุภาพรจากกทมใช่หมคุสุภาพรกลับน้มาสการ์ค่ะพระอาจารย์ได้ยินแล้วใช่ไหมคไ้ยินชัดเจนอยู่ที่ไห น, นอยู่กรุงเทพเอยู่กรุงเทพค่ ะ, ะวันนี้ อาจารย์ันนี้ไม่มีอะไระบ้างเฉยโอเคเงั้นไปที่ท่านตอบไ้คุณจอยใช่คุณจอยจอยกลับถึงปทุมเข้วเลยมาอยู่มัญทยาหลายวันเนะนี่ยนะคุณสอนอาจยเนี่ยแล้วเดี๋ยวอ่าก่อมาจะ ตัวครับรนอนมือหน่อยตัวล็อกตาหน่อยบุคคล่องอเราหนึ่งดีนะครับีอะรไกลับมาแล้วค่ะกลับมานนท บ, บุรีแล้วเปยั ไ, ไงกลับไปสู่สวรรค์หรือกลับไปสูน่นรกเหมือนจะนรกนรกนะโอ้โหโอ้โหกลาเป็นกรรมของเราแล้วกันเราเป็นเรื่องนอกเองสวรรค์ไม่เลือกงองไง คิดอยู่ว่าอยากจะกลับไปสวรรค์ไปกลับได้ย้อนสอนได้ยูเทิร์นได้แล้วถ้าเราถ้าเราแล้วเราถ้าเรากลับไปแล้วมันไม่เป็นครอบครัวมันแล้วลูกมันต้องการพ่ออย่างนี้คือมันจะเป็นปัญหาก็เรื่องของมันนี่มันจะเป็นก็เรื่องของมันนไม่ใช่เรื่องของเราเราก็เรียกมันดูเราก็เรียกมันดีอยู่ไม่ใช่ก็เรียกมันดีกันแล้วไปนโออ มันต้องการพ่อไหมมันมันไปอยู่กับพ่อกันเป็นยากตรงไหนเลยถามพขาแล้วว่าเขาอยู่กับพ่อไหมไม่อยู่แล้วพอกลับมาก็คุยละข้ออย่างงั้นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแหละก็เป็นอารมณ์ของคนเวลาอยู่ใกล้มันก็เบื่อเวลาอยู่ไกลก็คิดถึงกันอะไรอะไรก็มันมันมันอยู่ที่พัทยามันมันมีความสุขแต่มานี่มันเหมือนมันมันคุกอด้แล้วไหมครับ ไปหาความทุ่มทำไมนอนผอได้คลุกชั้นกลัวแม่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยรอดูเหตุการณ์รรว่าเขาะจะเปิดโรงเรียนหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเด็กจะต้องมาฉีดไฟเซอร์แล้วเออรอวันที่หนึ่งดูไม่ก็เปิดก็ไม่ เ, เปิดเพราะวถ้าไม่เปิดอยู่ที่ไหนก็ได้เรียนออนไลน์ไม่ต้องไปโรงเรียนหไหนก็ได้อ โอเคไม่มีอะไรใช่ไหมต อ, อ, อนนี้ต้องรีบหน่อยน ะ, ะสี่ทุ่มครึ่งนะคุณมัทธราณ์ต่อคุณมัทธราณ์เจิญได้ยินไหมคุณมัทธราณ์อยู่ที่ไหนนมัสการครับพ่อจาร๋ามีคำถามไหมอนนี้ผมเพิ่งเข้ามาครั้งแนกเครับคือผมอยากีย ถามว่าในการที่วจะคลองสติที่ว่าให้มั่นคงที่สุดนี้มีอะไรที่จะเป็นตัวมีอะไรที่จะเป็นแนวทางที่จะให้ดึงสติได้ได้มั่นคงได้บ้ารับอาจารยก็มีสองอย่างทำพุทธโธพุทธโธในใจอยู่เรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนคือ น, นั้งแต่ตื่นจะหลับพยายามให้มีพุทธโธอยู่ในใจเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยๆสองคอยเฝ้าดูว่าร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ทุกเวลานาที แ ล, แล้วก็กครับแล้วอีกอย่างหนึงเมื่อก่อนเนี่ยคือตอนที่ผมเริ่มปฏิบัติใหม่ๆก็คือว่าผมสามารถที่จะท่องพุโทโธได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เวลานั่งสมาธิก็ได้นานมากไปเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเงี้ยคือเมื่อก่อนผมเสือศียห้านะครับผมเสือศีนห้าเมื่อก่อนที่ผมยังมีความรู้สึกว่าตัวเองยังมีความอยากในในตามบูรพ์หนูเนี้ยคือว่าในตาม วพวรู้สึกของผู้ชายกือมีความอยากในการมาขวนอยู่แล้วพอพักหลังมามีผมมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้เราน่าจะขยับขึ้นมาเป็นสินแปดน ะ, ะพอผมขยับขึ้นมาเป็นสินแปดุ๊บอาการที่ตามมาก็คือในการอยากของเรื่มทางการมคขวนนี้จะจางไปเยอะมากจางไปเยอะจนแบบว่าจนเกือบจะลืมไปเลย แต่ก็มีผัวมาบ้างนิดหนึ่งพอผัวมาปุ๊บผมจะพยายามปัดบอกว่าจะคิดแบบนี้ไม่ได้จะมีอารมณ์แบบนี้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันมามันจะมันจะเป็ีนสินแปรแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในการหิวเมื่อก่อนนี้ตอนแรกที่ผมเริ่มนะคือแปรคือว่าหิวมากหิวข้าวแบบเกือบจะกินน่ยก็คือเกือบไปกินข้าวหลังเที่ยงแต่ผมมาคิดนได้ว่าเฮ้ยไม่ได้คือพูดกับตัวเองครับว่าคือ อย่างนี้ไม่ได้นะมันผิดศีลมันผิดศีลข้อที่หกขนะพระพุทธเจ้าท่านลาบากมากกว่าเราท่านยันได้เลยเราแค่นี้ยังกินน้ำเดียกกินอะไรได้ทำไมแต่ศีลแต่พันจจไม่ได้แต่ในปัจจุบันนี้คือทำเพราะนาวพาผมหายหายไปแต่ว่ามันจะผมจะสามารถจับความรู้สึกหรือคิดของตัวเองได้อย่างนี้คือว่าควมรู้สึกว่าจะโมโหขึ้นมาปุ๊บมจะผมจะสามารถดับดับได้เลย กเฮ้ยเริ่มโมโหแล้วเนี่ยปันดับคือผมจะจัดได้พอเริ่มโมโหปุบจับได้เฮ้ยโมโหไม่ได้โมโหไม่ได้มันมันไม่ดีอย่างนี้คือบางทีคิดอยากจะด่าใช่ไหมอยาจะไปด่าเขามันไ ม, ดมนน่ดีมันเป็นคําพูดมันเป็นคำคำพูดคาพูดที่ไม่ดีแต่บางเอิญบางครั้งมันก็มีหลุดไต่บางคือแบบจับตัวตนของตัวเองไม่ได้คือคิดไปเรื่อยเปื่อยไปเลยอย่างเนี้ครับ ผมก็เลยอยากจะจับความคิดหลงตัวเองให้มันได้ว่าทำยังไงถึงจะจเราไม่สอบเน่ยสติเราแบบนงลกคุกขาดบางเวลาก็มีบางเวลาก็ไม่มีก็ต้องพยายามฝึกให้มันมีอย่างต่อเนื่องแล้วอีกอย่างหนึ่งผมขอถามอาจารย์เรื่องหนึ่งก็คือว่าผมจะมีเส้นหรืออเส้นหนึ่ง ที่เรียกว่าที่ความรู้สึกว่าคล้ายๆว่าจะรู้รวดจะรู้อะไรบางอย่างล่วงหน้าแต่ว่าไม่รู้แต่ว่าคาดการคาดการไม่ได้ว่าจะมาถึงวันไหนแต่แต่วันนั้นก็มาถึงจริงๆแต่ไม่รู้ว่าจะมาถึงวันไหนอันนี้มันคืออะไรก็ยาอย่างทราบเรามียาพิเศษความสามารถพิเศษแต่ก็อย่าไปหลงอย่าไปหลงอย่าไปยืดไปติดกับมัน เาะบางทีมัน<บ>ก็ยังไม่แท้ไม่แน่นอนนะบางทีมัน<บ>อาจจะไม่เกิดก็ได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีบ่อยครั้งแต่ว่าในความรู้สึกในความถ้าเกิดว่าจะมีขึ้นมาปุ๊บความรู้สึกจะบอกอทันทีว่าเฮ้ยมันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นฮนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คืออาจคือมันจะไม่บอกเวลาที่ทแน่นอนให้กับเรา พอถึงเวลากูจะรู้ทันทีแล้วก็เองว่าไม่ไป็นไรถ้ามรู้มันจะเกิดถ้าเราป้องกันได้ก็ป้องกันไม่ทําอะไรได้ก็ทํำไปแต่ส่วนมากจะป้องกันไม่ได้หรือไม่จะป้องกันไม่ได้ไม่ได้ก็ตามเตรียมทําใจให้ทำใจไว้เรืความตายนี่เราป้องกันไม่ได้ถึงเวลามันจะตายก็ต้องตายแล้วเราก็ต้องทําใจไว้ก่อนพอมันตายมันเราจะได้ไม่ทุกข์กัมา แล้วอีอย่างหยึอ อ, อเรื่องนะคุณคนยารายอ อ, อีกสักหนึ่งคำถามว่าติดยาเลยเมื่อผมเมื่อไม่กี่วันนี้ผมไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองมาพอตกกลางคืนมาปุ๊บผมรู้สึกแน่นใน อ, อกหายใจไม่ออกแต่ในความกลัวในในความกลัวที่ว่ากลัวว่าตัวเองจะตายนั่นคือไม่มีเลยทีติดเพียงแค่ว่าหายใจไม่ออกจะตายก็ตายไปเลยแล้วก็จิตใจจิตใจผมก็ว่างเปล่าไปเลยก็คือไม่มีคำภาวนาไม่มี ความรู้สึกกลัวไม่มีความมิความมิดตกอะไรทั้งนั้นเลยอันนี้มันเป็นอาการของอะไรการปล่อยวางใช่ปล่อยวางร่างกาย ไ, ไม่ยึดไม่มติดกันมันเป็นเป็นแบบท้าววอหรือเปล่านั้นถ้าเป็นท้าววอนแล้วเป็นเฉพาะช่วงข่าวต้อดูแลคอยสังเกตแล้ว ถ, ถ้าเกิดมีอะไรใหุ้การมากระทบกับร่างกายปล่อยวางได้มั้ยคือทุกครั้งที่เป็นอาการแบบเนี้ยคือไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าผมจะเป็นไข้หรือว่าจะเป็นอาการทีร่ว่าคือผมจะปล่อยว่างถ้าถ้าจะตายก็คือตายไปเลยแล้วผมก็จะปล่อยใจแบบว่าบางแต่ผมแปลกใจที่ว่าทํามีทําไมไม่มีคําภาวนาคือมันจะวางกัเลยครับอบางคน <จะ S 1> ไม่ต้องทุก <ๆ S 2> อย่างบางคนไม่ต้องใช้คําภาวนาบางคนใช้ปัญญาอยอมรับว่าเกิดแล้วต้องตายอ๋อครับ เออมีคํคำถามเพียงแค่นี้ครับ่อาจารย์คพมาสดการเพราะวันนี้มันสายแล้วมันเด็กแล้วเดี๋ยวมีคนอรอยอยู่หลายคนคขอไปที่ท่านตอบครับผมพอมาติดการคุณเอเนอร์จีบัสอยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะพระอาจารย์ออมินนะคะอยู่ที่กรุงเทพ ค, คะ่ะมีคำถามไหม ก็มีคําถามอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์ก็คือเหมือนเวลาที่เราแบบฟังธรรมหรือเราอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะบอกว่าเหมือนแบบโอเคแบบหันห้าไม่เที่ยงร่างกายไม่ใช่ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เข้าใจแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราแบบไม่ได้ไปยึดมันแล้วอะค่ะอาจารย์ก็ลองปล่อยมันไปยังไม่ลองไปลอมกลนหัวมันไม่ว่าเรายาังถ้าเรายังไปเที่ยวแลเป็นตัวเราเราไม่ยังต้องต้องแต่งหน้าทาฝ้ า, าต้องอะไร ไวยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันดูวยอ๋อก็คือลองโกนลองกกนผวดูดูว่ามันทำได้ช่ไมถเราเราจะเดืยดด้านไม่ไเราไปกนผมคนอื่นอืมจริงค่ะอาจารย์แล้วเ้วเหมือนค่ะตอบไปอ๋อแล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าเหมือนต้องฝึกเข้าฌานบ่อยๆแต่มันก็เหมือนเวลาที่บางทีเราฟังเขาก็จะแบบบอกว่า บางคนนั่งสมาธิเข้าฌานไปเลยแล้วมันก็เหมือนแบบผิดทางอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยอยากให้พระอาจารช่วยอธิบายหน่อยว่าแบบไม่ผิดเราพระพุทธเจ้าสอนนั่งฌานสอนนั่งปัญญาสอนตั้งสติมากแบบมี ม, ม, มีมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาที่เราจะต้องปฏิบัติสร้างกันขึ้นมามีบางคยเขาไม่ศึกษาจากองค์ตัต้เจา้าเพราะว่าเลยไปคิด ดูเมีตามภาษาของเขาเองว่าไม่ต้องหรอกไม่ต้องเข้าสมาธิพอเขาเข้าไม่ได้เพราะว่าเลยไม่อยากจะสอนสมาธิเอาปัญญาง่ายกว่าแต่ปัญญาที่ไม่มีสมาธิก็กลอหัวไม่ได้แต่ mm hmm. ถ้าหนูไม่มีสมาธินี่หนูไม่ยอมกลนหัวหรอก mm hmm. แต่ถ้าหนูเข้าสมาธินั่นหนูว่าให้กลอหัวดีกวมีผมแ้้วมันยุ่งยากลำบากต้องคอยดูแลมันใช่ไหมต้องคอยตัดคอยคอยแต่งคอยยอ้อมอะไร ถ้าไม่มีของน่งสบายอืแต่ท่านอจไม่มีสมาธิไม่มีฌานมันมันปล่อยไม่ได้ท่านอาจากคะแล้วทำไมเหมือนเวลาเราฟังเหมือนเรื่องสมัยพุทธกาลทําไมเวลาที่แบบคนฟังทํำพุทธเจ้าแล้วก็แบบบรรลุเลยอย่าเงี้ยเขามีสมาธิเท่าไงก็มีสมาธิแล้วอ๋อคือเขามีาสมาธิมก่อนแล้วฌานเขาจะบอกให้ปล่อยก็ปล่อยได้วางได้ ฉแต่ถ้าไม่มีสมาชิกรู้ว่าต้องปล่อยก็ยังปล่อยไม่ได้อมให้ปล่อยร่างกายยังปล่อยไม่ได้เนี่ยยังต้องแต่งแต่ตัวแต่งหน้าแต่งอะไรอยู่แต่งพอมอยู่แต่แลวก็ยังไม่ปล่อยอ๋อโอเคเดี๋ยวไปโกนหัวเลยใช่โกนแบบใช่โกนแบบประชดก็ไม่ใช่อยู่ะนั่นก็มันต้องมันต้องโกนแบบว่าเห็นว่าอ๋อ มันเป็นภาระมันเป็นทุกข์ยังมีขอยัไม่มีมผอ ม, ม, ม, ม, มันดีกว่าอืมค่ะโอเคค่ะอาจารย์มีแค่นี้ค่ะโอเคอหนึ่งคุณสุภาตราจาก Dallas, Texas ัสเชิญกลับนอมนมาสักการ์พระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไงวันนี้สบาย ด, ดีจ้าค่ะได้องโทษตัวเองมาแล้วหรอือ เรียบร้อยเจ้าค่ะแล้วก็วันนี้เขาจะมาลากรถไปที่เกิดอุบัติเหตุก็ก็ให้เขาเอาไปเอาไปเลยก็ออดีแล้วค่ะก็จะได้มีของน้อยลงออไม่ต้องดูแลมากบอกออสามีบอกดีแล้วหล่ะไม่ต้องมีภาระเยอะก็ให้เขาเออกไป เดียกวก็พอเนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะประดี๋ยวลูกมีคําถามนะเจ้าค่ะสองคำถามคําถามที่หนึ่งนี่ของลูกเองแล้วก็คําถามที่สองนี่คุณพ่อฝากมาเจ้าค่ะคําถามที่หนึ่งก็คือว่าอย่างสมมติเวลาเรานั่งเนี่ยเราสัมผัส ถ, ถึงเวทนาแล้วเราก็คิดว่าเวทนาเขาก็ทํางานของเขาไปเพราะว่าลูกเคยเห็นธาตุขันที่มันแยกๆ ก, ก, ก, การทํางานของมันทีนี้เนี่ยขนาดที่รู้ว่ามันมีเวทนาอยู่ เ, เข้าใจว่ามันเป็นการทํางานของมันลูก ลูกจะอยู่กับคาบริกรรมได้ไหมเจ้าคะถึงแม้ว่าจะจะรู้ว่ามันก็มันก็เจ็บของมันก็ปล่อยมันไปแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปอยู่ไหน่ะเจ้าค่ะก็เลยจะท่องพุทโธถ้าเราถ้าเราไม่ทุกข์กับมันก็อยู่ก็เฉยๆไปก็ได้แต่ถ้าเราทุกขกับมันอย่มาใช้พุทโธหนึ่งออกมาจากจาะเมตนาแล้วค่ะ แล้วถ้าถ้าสมมติว่าไม่ถ้าไม่ทุกข์มากแต่ว่าไม่รู้จะไม่ก็อย่างนี้ยห้ามมันไม่ได้อ๋อบริกรรมก็ไม่ต้องงไ้ยืนใช้ปัญญาด้วยว่าเป็นอนัตตาเหมือนกับเป็นน้ําท่วมฝุ่นตกแดดออกไปห้ามมันไม่ได้ก็ต้องอยู่มันไปแท่านั้นเองอย่าไปนั่งเกลมันอย่าไปกลัวมันอยาไปอยากให้มันหายเจ้วค่ะแล้วถ้าขนาดสมมติว่าถ้าขนาดจะสิ้นลมอย่างนี้เรางานกายก็ น่างกายก็เป็นเวทนาเหมือนกันมันก็เกิดแล้วเดมันก็ดับไปได้ไหมนะเจ้าค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากจะท่องพุทโธไปด้วยได้ไหมเจ้าค่ะก็ได้ถ้าเท่ากันมันจะบายใจกระเทาะไปได้เหมือนกับมันมีเหมือนกับมีที่ยึดเจ้าค่ะเจ้าของ ใช่ค่ะมันรู้สึกแบบถ้าไม่ท่องแล้วรู้สึกแบบลอยลอยอยังไงไม่รู้ก็เลอยเลยรอยากเออท่อพุทโธท่องพุทโธก็เหมยอยือนเราไหว้น่าต้องมีไอ้ชูชีแต่ถ้ามีปัญญาจริงๆแล้วมันไม่ต้องพุทโธอะไรถ้ามันถ้ามันปล่อยได้จริงๆมันก็ไม่ต้องมีชุชีพไม่ต้องมีพุทโธอ๋อแปลว่าถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือก็คือมันฟกชื้นมันแช่ไม่เท่าเพราะไม่เดือดร้อน กับความเป็นความตายแต่ย่งใดอ๋อเจ้าค่ะแปลว่าถ้ายังมีพุทโธอยู่ถ้ามันยังต้องใช้พุทโธอยู่วัฒนาของมันยังเดือดร้อนอ๋อเพราะไม่รู้ว่าจะไปอยู่ไหนอ่ะเจ้าค่ะสมัที่ก็แบบโอ้ยไปหาพุทโธดีกว่าเพราะพุทโธแล้วแบบรู้สึกสบายใจกว่าอยเเยอะู่ที่การปล่อยว่างยังไม่ยังไม่ปล่อยว่าก็ลยตอาศัยพุทโธช่วยปล่อยเอมัอนว่า่น้ำยังว่ายไม่ค่ได้ว่าได้มากแต่ยังไม่แข็งก็เลยอาศัยชูชีพอ๋อ ถ้าว่าถ้าว่าถเก่งเขาก็ไม่ต้องใช้ชูชีพเลยอเพราะชูชีพมันเกะกะมากแต่ ก, ก็เปา ก, ก็ยังไม่แข็งยังไม่แข็งพอก็เลยขอที่ยึดไว้ก่อนขอไว้ก่อนไว้เจ้ก่อนได้ นะคะทีนี้คำถามของคุณพ่อนะคะฝากถามมานะคะคุณพ่อเ ข, เขาเาบอกฟังมาหลายเรื่องเขาก็เลยสงสัยว่าอย่างภูมิของอเทวดาแล้วก็พวกเปรตนระกอสุรกายเนี่ยคุณพ่ออยากทราบว่ากลุ่มพวกนี้เป็นสิ่งมีชีวิตไหมแล้วก็สามารถสืบพันธุ์จะมีทายาทต่อไปได้ไหมเจ้าคะเขาฝากถามมาเจ้าคะคือตอนที่มีร่างกายนั้นจิตใจของเขาก็เป็นเหมือนตอนที่เ้านอน ตอนนั้นไม่มีร่างกายก็สืบพันธุ์อะไรทําอะไรไม่ได้อยู่ในโลกของความฝันไปถ้าพวกเปพวกผีพวกนโลกนี้เขาฝันร้ายพวกเทวดาก็พวกฝันดีแล้วจนกว่าที่จะมาตื่นคือมาได้ร่างกายตันใหม่ก่อนที่จะมาทำอะไรต่อได้เหมือนกับตอนที่เป็นมันหลับไปแต่ตอนที่ตายไปไม่มีร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนตอนที่เรานอนหลับ พอดีเขาฟังอย่างเขาดูแบบพระพิทเขเนศพระศิวะพระอะไรอย่างเงี้ยเขางงว่าแบบถ้ากลุ่มนั้นเป็นพรมเป็นอะไรทําไมเขาถึงมีมีลูกมีไสืบต่อมาไม่มี<อ>เราเพียงแต่ว่าเรามาสมมุติว่าบางที<อ>เราเรามองเรามองไม่รู้ว่าพรมเป็นยังไงเข้าก็เลยปั้นรูปันปป้นกันมาเนี่ยพรมเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอกเหมือนพระพุทธเจ้าที่เรากราบไแล้วก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้ า, าหน้าตายอย่างนี้หรือเปล่า เราเพีแต่ฟังยังขึ้นมาเท่านั้นเองเจ้าค่ะเขาฟังเขาเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เซฟไว้แล้วก็เดี๋ยวจะได้เปิดให้เขาฟังเจ้าค่ะบอกเขาว่า ไ, ไม่มีพวกที่ยังมี ม, ม, ม, มีสืบพันธุ์ได้ก็มีแค่มนุษย์กับพวกสัตว์ในราชาเนั้นะอนอกจากนั้น เ, าเขาไม่ไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้แต่ก็ยังเสพกามได้เทวดา ย, ยังฝันว่าไปนอนกับแฟนได้เปนอนกับสามีนอนกับภรรยาได้ออื แต่แต่ไม่แต่ก็ไม่มีทายาก็คือแค่แค่เป็นความคิดที่ฝันไปนความฝัแต่ไม่ไม่มีร่างกายที่จะไปทําให้เกิดมีทายาทขึ้นมาแต่ในความฝันก็จะฝันว่ามีมีลูกมีเต้าขึ้นมาก็ได้ก็คือเป็นความฝันเป็นความคิดทั้งหมดเป็นความคิดทั้งหมดไม่ใช่ไม่มีไม่มีไม่มีเหตุการณ์จริงกือร่างกายมาสนับสนุนแต่พอมาเป็นมนุษย์ปั้มี่ก็ฝันว่าไปนอยกับคนนั้นไปนอยกับคนนั้นก็นอนจริง มันสร้งท้องจริงอะไรขึ้นมานั่นคือการกระทําจริงๆที่เกิดกากการโดยร่างกายโดยร่างกายโดยร่างกายเป็นผู้รับคําสั่งในการกระทำแล้วค่ะอีกหนึ่งคำถามได้ไหมเจ้าค่ะได้ยัง อย่างอย่างลูกลูกฉีดยาก็ค่ะคือมดเยอะทีนี้ฉีดยาคือลูกจะพยายามฉีดยาตรงเวลาอนที่มดไม่ยังไม่เดินมาแต่เป็นทางที่มดเดินเจ้าค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเขาเดินมาพอเอิญเจอยาแล้วตายเองนี่เราไม่บาปใช่ไหมไม่บาปแล้วมันถ้าลองครับค่าก็เป็นการระวังเฉยแต่ว่ า, าพยายามไม่ให้โดนเขาบางทีเขาดื้อกาอยากจะลองยา ยาไม่รู้ว่ายามันยดไปอมันก็มันก็อยู่ชั่งครพวกที่มันดูมันก็ไม่กล้าเข้ามาแล้วพอมันเห็นพวกบังพวกบางตัวตานก็เห็นว่าว่าเขาเชื่ดใจให้รินดูแล้ว แต่แต่พอเห็นก็จะหยิบออกไปก่อนหยิบเขาออกไปก่อน แ, แล้วก็ค่อยฉีดนะเจ้าคะ่ะก็ปัดเข้าไปให้ใกายกายก่อนแล้วเราค่อยฉีดแล้วเขาเขาให้ฉีดตามทางให้เขาเข้าก็อาจจะฉีดให้น้อยหน่อยก็ได้ถ้ามันแรงเกินไปก็ลองฉีดนิดเดียวไว้ให้มันได้กลิ่นคราออ๋อค่ะ้าค่ะไ ม, ไม่ต้องฉีดลูกพึ่งไปไม่ต้องพึ่งไปซ้ำไม่ต้องฉีดมากฉีดตรงจุดนั้นนิดเดียวนั่นเอ้วค่ะไวให้เขาได้กลิ่นนี่นะถ้าฉีดมากมันก็แรงอ๋อ แล้วค่ะเมื่อกี้ลูกเพิ่งไปซ้ําเป็นรอบสองแล้วค่ะก็เลยงั้นก็พอแล้วแล้วก็ไม่ขึ้นไม่ต้องไม่ไมต้องไปฉีดแล้วล่ะยังไงมันเปลี่ยนมันหมดแรแล้วมันกลับขึ้นมาขึ้นใหม่แล้วเราก็ไปฉีดอืมเจค่ะหมดคําถามแล้วเจ้าค่ะกลับขอบคุณคสาธุจ้ะสาธุสาธุโอเคขายเลยคุณพัชรีใช่ไหมพัชรีใช่ อยู่ที่ไหนเอ่ยคุณบ้านทะเลฝันไม้ก่อนนะอันมิวก่อนภาษาอักฤษก็<ะ>อันมิวกันะคุณอาจนะจค่ ะ, ะจะังหวัดตราค่ะเคยเข้ามาหรือยังครั้งแรกค่ะคร้นะมีคำถามไหมอเออก็พอดีสวดมนต์ทํวสมาธิสวดมนต์ทำวัดเจนเสร็จแล้วก็พอดีมาเปิดโทรศัพท์ดูแล้วแค่เห็นรายการของอาจารย์ก็ สนใจนะคะก็ะคือ ค, ค่ะก็ะทําสมาธิพาลูกพาครอบครัวพอหนูทําก่อนแล้วตอนตอนเย็นเนี่ยถึงสองทุ่มถึงสามทุ่หนูทําก่อนแล้วก่อนนอนก็ทําทั้งครอบครัวสี่คนค่ะอีกสิบห้านาทีนั่งสมาธิสวดมนต์ค่ะดีดีทำทุกคืนทําให้เป็นนิสัยได้จริงดีทำทุกคืนค่ะอ ม, มีคําถามเลยไหมอ๋อก็มีคําถามที่ว่าตอนหนูนั่งสมาธิทุกครั้งทั้งแรกอะ่ะ ครั้งแรกเลยนะคะประมาณสักสามปีนะคะแต่ก็ทําทุกวันนะคะหนูทําครั้งแรกนี่ก็คือว่านั่งไปแบบมันวูบไปคือแบบว่าก่อนที่จะขึ้นสมาธินี่ผนมันจะลุกตั้งแต่หัวลงมาถึงแขนแล้วก็นิ่งเหมือนกับมือนี่เป็นแบบว่าระบบสาระนี้เหมือนอยู่ที่แข็งมือที่เป็นอันเดียวค่ะก็เหมือนกับดึงดึงดึงดึงดึงดึงแล้วก็เหงื่อออกร้อนวูบูบวููบปรึกษาอาจารย์อย่าไปดึงไปแล้วนั่งสมา ที่ปล่ยมันตายได้เขาก็ดึงเองแต่หนูไม่ได้ดึงออกค่ะเหมือนเหมือนกับว่ามันดึงอะค่ะอาจารย์อ่ามันไม่ควรจะดึงมันคนมันรู้สึกกล้าไม่น่าไปสนใจกันใช่ค่ะเวานัสมาธิต้องมีอะไรคอยควบคุมใจรู้ก็มีสติทำพุทโธพุทโธไปแล้วร่างกายจะเป็นไงก็ไม่ต้องไปกังวลกันไม่น่าสใจถ้าเกิดมันปวดขาหนูก็จะไม่มองว่าปวดหนูก็พุทโธอย่างเดียวพุทโธไปเรื่อยๆแล้วถุกแล้วค่ะแลเด๋ยวใจก็จะสงบได้เย็นได้ แล้วมีค่ะมีมีบ่อยๆ่อยคือพักหนึ่งอะค่ะพอหนูนั่งแล้วหนูว่าเหมือนตรงข้อเท้าหนูหลุดหมดเลยค่ะอาจารย์หนูก็จะทําอกค่ะองคไหนดีนาะหนูคิดหนึ่งว่านั่งแบบเหมือนข้อต่อขาหลุดอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกเช่เชยเนี่ยเป็นความรู้สึกไม่ใช่เรื่ความจริงหรอคะาใช่ค่ะตอนแรกหนูคิดว่าพอหนูออกจากสมาธิหนูคงเดินไม่ได้ค่ะอ่าก็เดินได้ไปเปกติมันได้ค่ะนนแสดงว่ามันมีความรู้สึกเฉยเฉยจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาเอง ค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนใจอยู่พูดตัวไปแล้วค่ะแล้วนั่งสมาธิอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าหายแวบไปเหมือนมืดเลยค่ะหนูก็เอ๊ะลองหายตัวูตัวก็แบบที่ัาหายไปมันหายไปแวบหนึ่งค่ะเหมือนแวบแล้วหนูก็เอ๊ะสะดุ้งขึ้นมาในนั้นว่าเอ๊ะเราไปไหนเนี่ยเราอยู่ไหนเนี่ยเอ๊ะเราก็กลับมานั่งคิดว่านี่เรามานั่งสมาธินี่ก็เลยกลับมาตรงเนี้ยค่ะกลับมาพูดโธต่ออย่าไปสนใจค่ะให้อยู่กับพูดโธวไปเรื่อยๆ ก็ไม่มีปัญหาอะไรตามมาสาธุค่ะที่ท่านีหเหรอะตอนนี้ก็ทำทุกวันอยู่ค่ะพยายามทำบ่อยๆทำให้มากขึ้นนะตอนเช้าก็ทำค่ะเช้าดีดีมากโอเคนะค่ะค่ะก่ะขอบนุการพระคุณเจ้าค่ะลูกขาลูกไม้เชิญสูขาลูกไม้กลับนมั้การบนะั้เป็นยังไงบ้าง ทำการบ้านเสร็จได้ยังเสรเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะเป็นเสวันนี้เองค่ะอาจารย์ครับวันนี้ตอนนี้ยังมีปิดแทนหรือเ่าแล้วไม่มีปิดแทนเรียนไปถึงปิดแทนหน้าเลยปะปิดเทอมแล้วใช่ไพรุ่งนี้ฉดชิ้แล้วใครที่ฉีดไฟเซอร์ไปฉีดที่ยังอะฉีดชินวัตรชินยักษ เมื่อเมื่อ2วันก่อนหนูวิ่งเียวชิโนฟาร์มครับโอเคน้อยทีข้าให้หนูฉีดได้หนูนั้นอายุต่ำกว่าสิบเอ็ดครับ1ิบเอ็ดเลยว่ากำลังจะส1บเอ็ดเขาให้ตั้งแต่10บขวบขึ้นไปค่ะมีอาการอะไรมั้ยมีอาการแพ้ปวดอะไเราเราแรกก็ปวดแขนครับปวดแขนนิดหน่อยแค่นี้นะเด็กมีภูมิด้านทางสูงไม่เป็นไรแต่แต่ของใบหยกมีไข้หนาวสั่นค่ะ ประโยคไม่ใช่ noun สารีวันนะคะมันวันสงวันก็หายแล้วใช่ไหมใช่ค่ะับมีใครมีคถามอะไรหมประโยคอยากให้เจ๊ๆถามคือมีวันพัดวันพัสที่นี้เนการถือศีลอุโบสถกับถือศีลแปธรรมดามันต่างกันยังไงหรอคะอันเดียวกันต่างตรงที่คนถือศีลอุโบสถเนี่ยรักษาศีนที่พระอุโบสถ คนที่เสียสินแต่ก็รักษาที่ไหนก็ได้รักษาที่บ้า น, นได้ที่วัดก็ได้แต่ถ้าเสียสินโบสดมาเขาว่าไปรักษาศินในโบนโ<อ>เสถ์เป็นธรรมเป็นธรรมเนียมของชาวบ้านบรรพาก็อยากจะไปปฏิบททัติธรรมเขาก็เลยไปปฏิบัติที่วัดวัดจะไม่มีที่ปฏิบัตินอกจากที่โบวถก็เลยให้ไปปฏิบัติเป็นนอนที่โบสถ์ไปรักษาสินที่โบสถบสถบสถก็คือโบสดไง นะการกป็นเท่ากันถือเป็นสินเหมือนกันทุกอย่างทุกข้อเหมือนกันหมดว่าอย่างนี้ถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เยมถือสินกันอยู่ที่บ้านในวันพระก็ถือเป็นสินแปดสินแปถ้าเป็ซื้อสินที่วัดที่เขามีอุโบสถให้เราไปถือที่นั่นก็เป็นศินอุโบสถไปอาารย์ต้นขา ม, มี เพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งที่โยมไปรู้จักนะค่ะนิยมก็ชวนเขาถือศีลเขาบอกว่าเขาสวดมนต์ไหว้พระไม่ได้เล ย, เ, ลยเขามีอาการปวดหัวมากรุนแรงมากถึงขนาดอยู่ไม่ได้โดยเฉพาะวันกนกับ ว, วันพระมีเขาฝากถามมาว่าพอจะมีวิธีให้เขาแก้ได้ไหมเขาร้องเพลงได้ยป่ะร้องทำเพลงง่ายป่ะถ้าร <c oughs> ้องได้ก็สวดได้ ที่ไม่สวดไม่ได้เพราะกิเลสมันขฝังไม่มันไม่ยอมมันหลอกสวดถ้าสวดไม่ได้ก็การจะทำไงลนะ่ะสวดไม่ได้ก็สวดไม่ได้เขาเหมือนเหมือนกับว่าเขาเป็นนักแสดงนะคะหลวงตาออแล้วเขาเ อ, อเขาบอกว่าเขาจะเป็นเฉพาะวันพระวันวันโกนกับวันพระเนี่ยค่ะคือเวลาจะสวดวนทีนไรก็ปวดหัวมาก มันเป็นมันเป็นมันเป็นปฏิบัติการของกิเลสกิเลสตัณหาเนี่ยมันไม่ชอบไม่ชอบทำมากไม่ชอบวันพระวันอะไรเพราะมันเป็นวันที่มันจะทําถ้าปฏิบัติแล้วกิเลสมันก็จะถูกเหมือนกับถูกจับค้างอยู่ในคุกมันอะไรแล้วมีกบนการต่อต้านแล้วมีคนบอกโยงว่าเอออันนั้นบางทีมันจะมีบาปกรรมของเขาเราอย่าไปยุ่งมากถ้ายุ่งไป ชวนเข้ามาวาดมาเดี๋ยวจะไปบรบกนวนเจ้ากรรมนาเวนเขาเดี๋ยวเขาจะมาเล่นงานเราอย่างเงี้ยคือเราชวนก็ได้แต่เขาจะมาไม่มาไ้ไม่ของเขาโยมก็รู้สึกกลัวๆชวนให้เขาทำความดีได้บางทีเขาก็ต้องพึ่งพึ่งคนบางคนให้ช่วยนึงเขาก็ได้ไม่เสียหายหรอกบางทีเขาไม่มีกําลังที่จะไปถัำเองแล้วก็ชวนเขามาถัำก็ได้ ถ้ามันต้อสวดมวยดาราบ่อยก็ได ja. <er ้บวเท่ต้อสวดคนเดียวไม่ได้ก็ไปสวดกันเป็นหมู่บ่อยก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคมีท่านนี้นะเด็กแล้วเดี๋ยวจะให้บานนะขอให้หลวงตาสุขภาพแข็งแรงนะคะสาธุจะเป็นคนเป็ยังใส่บานให้อยู่ใช่ไหมบานให้สุดนี้นะคะใส่ใสบานนี้ครับพรุ่งนี้ค่ะ สอเคหนึ่งหน่าลืมคคุณคำพีพันใช่คุณคำพีพันไม่ทราบอยู่ที่ไหนปัดไดการทําเก็บบันได่นูได้เลยกับนมัสการพระจารยร์ค่ะอยู่ที่ไหนอยู่นนทบุรีค่ะ มีอะไรไมอ่าก็เข้ามาครั้งแรกก็เจ้าค่ะก็เคยฟังธรรมะของพระอาจารย์นะคะก็รู้สึกว่าเออโชคดีที่ได้มีโอกาสฟังธรรมะจากพระอาจารย์นะคะคือตนเองปฏิบัติตั้งแต่เจ็บขวบค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็สี่สิบปีอะค่ะทำไม่เลิกค่ะแล้วก็ทำจนตายทะไม่เลิกแต่ว่า ตอนพื้นฐานแรกๆเจ็ดขวบนี้เกิดจากการกลัวผีค่ะแล้วตอนนี้ป้าป้าเขาเป็นลูกศิษย์วัดวัดปักน้ำค่ะเขาเขาให้พระโยมมาเป็นพระแก้วตอนเจ็ดขวบแล้วเขาก็หลอกโยมว่าถ้ากลัวผีให้ท่องท่องพุทธโธ แล้วตอนนี้ยบ้านโยมอ่ะคือแม่โยมไปทํางานข้ามจังหวัดแล้วกลับบ้านดึกโยมต้องอยู่กับคุณตาแค่สองคนตอนเด็กๆอะค่ะแล้วพอมองหน้าต่างมาทุกคืนจะเห็นต้นมะพร้าวยาวเหมือนเป็ดเลยค่ะโยมก็เลยกลัวนอนคนเดียวโยมก็พูดโธตั้งแต่เล็กจนโตติดเป็นนิสัยสี่สิบปีไม่เลิกค่ะแล้วก็พอตอนทําเนี่ยค่ะโยมโยมนอนถ้านอนเนี่ยมันจะเห็นการไหลของลมเยอะ กรรมาฐานตัวแรกโยมใช้อานาปานาสติรวมกับพุทโธค่ะแล้วติดเป็นนิสัยอ่าก็ทำมาเรื่อยๆะค่ะก็ประมาณเก้าขวบก็จะมีอะไรที่แบบว่า เที่ยวทุกคืนค่ะพระจานยร์นอนนอนเยอะเที่ยวทุกคืนจิตออกไปเที่ยวแล้วพอดีน้าชายเป็นลูกศิษย์ก้นกุติท่านพุทธทาสยมก็ไปเล่าให้เขาฟังว่ายมไปที่นั่นที่นู่นที่นี่มาเห็นนู่นนั่นนี่เขาก็บอกว่ากรรมาฐานที่ดีต้องไม่เห็นอะไรยมก็เลยสั่งจิตว่าไม่ต้องเห็นนะ พอหลังจากนั้นมันก็ไม่เห็นเลยมันก็เป็นลูกกรสินสีม่วงม่วงวิ่งโยมก็ไม่ได้สนใจแล้วโยมก็ยังเดินอานาปานาสติมาเรื่อยๆจนไวรุ่นเลยอะค่ะจนสิบห้าปีโยมก็ใช้ธรรมะข้อเดียวอะค่ะพระอาจารย์ประกอบกับอานาปานาสติพิจารณาตลอดชีวิตค่ะคือโยมเดินพระไตรลักษ์ค่ะแล้วพอเดินพระไตรลักษ์ช่วงนั้นช่วงสิบห้าช่วง ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อชีวิตนะคะมันก็เลยเห็นทุกเยอะแล้วก็เห็นอะไรไม่เที่ยงไปหมดก็เลยไม่ไ ม, ไม่จิตมันก็สลัดทิ้งสลัดทิ้งมาตลอดนะคะแล้วมันก็จะมีนิมิตว่าไปกราบหลวงปู่โตแล้วท่านเคยทักว่าโยมอ่ะเคยเกิดเป็นพระแล้ววิบากกรรมมาตัดรอนทําให้ไม่สําเร็จชาตินั้นชาตินี้ ธาตุขันก็ยังดีแล้วทำไมไม่เล่งปฏิบัติซึ่งโยมก็ตอนนั้นก็ยังเด็กไม่ได้ศึกษาธรรมะอะไรแต่ว่าอาศัยปฏิบัติเองต่อนเนื่องทุกวันนะคะ <c oughs> เป็นเวลาสะสมจนจนประมาณอายุยี่สิบกว่าได้ตัวผู้รู้อะคะ่ะคือจะเหมือนมีอีกจิตหนึ่งอยู่ซ้อนกับเราแล้วเราก็จะรู้ล่วงหน้าคุยกับเราสอนธรรมะเราอะคะ่ะพระอาจารย์ <c oughs> โยมโยมก็กลัวตัวเองว่าเอ้ย เราคิดไปเองไ้ยเกิดอะไรผิดปกติไ้ยอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ทำไม่เลิกแต่แต่มันก็จริงอย่างที่จิตเรารู้อะค่ะก็บางทีคนเดินมาหาโยมอะโยมทักวันเดินปีเกิดเขาได้เลยพระอาจารย์โยมทักแม้กระทั่งกรรมเขาอะคือรู้เลยว่าเขาไปทำกรรมอะไรมาแต่แล้วเขาก็จะสารภาพกับโยมว่าใช่ครอบครัวเขาทำปนานติบาตอย่างเงี้ยแต่โยมก็ไม่ได้ติดตรงนี้แต่แรกๆจะตื่นเต้น กับสิ่งที่เราได้เจอได้พบได้เห็นเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรามันคืออะไรแต่โยมก็ทําไม่เลิอกอีกเหมือนกันพระอาจารย์จนจนธรรมะมันผุดขึ้นมาจนธรรมะมันผุดขึ้นมาในจิตเราเนี่ยเยอะมากก็เลยกลัวตัวเองว่าไอ้ความรู้ที่มันผุดแหละเราคิดเองเออเองรู้เองหรือเปล่ามันใช่ของแท้มันตรงกับพระพุทธเจ้าไหมโยมก็เลยเดินเข้าวัดมหาธาตุนะคะโยมก็ไปเรียนอภิธรรมอยู่สองปีคือเรียนเทอมแรกเนี่ย จิตโยมได้รู้จักอกุศลสิบสองเป็นบุญของโยมมากที่เกิดมาแล้วได้รู้จักอกุศลสิบสองได้รู้จักจิตร้ยิบเอ็ดดวงแล้วโยมก็ท่องอยู่ตอนนั้นโยมเรียนเรียนเทอมแรกโยมท่องได้แต่จิตโยมอะโยมเห็นย้อนเข้าไปดูจิตโยมเกิดกิเลสโยมอยากได้คะแนนเต็มร้อยโยมประท้วงไม่สอบ ท่องได้ให้ตายยมก็ไม่สอบแล้วยมเรียนซ้ําอย่างนั้นนะ่ะเพื่อนโยมขึ้นไปชั้นบนยมไม่ขึ้นยมแก้งจิตตัวเองมากยังอยากอีกไหมยังอยากได้อีกไหมถ้าเรียนอยากฉันไม่สอบถ้าหมดอยากเมื่อไหร่ยมจะสอบแล้วยมก็เรียนซ้ําอย่างนั้นนะสะ4ปีเรียนจนจิตมันไม่อยากมันเฉยแต่เวลาที่ได้เนี่ยมันได้องความรู้ปัญญามันแตกแตกแตกขึ้นไป แล้วความรู้มันต่อเชื่อมขึ้นไปขึ้นไปจนฐานไปมันอยู่ชั้นบนหมดเลยพระอาจารย์จนตอนหลังโยมตัดสินใจไม่เรียนต่อเพราะว่าจิตโยมอยากเข้ากรรมาฐานโยมก็ไปขึ้นขึ้นเขาคิจจกูดเลยพระอาจารย์ตอนนั้นมันร้อนวิชามากไปตัวคนเดียวขึ้นป่าไปแล้วก็มีหลวงหลวงหลวงระเทพอยู่บนเขาคิจจกูดท่านเป็นสายอับิญญาท่านก็ได้เจอท่านท่านก็รู้จิตว่าโยมร้อนโยมอยากบวช แล้วท่านก็มาแต่ว่าโยมเป็นลูกสาวคนโตที่ดูแลธุรกิจไงคะตอนนั้นโยมดูแลที่บ้านก็จะไม่ยอมโยมก็ร้อนมาลงก็ไม่รู้ไายเพราะโยมเห็นว่าจิตโยมมันเหมือนกับว่าเราเหมือนนายพานนะคะพระอาจารย์ที่วางอาวุธแล้วแต่เราอยู่กางป่าที่มันมีแต่สัตว์ป่าเต็มไปหมดมันเหมือนมันไม่ใช่ที่ของเราเหมือนบมันมันจะไม่ปลอดภัยสาหรับเรามันจะหาความสงบไม่ได้มันก็อยากจะหนีอะคะ่ะ แล้วเสร็จโยมก็ขึ้นไปท่านก็มาถามโยมท่านก็พูดกับโยมว่าหมดตัวเราได้เมื่อไหร่ก็หมดทุกโยมก็ไม่เข้าใจก็งงวันนะั้นพิจารณาอยู่20่สิบปีค่ะพระอาจารย์ถึงจะเข้าใจแล้วโยมก็ทําไม่เลิกอีกเหมือนกันทั้งแต่โยมโยมจะชอบเรียนรู้แล้วก็เอ๊ะมามาประยุกต์กับตัวเองว่าไอสิ่งที่ตัวเองได้กับระหว่างทางที่เก็บสะสมเนี่ยค่ะมันคืออะไรแล้วสุดท้ายโยมก็ย้อนมาที่ตัวเองโยมก็ไปได้ไปเรียน กับหลวงพ่อวิริยังค่ะครูสมาธิยมถึงได้เข้าใจอ๋ออันนี้เขาเรียกรูปประชานลูกประชานนะเราปฏิบัติถึงตรงนี้เราเข้าออกชานเป็นยังไงก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจอะไรมากขึ้นมันก็<ห>นเลยแบบเนะี่ยนหมดเวลาแล้วค่ะค่ะนะมันผ่านมาคือตอนหลังเนี่ยพอพอพอโยมไปมาเนี่ยตอนหลังนิยม่าคำภาวนาก็หายค่ะพระอาจารย์พุโทโธเนี่ยบัญญัติหายหมดตอนนี้ทรงอยู่ในจิต พอทรงอยู่ในจิตเนี่ยโยมโยมใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยตอนหลังโยมก็มาเรียนสติปัฏฐานสี่เพิ่มเพราะว่าสมถะอย่างเดียวอะโยมรู้สึกว่าไม่พอแล้วพระไตรลักษณ์โยมอะมันขึ้นเยอะจนโยนโยมทําลายพระไตรลักษณ์โยมอีกทีหนึง่งดับพระไตรลักษณ์ดับความรู้ตัวเองด้วยพระไตรลักษณ์อีกชั้นนึงอะคะ่ะพอมันดับเจ็ดความรู้ทั้งหมดมันสงบราบเรียบพอสงบราบเรียบเนี่ยมันจบแล้วโยมมาทรงที่ตัวสติอย่างต่อเนื่อง อย่างต่อเนื่องแล้วตอนนั้นโยมไปฝึกสติถฐานสี่คือกิจจิตมันเกิดดับทั่วตัวเลยค่ะระเบิดทั่วตัวเลยเหมือนกับว่าเกิดตรงไหนดับตรงนั้นแล้วโยมก็เห็นเป็นขณะขณะขณะขณะจิตมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นขณะแล้วบางทีมันจะเข้าชานออกชานอย่างเงี้ยะหลวงปู่ที่มันเข้าไปปุ๊บอยู่ในป่องพอเสร็จเขาก็ไม่ทราบเขาทําแล้วเขาจะนั่งนิ่งดิ่งสุกเฉย แต่ไม่ไม่มีความคิดไม่มีปรุงแต่งแต่รู้นิ่งสุบเฉยอยู่อย่างนั้นบ่มไม่รู้เข้าบ่มอะไรของเขาแล้วบางทีเขาก็จะมีคนมาจะมาคุยธุระทางโลกนีน้เขาก็จะถอยออกมาคุยเหมือนคนปกติเดี๋ยวต้องขออไปนะ้ำหมดเวลาแล้วห้าทุ่วกว่าแล้วเดี๋ยวจะต้องนอนแล้วงั้นคิดว่าคืนนี้นั่งขออยุดไปเพียงคันนี้ก่อนนะ พอมันเด็กมากนะคำถามที่ยังไม่ได้ถามว่าขอไว้รอถามคราวหน้าก็แล้วกันนะต้องขออภัยด้วยเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปเป็นตาบางอีกนี่ห้าทุ่มกว่านะก็ทําได้เท่านี้แหละมันมีเวลาเท่านี้นะถ้าอยากจะต่อก็ขอให้ต่อในวันพุธหน้าต่อไปก็แล้วกันสําหรับคืนนี้ต้องขออภัยสำหรับท่านที่ไม่ได้ถามไม่ได้พูดนะนะ ทางเฟรนดู ก, ก็เช่นเดียวกันต้องขอไปแตต้องขอขอขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก็ขอให้ท่านต่องนำเอาเสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ในพิธพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ